บทที่สองในความมืดสลัวเต็มไปด้วยเงาของปริศนานั้นหลอนก้าวลงไปก้าวล้ำออกนอกแดนอย่างช้าๆตามแนวของเส้นทางที่เอียงลาดลงไปสู่เบื้องล่างสติพร้อมเป็นเจตนาอย่างแน่วแน่ที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับมันตรายในระยะประชิดหาได้เกิดจากการลืมตัวหรือตกอยู่ในอำนาจใดๆทั้งสิน้นไฟฉายในมือนั้นมีแต่ก็ไม่ประสงค์จะฉาย เพื่อไม่ต้องการให้เกิดความกระโตกกระตากใดๆทั้งสิ้นก่อนเวลาจำเป็นหล่อนรู้ตัวแน่นอนว่ากำลังทำอะไรอยู่นอกจากไรเฟิลในมือก็ยังมีปืนสั้นติดเอวอยู่อีกระบอกหล่อนเชื่อว่าถ้าจำเป็นอำนาจของลูกปืนที่มีติดตัวอยู่ก็พอที่จะฉีกหรือทำลายอะไรก็ตามให้มันย่อยยับเปิดเปิงออกไปได้แต่นั่นก็ยังไม่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตนเองได้มากไปกว่าอนานาจเครื่องรางของขลัง พุทธานุภาพและบารมีของอรหันต์ทั้งหลายที่หลอนเชื่อแน่ว่าจะต้องให้ความคุ้มครองหล่อนอยู่ในขณะนี้หล่อนก็สิทธิ์มีครูเหมือนกันไม่กลัวมันเสอย่างเดียวอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันรู้ไปสเสด็จลงมาเถิดจิตรางขนางได้โปรดสเสด็จลงมหามนตร์ไตรแต่และก้าวย่างที่หล่อนเคลื่อนต่ำลงไปอย่างระมัดระวังนั้น เสียงพรรมของเจ้ามารร้ายแวววเชิญชวนกระทบจิตสมองของหล่อนอยู่ตลอดเวลาอีกประมาณสิบเมตรจะถึงตำแหน่งแท่นหินใหญ่กึ่งทางของหนทางลาดอันเป็นเชิงเงื้อมที่กำบังนั้นยญิงสาหยุดยืนนิ่งบัดนี้เราก้าออกมาเพื่อที่จะได้พบเจ้าแล้วเจ้าอยู่ที่ไหนเล่ามันตรฉยชน้ยจึงไม่โผล่ อ, ออกมาและเราก็ย่อมเสียสละจนถึงเพียงนี้แล้ว เจ้าก็ยังหาได้ตกปากรับคำกับเราแม้แต่นิดในสิ่งที่เราขอร้องไว้นั่นก็คือขอให้เาเว้นการติดตามจองเวนอัคนิรุธลงเพียงแค่นี้ดารินร้องบอกออกไปอย่างใจเย็นและกล้าหาญขีดสุดไม่เคยมีครั้งใดในชีวิตที่หลอนจะอาจหาญยอมเสี่ยงถึงเพียงนี้มาก่อนก้าวลงมาอีกพระองค์หญิงมันตรายขอให้สัจจะว่า จะปล่อยให้อัคคเนรุตเป็นไปตามยะถากรรมของมันเองโดยไม่เข้าไปแตะต้องยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยการมุ่งร้ายทุกชนิดของมันไตรที่มีต่ออัคคเนรุจะยุตสิสุดสิ้นลงเพียงแค่นี้ขอเพียงให้ยอดสเสนหายอมเสด็จไปกับมันไตรเท่านั้นยิิงสาวซ่อนยิม้มระหนักได้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกว่าขณะนี้หล่อนกาลังเล่นอยู่กับมหาพิบัติภัยมืด อันยิ่งใหญ่หน้าสะพรึงกลัวที่สุดทว่าหล่อนก็เตรียมการและเตรียมพร้อมไว้แล้วเราก็พร้อมที่จะไปกับเจ้าแล้วจึงได้กล้าออกมานี่แต่เราก็ยังมองไม่เห็นเจ้าเลยไม่ว่าจะโดยตาเนื้อหรือโดยทางจิตแล้วเราจะไปกับเจ้าได้อย่างไรขอให้พระองค์หญิงเสด็จลงมาจนถึงชายป่าด้านล่างอันไม่ไกลออกไปนะักมันไตรรอยอยู่ตรงนี้แล้วพร้อมกับโคจรสารทรง สำหรับฝ่าพระบาทเมื่อเสด็จลงมาถึงก็ขออัญเชิญประทับบนหลังโคจรสารนี้ไปพร้อมด้วยมันรไตรเร็วเข้าเถิดพระเจ้าค่ะอุสาเยือนใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วประโยคหลังนั้นดูเหมือนจะเร่งร้ามาอย่างกระวนกระวายมันมืดเหลือเกินเราไม่อาจมองเห็นได้เจ้าจงขึ้นมารับเราณนะที่นี้ด้วยเถิดเช่นนั้นสายจงเสด็จตามทาาของฝ่าพระบาทที่รอนำเสด็จอยู่แล้ว ลงมาขาดกระแสความนั้นเงาทํามเนียชนิดหนึ่งก็ค่อยๆโผล่ลับเหลี่ยมหินเบื้องหน้าของหล่อนออกมาปรากฏเห็นชัดในเงาตะคุ่มเพราะระยะห่างออกไปเพียงไม่มากนะักมันดูเหมือนมนุษย์ยืนด้วยขาสองขาสูงใหญ่เหลือประมาณดารินใช้ไฟทันทีพร้อมกับปากกระบอกไรเฟิลที่เซยขึ้นในระดับเอวแต่แล้วหลอนก็ยังชะงักรีรอยอยู่ เราจากลำไฟฉายที่ศาสตรา จ, จ้าออกไปนั้นหล่อนเห็นอสุรกายตนหนึ่งจริงลักษณะของมันก็คือซากมา ม, มีอันน่าเกลียดหน้ากลัวขนาดส่วนสูงเกือบเจ็ดฟุตแต่มันหาใช่ซากที่มันตรายสิงสถิตยอยู่ไม่หากแต่เป็นอีกลักษณะของซากหนึ่งซึ่งผิดแพกออกไปจากที่เคยจำได้ติดตาสภาพของร่างแข็งทื่อเหมือนท่อนหินนั้นส่วนศีรษะและใบหน้ามีรอยของหินย้อย ย่อนลงมาเกาะปกคลุมไว้เหมือนคนสวมหมวกหน้าแถบหนึ่งแห้งตออบมีหนังหุ้มอยู่สมบูรณ์แตกแถบหนึ่งบริเวณที่เคยเป็นเนื้อของใบหน้าแหว่งหายไปเห็นกระดูกโหนกแก้มโผล่ขาวและฟันกรามซี่กใหญ่แต่ละซี่ขนาดหัวไม่มือภายใต้การเคลือบของผนึกหินใสมองดูแล้วคล้ายจะสยะยิ้มรอคอยหลอนอยู่ดารินยืนิง่ง อย่างตัดสินใจอย่างใดไม่ถูกไปเสี่ยววินาทีมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่ทราบคำนวณหาอายุไม่ได้นั้นเริ่มเคลื่อนขึ้นมา ห, าหาหล่อนอย่างแช่มช้าเหมือนจะตรงเข้ามารับเมื่อ น, นั้นเองเหมือนฟ้าผ่าลงมากลางนรกแห่งความเงียบจนตัวหล่อนเองก็สะดุ้งผวาเสียงเปรี้ยงแผดสะเทือนเลื่อนลั่นดังลงมาจากขอบเนินเบื้องหลังของหลอน คลื่นของอากาศรอบตัวกดวู้สองหูลั่นอื้อเพราะกำปนาตนั้นพร้อมกันเบื้องหน้าที่หล่อนกำลังจ้องินิดอยู่นั้นแปะกระจายหายแวบไปซีกหนึ่งในพริบตาชนิดมองเห็นกันซึ่งๆึ่งหน้าเหมือนถูกจามด้วยขวานคมกริบขนาดใหญ่และร่างนั้นหมุนพังอส่วนเซไปด้วยแรงกระทบน้อยหมอบลงเดี๋ยวนี้เสียงตะโกนน้ำเสียงหลงดัง ต, ติดตามลงมาจำได้ดีที่สุดว่านั่นเป็นเสียงของพี่ชายกลาง อนุชาวราริ์แผนของหล่อนถ้าจะมีอยู่ในขณะ น, นี้มันก็ได้พังพินาศลงเสียแล้วและหล่อนต้องปรับเหตุการณ์ใหม่อย่างฉับพลันทันทีเหมือนกันเราตัวเองก็ยืนอยู่ในแนวของวิถีกระสุนที่อาจพลาดมาถูกได้จึงทิ้งตัวหวบลงนอนราบกับพื้นทันทีในขณะที่ร่างนั้นยังหมุนตลบอยู่ลุนล่นๆพอร่างของหล่อนล้มลงไปราบกับพื้นเท่านั้น กระสุนไรเฟิลอีกนัดหนึ่งก็ครืนสนั่นติดต่อมาอีกแนวกระสุนจับเข้าบริเวณส่วนใดของไอ้ซากหลายหมื่นปีไม่ทราบได้แต่คราวนี้เห็นตีนของมันหลุดจากพื้นคลิกล้มตึงกลิ้งครุกๆลุกลงไปตามขนทางอันล่าชันนั้นเป็นลักษณะข อ, ของขอนไม้ที่ถูกผลักให้ร่วงหล่นไปเบื้องล่างในเงามืดของลำมอมไม้เสียงช้างร้องอย่างแตกตื่นประสานกันแทรกพร้อมกับเหยียบป่ารกชัดโครมครามหักพินาศ อันหมายถึงการเริ่มเคลื่อนไหวอย่างชุลมุนเสียงพี่ชายกลางกึกกล้องมาอีกว่านอนอยู่ตรงนั้นอย่าเพิ่งเงยหัวขึ้นมาณบัดนี้หล่อนเองก็สับสนจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วว่าอะไรมันเกิดขึ้นในลักษณะไหนหรือจะรู้ก็รู้อย่างเดียวว่าทุกสิ่งทุกอย่างของหล่อนจะต้องตกอยู่ในการรู้เห็นของอนุชานับตั้งแต่ย่างเท้าก้าวเดินออกมาจากบริเวณแคมป์พักแต่เขาจะรู้ได้ละเอียดหรือเข้าใจอย่างไรนั้น หล่อนก็สุดจะอย่างได้ทว่าก็ได้ทําให้แผนเดิมของหล่อนคลาดเคลื่อนไปซะแล้วด้วยการระเบิดกระสุนไรเฟิลมาสองนัดซ้อนเป้าหมายคือร่างของไอ้ผีดิบบริวารมันไตรที่กําลังเดินตรงขึ้นมาหาหล่อนและบัดนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอนุชาจะจัดการอย่างไรต่อไปแต่ยินแต่คําสั่งให้นอนราบอยู่ที่เดิมซึ่งทำมหโงงจนเกินไปนะหล่อนก็ไม่ควรจะขยับเงยร่างขึ้นมาตาคําสั่งนั้นอย่างเด็ดขาด จึงได้แต่นอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นมือทั้งสองควายตะปบกันไว้ปิดที่ท้ายทอยจริงอย่างที่นึกไว้ไม่มีผิดปรากฏเสียงเปาะขึ้นก่อนในอันดับต่อมาแล้วเพียงแต่นับหนึ่งสองเท่านั้นป่าละเมะเบื้องล่างอันกำลังเคลื่อนไหวคลืน่นโครมไม้ไร่หักวินาศเพราะความแตกตื่นของโครงช้างในขณะ น, นี้ก็ปรากฏเสียงบึ้มจนแผ่นดินสะเทือน พร้อมกับประกายไฟแลบวาบแดงฉานห่างลงไปจากบริเวณที่หล่อนสุดมอบอยู่แค่ไม่เกิน4ี่สิบถึงห้าสิบเมตรเท่านั้นเศษพงทุลีกิ่งใบไม้เล็กๆปลิว ก, กระจายว่อนตามเปลวระเบิดนั่นคืออนุภาคของระเบิดขนาด4ี่สิบมมที่ยิงกระหน่ำลงมาด้วยเอ9มเจเกความย่อยยับเกิดขึ้นแล้วยังป่าที่เต็มไปด้วยเงาปริศนาเบื้องล่างอันหล่อนเพิ่งจะมาตรหนักอเดียวนี้เองว่า มีโครงช้างจำนวนไม่น้อยทีเดียวกำลังแฝงตัวซุ่มอยู่พี่กลางหล่อนอุทานแล้วก็ต้องโหดศีสาแยกเขี้ยวอีกครั้งเมื่อมันมีเสียงเปาะบึมขึ้นเป็นนัดที่สองเว้นช่วงระยะห่างไม่ถึงอึดใจตับตายไส้พูงของหล่อนขณะนี้ขย่อนไปหมดคลื่นของเสียงระเบิดสังหารนั้นดังกล้องสะท้อนไปในระหว่างลูกเขารอบด้านเหมือนฟ้าร้องปลุกความวิเวกเยือกเย็นของบรรยากาศใกล้รุ่ง ให้อึงโอนโกลาหล์นจะมีอะไรเหลือสําหรับการวางแผนอ่อยเหยื่อของหลอนต่อไปอีกในยามนี้ในเมื่อไรเฟิลแผดขึ้นสองนัดตามติดมาด้วยระเบอร์สี่สิบมมจากเครื่องยิงที่หยอดลงไปยังแนวละม่อเบื้องล่างอีกสองลูกโดยฝีมือของคนบ้าอย่างเฉียบขาดเช่นพี่ชายกลางของหล่อนดารินถอนใจเฮือกใหญ่ริกตัวนอนหงายมองดูท้องฟ้าที่เกียรลุกขึ้นมาแล้ว ท่ามกลางความอึงโอนวุ่นวายที่ปรากฏแทรกขึ้นมาอย่างกระทันหันนั้นพวกข้างบนแคมป์ก็ตะโกนโวยวายกันฟังไม่ได้สับส่วนไอ้ช้างภายใต้บนบังคับของจอมมายาผีดิบมันไตรที่แฝงเงาซุ่มอยู่ก่อนซึ่งบัดนี้แตกหนีกันโอลมานป่าแหลกยับร้องแทรประสานกันด้วยความตกใจระคนเจ็บปวดหล่อ น, นึกไม่ออกเหมือนกันว่าระเบิดสังหารขนาดสี่สิบมมหากตรง ตกลงไปกลางโขงช้างมันจะเป็นเช่นไรบ้างแต่รู้แน่ๆว่าต่อให้อาคมของมันตรายชั่ ง, งนัดสักแค่ไหนพวกมันก็อยู่ไม่ติดหรือไม่สามารถคุมกันได้เป็นขบวนแล้วอีกทั้งไม่สามารถที่จะชาร์จขึ้นได้แน่นอนมันแต่ละตัวอาจไม่ถึงตายแต่คงบาดเจ็บเลือดสาดกันไปแทบทุกตัวในรัศมีของสะเก็ดระเบิดอัลเอียดยิบจานวนมากมายของระเบิดใช้สังหารบุคคลประเภทนั้น ดวงไฟชายนับจำนวนไม่ท่วนศาสตจ้าลงมาที่หลอนคนทั้งหมดในแคมป์พากันแล่นลงมาเป็นขบวนพร้อมกับเสียงโวยวายประสานกันจํำแนกไม่ถูกส่วนมากก็ตะโกนเรียกนามหลอนนั่นแหละดารินนอนเฉยเอานิ้วเคยีปลายจมูกอย่างงุดหยิดใจหลอนไม่โกรธพี่ชายหรือกลุ่มของพักพวกที่เข้ามาทำลายแผนของหลอนเหล่านั้นหรอกแต่นึกสาบแช่งต่อเหตุการณ์หลอนไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นเช่นนี้เลย เพราะตนเองนั้นวางแผนไว้อีกอย่างหนึง่งแต่ก็นั่นแหละแผนของหล่อนมันอาจไม่ถูกต้องก็ได้ถ้าหากว่ายอมเปิดเผยกับคนเหล่านั้นออกไปเพราะฉะนั้นตอนนี้หล่อนก็กำลังนึกหาเรื่องโกโหกกลบเกลือนอยู่ว่าจะตอบคำถามพวกพี่ๆและคนทั้งหมดที่มาด้วยกันอย่างไรดีจึงจะไม่ถูกดุว่าตาหนิสองคนที่ล่นลงมาถึงหลอนเป็นคู่แรกคืออนุชาและนานอิน พอถึงก็ฮิ้วประคองปีกชูให้ลุกขึ้นยืนหลอนไม่อยากฟังเสียงว่าทั้งสองโวยระร่ำระลักกับหลอนอย่างไรบ้างแล้วลิปตาต่อมาก็เป็นคู่ของเชิดถากับชัยยันซึ่งปาดลงมาถึงติดๆรายล้อมมาด้วยขยินและพวกลูกหาบทั้งหมดที่พากันห่อนแนบลงมาชนิดไม่เหลืออยู่บนแคมป์สักคนเดียวสองหูของหลอนครั้งแรกนั้นมันอื้อเพราะเสียงไรเฟิลกับเสียงระเบิด แต่บัด น, นี้เออเพราะเสียงเหมือนเจ๊กเรือแตกที่ดังอยู่รอบกายไม่เป็นอะไรค่ะไม่ต้องห่วงหล่อนเอามืออุดหูและบอกกับพวกนั้นเรียบๆ เ, เว้นระยะไปอีกครู่ก็บอกต่อมาโดยไม่อยากจะฟังเสียงถามว่าและโปรดรับทราบไปด้วยทุกคนน้อยยังไม่ได้เสียสติมีความรู้สึกที่ครบถ้วนทุกประการไม่ได้ตกอยู่ในมนสกดหรือต้องอำนาจมายามืดอะไรทั้งสิ้น พี่ชายสองคนเพื่อนอีกหนึ่งที่กำลังระรำระลักแทบฟังไม่สับอยู่บัด น, นี้อ้าปากค้างนิ่งเงียบกันไปชั่วขณะจ้องมองดูหล่อนอย่างประหลาดใจที่สุดแล้วก็ยิ่งงุนงงเมื่อหล่อนกลับเป็นฝ่ายถามว่าใครเป็นคนยิงไรเฟิลและใครเป็นคนยิงเอ็มอะไรกันนี่เธอแน่ใจหรือว่าขณะที่เธอเดินลงมาจากแคมป์นี่นะเธอมีสติครบถ้วนชายยันร้องเอ็ด ฉันรู้ว่าฉันทำอะไรและรู้ด้วยว่าต่อไปจะต้องทำอะไรแต่ถามตะกี้นี้ยังไม่เห็นมีใครตอบบ้าแล้วรายนี้บ้าแน่ๆครับพี่ใหญ่อนุชาหรืออดีตพรานชดตะโกนลั่นขึ้นเข้ามาขย่าไหลน้องสาวเล็กแต่ดารินปัดแขนพี่ชายกลางออกไปเชษฐาจึงรั้งไหลให้อนุชาทอยออกมาก่อนตนเองกล้าเข้าไปเผชิญหน้าใช้ไฟฉายส่องจ้องหน้าอย่างพินิษน้อย เขาเรียกเน้นเสียงจริงจังเหมือนจะอย่างท่าทีคะทำไมถึงผิดสัญญาไหนบอกกันไว้มั่นเหมาะว่าจะไม่ออกนอกบริเวณที่พักอย่างเด็ดขาดดารินฝืนยิ้มหล่อนรู้สึกลำบากใจอย่างยิ่งที่จะให้คำตอบเพราะหาข้อแก้ตัวทำความเข้าใจกับทุกคนได้ยากเหลือเกินน้อยไม่ได้ตั้งใจจะผิดสัญญาหรอกคะแต่น้อยมีเหตุผลในการออกนอกเขต ท, ที่พักมาเพียงระยะแค่นี้ เหตุผลอะไรจะออกมาให้ไอผีดิบมันหักคอหรือช้างขยี้งั้นหรือเสียงอนุชาตะคอกออกมาอีกอย่างชุนเฉียวเชษฐาโบกมือไปทางน้องชายสงบปากคําเสี้ยและพยักหน้าปลอบถามว่าไหนบอกพี่สิสําหรับเหตุผลของน้อยเหตุผลของน้อยมันอาจไม่เหมือนกับเหตุผลของคนอื่นก็ได้ค่ะคือ 1. เห็นว่าใกล้สว่างแล้วไม่มีอะไรที่น่ากลัว สออยากจะรู้เห็นอะไรให้ชัดๆกระจ่างแจ้งกับตาตัวเอง 3. ขณะที่ทำในข้อหนึ่งและ2รู้ว่าตัวเองมีสติสัมปชัญญะพร้อมไม่ได้ตกอยู่ในการชักจูงหรือถูกอำนาจอะไรเข้ามาสะกดและข้อ 4. น้อยเชื่อมือตัวเองว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็สามารถจะแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างแน่นอนเอางี้ดีกว่าอะไรทำให้เธอบ้าเดินลงไปทั้งทาที่มันยังมืดตืออยู่อย่างนี้ ชายย่านถามสวนใหม่คนอย่างสงสัยเต็มที่ไม่มีใครเข้าใจหล่อนจริงๆดารินเม้มปากหล่อนไม่อยู่ในฐานะที่จะบอกเล่าความจริงได้ทั้งหมดฉันมายืนอยู่ตรงขอบเนินที่เราพักกันอยู่นั่นหล่อนบุ้ยปากขึ้นไปด้านบนอันเป็นที่ตั้งของแคมป์ใช้ไฟมาดูที่โขดหินใหญ่นี่เห็นอะไรลับๆ ล, ล่อๆ อ, อ, อยู่อยากจะเห็นให้รู้ชัดก็เลยเดินลงมาทุกคนรู้อยู่ว่าฉันไม่เคยกลัวอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ ไฟฉายกับปืนพร้อมอยู่ในมือฉันเผชิญได้ทุกอย่างแล้วระยะที่เดินลงมาจากตรงนั้นมันก็ไม่ห่างไกลอะไรนะักกะไว้ว่าจะเดินมาถึงแค่นี้แหละไม่ลงไปห่างจากนี้หรอกแล้วไอ้ผีหานั่นก็โผล่พวดออกมาจากโขดหินกำลังเดินขึ้นมาหาเธออนุชาพูดเร็วปรืออาการหัวฟัดหัวเวี่ยงชี้หน้าฉันเห็นเธอยืนสองไฟมันดูเฉยปืนในมือมีก็ไม่ได้ยินสักโป้ง ฉันก็เลยต้องตัดสินใจยิ่งโครมลงมาทำไมเธอถึงยืนเฉยแบบนั้นจะให้มันเข้ามาหักคอหรือยังไงดารินสันีิสะใครจะยอมให้มันเข้ามาหักคอก็ยืนดูอาการท่าทีของมันว่าจะมาไม้ไหนยังไงปืนพร้อมอยู่ในมือแล้วจะยิงเมื่อไหร่ก็ได้แล้วฉันก็แน่ใจได้ว่ามันทําอะไรฉันไม่ได้มันเข้ามาชิดตัวฉันไม่ได้อย่างเด็ดขาดฉันมั่นใจเช่นนั้น หลอนโมโหขึ้นมาบ้างจึงใช้คำแทนชื่อตัวเองสำหรับพี่ชายกลางว่าฉันแบบเดียวกันชายยันเห็นท่าจะไม่ดีนักสำหรับพี่น้องคู่นี้เลยการอนุชาที่กำลังทำท่าแยกเขี้ยวจะปรีเข้ามาอีกผลักให้ถอยห่างออกไปกระซิบบอกว่าอย่ามโมโหโธโศไปนักเลยหน้ากลางถึงยังไงน้อยก็ปลอดภัยเรียบร้อยดีแล้วเขาน่าจะมีเหตุผลอะไรสำหรับเขาที่กล้าบ้าบินแบบนี้ แล้วเพื่อชายก็หันมาทางหลอนเธอแน่ใจนะว่าเธอไม่ได้ถูกอำนาจของมันสะกดให้ต้องเดินลงมาก็ฉะนเอาไฟฉายส่องหน้ามันอยู่นะ่ะไม่ได้ตกใจกลัวอะไรเลยไม่ฉันไม่เคยกลัวเจ้าพวกนี้เลยสักนิดเดียวสำหรับเดี๋ยวนี้ตอนที่มันยกกองทัพช้างเข้าบุกพวกเราในคืนนั้นก่อนจะเกิดยิงกันขึ้นขนาดใหญ่ฉันก็เห็นพวกมันเข้ามาเดินป้วนเปี้ยนในแคมป์ ฉันยังพยายามจะเดินเข้าไปพูดและสังเกตดูสภาพของพวกมันอย่างใกล้ชิดห่างกันแค่อื้อมเท่านั้นและนี่มันก็โผล่มาให้เห็นอีกทาไมฉันถึงจะต้องสะดุ้งกลัวมันแบบคนขวัญอ่อนฉันมีนี่กับมีนี่หล่อนชูไรเฟิลกับตบทรงอกอันเป็นที่กลัดพระเครื่องให้ทุกคนเห็นและรู้หรือเปล่าว่าข้างล่างในละเมะโนนมีช้างทั้งโขลงซุ่มอยู่พี่ชายใหญ่ถามรู้คะ่ะ อย่าว่าแต่ช้างผีพวกนั้นเลยแม้แต่ไอ้ตัวการคือมันไตรที่รอคอยอยู่ข้างล่างน้อยก็รู้มันเพียงแต่ว่าถ้าน้อยไม่เดินลงไปถึงละมอะข้างล่างสัอย่างมันไตรหรือช้างบริวารของมันพวกนั้นก็ไม่กล้าที่จะไต่เดินขึ้นมาใกล้ที่พักของเราหรอกพี่และเพื่อนอึ้งกันไปอีกเสียงพวกลูกหาพูดกันแซดมองหล่อนเป็นตาเดียวหนานอินโคลงหัวจู่ปาก นายหญิงจะทำเรื่องให้หนานอินเดือดร้อนเสรแล้วก็บอกอยู่ว่าจะไม่ออกไปเผลอนิดเดียวก็ออกนอกบริเวณเสรแล้วรรู้กันอยู่ว่าพวกมันคอยดักจะเล่นงานเราอยู่รอบๆเนินนี่เพียงแต่ยังไม่กล้าขึ้นมาเท่านั้นแล้วแกก็ฉายไฟลงไปยังละม้ะไม้ใต้ตีนเนินซึ่งบัด น, นี้เสียงช้างพวกนั้นคาเนจจากเสียงว่ามีอยู่ประมาณไม่เกิน1 2ถึงตัวเปิดปา่าราบไปหมดแล้วเพราะอำนาจของ m อ นานอินหันมาทีแรกเห็นนายหญิงยังยืนอยู่บนขอบเนินดีๆตามคำพูดแต่พอเหลียวมาอีกทีอา้าวหายไปซะและ้วเลยแล่นไปปลุกนายชดนายชดแกตื่นขึ้นมาพร้อมกับนายทหารและนายใหญ่พวกเราวิ่งมาดูเห็นนายหญิงกำลังยืนรอไอ้ผีตายซากที่กำลังไต่ทางขึ้นมาระยะห่างกันแค่ใกล้ๆไม่ทำอะไรมันสักอย่างนายชดก็เลยซัดตุม้มตุ้มเข้าให้สองนัดพอได้ยินเสียงช้างร้องอยู่ในดงข้างล่าง นายทหารก็เลยเอาปืนยิงระเบิดซัดลงไปที่นั่นอีกสองนัดการไม่ให้มันแล่นสวนขึ้นมาโน่นเปิดป่าราบไปหมดแล้วชายยันเองหรือที่ยิงเอ9มเหลอนหันไปถามเพื่อนชายใช่ฉันเองมายิงได้ยังไงมันตั้งขบวนรอคอยอยู่แล้วยังกะช้างศึกเตรียมประจันบานแต่ให้ตายเถอะเดี๋ยวนี้ฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่นั่นเองว่าทาไมเธอถึงบ้าบินแบบนี้ ขอโทษสำหรับทุกๆคนถ้าเห็นว่าฉันทำผิดข้อสัญญาแต่เหตุผลก็อย่างที่บอกไปแล้วดารินพูดเสียงอ่อนลงไม่มีอะไรที่หล่อนจะพูดได้ดีไปกว่า น, นี้เชษฐาหันไปร้องตะโกนสั่งให้ขยินและพวกลูกหาใช้ไฟตรวจหาซาก ข, ของไอ้ผีดิบที่อนุชา ย, ยิงกระเด็นกลิ้งลงไปพวกนั้นตามกันลงไปเป็นพรวนปืนพร้อมแต่แล้วก็ตะโกนบอกขึ้นมาว่าหาไม่พบนาย มันคงจะแอบลูกขึ้นแผ่นนี้ไปแล้วตอนที่เราชุลมุนกันอยู่ไอผีดิพวกนี้มันไม่ตายหรอกต่อให้โดนลูกปืนสกนาดไหนพบแต่เสร็จกันโลกของมันข้างหนึ่งหล่นกลิ้งอยู่เพราะถูกปืนของครานชดผ่าแล้งไว้ตัวมันหนีไปได้เชษฐาโบกมือถ้างั้นก็กลับขึ้นมาก่อนให้ตะวันขึ้นซะก่อนค่อยมาตรวจดูรอยกันใหม่ใครอย่าเพิ่งลงไปที่ละมาะข้างล่างนั่นก่อน ทุกคนกลับขึ้นมารวมกลุ่มกันยังบริเวณโขดหินนั้นอีกครั้งดารินขยับจะเดินกลับขึ้นไปคนเดียวหน้าตาเฉยแต่พี่ชายใหญ่เหนียวไหลไว้เดี๋ยวก่อนน้อยอย่าเพิ่งขึ้นไปประเดี๋ยวขึ้นไปพร้อมๆกันทุกคนนันอินบอกว่าก่อนหน้านี้เธอยืนอยู่กับไอ้ด้วนตรงปลายเนินนั่นไม่ใช่หรือค่ะหลอนตอบสั้นๆและตอนนี้ไอ้ด้วนมันหายไปไหนแล้วน้อยก็ไม่ทราบเหมือนกัน เห็นมันยืนอยู่ใกล้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นพอหันมาดูอีกทีไม่เห็นมันเสียแล้วเข้าใจว่ามันคงจะแยกไปหากินของมันตามประษามันไม่ได้อยู่กับน้อยตอนที่น้อยเดินลงมารอกน้องสาวตอบเรียบเรียบเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยพี่ชายใหญ่พูดอะไรไม่ออกอีกได้แต่เกาต้นคอแกรกๆอย่างแสนจะขัดใจทุคนพิศวงสงสัยในอาการของน้องสาเต็มทีแล้วในที่สุดก็สั่งให้ทุกคนกลับขึ้นไปบนปางพักตามเดิม ตัวเขาเองเดินเฉีดเข้าไปใกล้น้องชายกลางที่ยืนหน้านิ้วคิ้วขโมดอยู่พลางกระซิบว่ากลางพี่ว่าน้อยมีอะไรที่ลึกลับมากและไม่ยอมบอกความจริงพวกเราทั้งหมดจะมีอะไรครับนอกจากความบ้าความคลุ้มคลั่งอนุชาสบัดเสียงอย่างหงุดหงิดมองไปทางน้องสาวผู้กำลังเดินขึ้นเดินไปพร้อมกับชายยันอย่างเริ่มหนักใจที่ทวีขึ้นทุกที พี่ว่าเธออาจใจร้อนไปหน่อยที่เปิดฉากยิงขึ้นซะก่อนในขณะที่น้อยประจันหน้ากับไอ้ผีตายซากนั่นพี่ว่าเธอน่าจะคุมเชิงรอดูให้ถึงที่สุดว่าน้อยจะมีการพบปะหรือมีท่าทียังไงกับไอ้ผีดิบที่เขาเดินลงไปพบมันนั่นอนญชาหัวเราะฮือๆผมไม่ใจเย็นเหมือนพี่ยายหรอกครับจะรอให้มันคว้าคอหอยเย็นนั่นก่อนหรือว่ารอให้มันหิวเอาตัวไปซะก่อนแล้วค่อยตามทีหลังหรือครับ มันอาจช้าเกินกว่าที่จะช่วยได้ทันเชษถาพยักหน้าโอบหล่น้องชายกลางผู้เลือดร้อนให้เดินตามพวกนั้นขึ้นไปเป็นคู่ล้าหลังสุดล่างบอกเบาๆว่าเอาละ่ะเธอก็อย่าไปฉุนเฉียอะไรกับน้องให้มากนักเลยเรารู้อยู่แล้วว่าเขากำลังจิตใจไม่ปกติหรือจะพูดให้ตรงก็คือป่วยทางจิตอย่างหนักประเดี๋ยวค่อยๆปลอบถามตะล่อมหาความจริงเอาดีกว่าอย่าไปเ ก, กลี้ยกล่อดุว่าอะไรทั้งนั้น อดีตพรานชดยักษ์ไหลยิ้มแค่นๆครับผมจะพยายามทำใจให้สงบที่สุดสำหรับแม่เจ้าประคุณคนนี้แต่สาบานเมื่อกี้ถ้าผมไม่ยิงผ่ากระโหลกให้ตัวอับ ป, ปรีนั่นซะก่อนและถ้าใช้ยันไม่เอาเอ็มถล่มลงไปที่ละมาะข้างล่างป่านนี้เรายังไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับน้อยเขา อ, อาจร่างกายแหลกเหลวหรือมิฉนั้นก็ถูกขโมยตัวสูญหายไปแล้วก็ได้ เมื่อทุกคนขึ้นมาประชุมพร้อมกันยังบริเวณแคมป์ที่พักบนยอดเนินอีกครั้งท้องฟ้าเริ่มจะปรากฏแสงเรืองๆขึ้นแล้วนานอินไล่พวกลูกหาให้ไปจัดการหุงหาเตรียมอาหารเช้าในทันทีส่วนคณะเจ้านายนั่งล้อมวงดื่มกาแฟกันอยู่เป็นกลุ่มดารินนั้นคงรักษาความหน้าตายนั่งเฉยเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นตามเดิมปลาให้การพูดจาหาหรือถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ เป็นเรื่องของพี่ชายสองคนและชายยันเท่านั้นโดยหลอนไม่เอ่ยอะไรเลยนอกจากนั่งสูบบุหรี่อัดควันลึกและมองนิ่งอยู่ที่ปลายบุหรี่ติดไฟนั้นอย่างใช้ความคิดตัวเองนั่งห่างออกจากคณะสามคนออกมาเล็กน้อยครู่หนึ่งต่อมาหลอนขยับตัวลุกขึ้นทำท่าจะเดินไปทางกลุ่มของพวกลูกหาที่ทำงานกันอยู่เหมือนจะปลีกตัวแต่เชิฐาทักไว้ ยังไม่ต้องไปไหนก่อนทั้งสิ้นน้อยเข้ามานั่งใกล้ๆพี่นี่หน่อยสิน้องสาวคนเล็กจำใจต้องเดินเข้ามานั่งใกล้ๆพี่ชายใหญ่ยกมือทั้งสองขึ้นลูบใบหน้าแล้วประกาศขึ้นเบาวๆว่าทุกคนโปรดจะถามอะไรน้อยในคำถามที่ตอบไปแล้วนะคะเพราะไม่อยากจะตอบซ้ําๆก็สารภาพแล้วว่าทําผิดข้อสัญญาอย่ามาว่าอะไรกันอีกเลยเอาล่ะ พี่ก็จะไม่ว่าอะไรเหมือนกันแต่ขอทราบความจริงเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมก็น้อยให้ความจริงตอบไปหมดทุกคําถามที่รวมกันสอบสวนน้อยแล้วนี่คะ่ะเทพาสั่นศรีรษะพยายามใช้คําพูดที่ปลอบโยนอย่างนิ่มนวลที่สุดยังยังไม่หมดทุกคําถามหรอกและอย่าคิดว่าเป็นการสอบสวนเพื่อจับผิดตําหนิอะไรเลยพี่เองเชื่อว่าน้อยต้องมีเหตุผลทางด้านส่วนตัวของน้อยแน่ เพียงแต่ไม่บอกมาให้กระจ่างเท่านั้นมีอะไรที่น้อจะต้องปกปิดอำพรางพวกพี่งั้นหรือเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นตะกี้ไม่มีค่ะหลอนตอบไม่เต็มเสียงนะักไม่ยอมศบสตาใครทั้งสิน้นอนุชากับชายยานขณะนี้นิ่งเงียบเฉยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่ชายใหญ่แห่งคณะตะล่อมถามแม่ตัวปริศนาตามที่อนุชาว่าไว้ตามลพังโดยไม่สอดแทรกขึ้น แต่ทั้งสองก็แลนนิ่งจับอากับกริยาของหญิงสาวชนิดตามไม่กระพริบแน่ละทุกคนยังเต็มไปด้วยความประหลาดใจเหลือที่จะกล่าวกลางกับชายยันบอกกับพี่ว่าขณะที่เขาเห็นเธอยือนประจันหน้าอยู่กับไอ้ผีดิบตรงตำแหน่งนั้นระยะมันประชิดจวนเจียนเหลือเกินจนน่าที่จะเกิดอันตรายขึ้นได้เพราะเห็นเธอยือนสองไฟเฉยปล่อยให้มันเดินใกล้เข้ามาทุกทีเอาล่ะ ถ้ากลางไม่ยิงลงไปสั ก, ก่อนเธอจะทํำยังไงต่อไปบอกพี่สิเช่นถาเป็นคนละเอียดถี่ยิบเหมือนเดิมและป้อนคําถามหรือการสอบปากคําชนิดที่ทําให้หล่อนต้องลำบากใจยิ่งในการที่จะค้นหาคําตอบเพราะไม่อาจจะบอกความจริงภายในใจคิดไว้ของตนเองได้ทั้งหมดขืนบอกไปมันจะยิ่งมากความบานปลายก็ไม่ใช่ความผิดของพี่กลางรอกค่ที่ยิงลงไปสะ ก, ก่อน และไม่ใช่ความฝีของชัยยันด้วยที่ใช้ระเบิดกระนำลงไปยังชายป่าข้างล่างติดต่อกันไปเพื่อขับไล่มันตายและช้างผีสิงอันเป็นบริวารของมันที่รอคอยอยู่ข้างล่างนั่นหล่อนตอบเลี่ยงเรี่ยงน้อยระวังตัวอยู่แล้วที่เห็นไอ้ผีตายซากนั่นมันเดินเข้ามาหาแต่ที่ไม่ได้ทำอะไรลงไปก็เพื่อจะรอดูว่ามันจะเข้ามาใกล้น้อยได้แค่ไหนและจะส่งภาษาบอกความอะไรแก่น้อยได้บ้าง เพราะมันไตรหลบอยู่ในละเมะตีนเชิงเขาไม่ยอมขึ้นมาเพียงแต่ให้บริวารของมันมาหลบอยู่ที่หลังโขดหินใหญ่ก้อนนั้นเท่านั้นพี่คิดว่านั่นไม่ใช่ความกล้าหาญที่น้อยพร้อมจ ะ, ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่แสนจะน่ากลัวนั้นหรอกนะมันจะต้องมีอะไรลึกล้ํามากไปกว่านั้นมันผิดวิสัยไปมากในการที่เห็นอยู่ชัดๆว่าไอ้อัฐมนุษย์รูปร่างหน้าเกลียดหน้ากลัวเคลื่อนเข้ามาหาได้ตัวเองกลับยืนดูมันเฉย เหมือนเห็นคนธรรมดาหรือมิตรเดินเข้ามาใกล้งั้นแหละพี่ใหญ่พอจะเข้าใจกับคำว่าความเชื่อมัน่นหรือความมั่นใจบ้างไหมคะน้อยมีความรู้สึกอย่างที่บอกไว้นี่แหละขณะที่มันเคลื่อนเข้ามาเพราะเชื่อมั่นว่ามันทำอะไรน้อยไม่ได้ตราบใดก็ตามที่พระยังติดตัวน้อยอยู่และสติก็พร้อมอยู่เช่นนั้นก็แปลวามมานน่าเธอพิจารณาไอ้ผีดิบนั่นในฐานะมิตรหรือเพื่อนไปซะแล้ว ชายยานอดไม่ได้ที่จะสอดขึ้นมาก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกฉันบอกแล้วว่าฉันต้องการดูท่าทีของมันจนถึงที่สุดฉันไม่กลัวมันและไม่คิดว่ามันจะทําอันตรายใดๆแก่ฉันได้เลยในขณะนั้นสมมุติแล้วว่ามันทําอะไรเธอไม่ได้แล้วอะไรเป็นความคิดหรือแผนการต่อไปของน้อยพี่ชายใหญ่บีบวงรัดแห่งคําถามแคบเข้ามาแล้ว มันอาจจะส่งข่าวบอกความอะไรที่เป็นประโยชน์กับน้อยก็ได้ค่ะประโยชน์ในด้านไหนกันเชษฐาขโมยคิ้วถามต่ำๆอย่างน้อยก็จุดประสงค์ของพวกมันว่าจะเอายังไงกับเราแน่จะติดตามมาจองล้างจองพรานเพื่ออะไรและอาจให้ข่าวอะไรที่เกี่ยวพันไปถึงรระพินบ้างก็ได้นั่นเป็นความคิดหวังของน้อยจึงทําให้กล้าดเดินลงไปพี่ชายใหญ่ครางในลาคออย่างไม่ศรัทธา บรรจุกล้องยาเส้นโดยสายตาไม่เปลี่ยนไปจากใบหน้าของน้องสาวแล้วมันได้พูดจาส่งภาษาบอกความอะไรแก่น้อยบ้างละ่ะลองเล่าให้ฟังซิก่อนที่กลางจะยิงลงไปเฉพาะตัวบริวารที่ซ่อนอยู่หลังโขดหินและโผล่ออกมาหาน้อยมันยังไม่ได้บอกอะไรแกน้อยเลยสักอย่างแต่ตัวนายของมันคือมันตรายซึ่งรอคอยอยู่ข้างล่างส่งสัญญาณบอกน้อยขึ้นมาว่า ให้เดินตามไอ้ตัวสูงใหญ่นั่นลงไปยังป่าละม็ะข้างล่างซึ่งน้อยอยู่ในระหว่างต่อรองกับมันเพื่อจะล่อให้มันไตรโผออกมาปรากฏตัวให้เห็นชัดๆแต่เหตุการณ์มันก็ผันเปลี่ยนไปซะก่อนโดยลูกปืนกับระเบิดของฝ่ายเราถ้าน้อยจะยิงไอ้ตัวนั้นน้อยก็ยิงซะก่อนพี่กลางแล้วล่วคะค่ะแต่นี่น้อยต้องการจะรอดูมันจนถึงที่สุดต่างหาจึงยังสงบนิ่งอยู่ทว่าก็เตรียมพร้อมไม่ได้ประมาทหรือลืมตัวเลย ไม่เคลียร์เลยในคำตอบของเธอมีอะไรอีกหลายหลอย่างที่เธอยังปิดพวกพี่อยู่พี่ชายใหญ่พึมพาเก็บความขัดใจไว้มิชิดผมว่าพี่ใหญ่อย่าไปเค้นหรือคาดคันอะไรเลยครับผมบอกแล้วว่าน้อยเริ่มมีปฏิกิริยาอะไรที่ลึกลับเกี่ยวกับภายที่มันจ้องเล่นงานเราอยู่ในขณะนี้และเริ่มจะทำให้เราหนักใจเป็นอย่างยิ่งและถ้าเขายังไม่ยอมบอกความจริงอะไรให้กระจ่างอยู่แบบนี้พลาดพรั้งเราจะช่วยเขาไม่ทันเลย ผมชักกลุ้มใจเสีแล้วสินีดารินมองไปยังพี่ชายกลางด้วยสายตาที่อ่อนลงหลอนเข้าใจความรู้สึกของเขาดีที่สุดกล่าวด้วยน้ําเสียงสุภาพเอาใจว่าพี่กลางอย่าห่วงอะไรน้อยให้มากนักเลยค่ะน้อยจะพยายามรักษาตัวเองให้ดีที่สุดและให้เป็นภาระแก่พี่ๆน้อยที่สุดขอรับรองอีกครั้งว่าน้อยไม่ได้บ้าเสียสติไปหรอกแล้วก็เป็นห่วงตัวเองเหมือนกัน การกระทําอะไรของน้อยบางอย่างทุกคนอาจไม่เข้าใจแต่น้อยเข้าใจตัวเองดีที่สุดและบางทีก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรถูกอนุชา ย, ยิ้มแค่นแครนเริ่มคลายความโกรธหัวฟัดหัวเวียงลงบ้างพี่รู้ว่าเธอกล้าและเชื่อมั่นในมันสมองและฝีมือของตนเองอย่างเต็มที่ในการเดินทางมาในครั้งนี้แต่ก็นั่นแหละอย่าให้กลายเป็นความประมาทไปไม่ใช่ความผิดของพี่ที่จะต้องเป็นห่วงเธอไม่ใช่หรือ หล่อนยกมือไหว้กราบขอบพระคุณพี่กลางคะ่ะและกราบขออภัยท่าน้อยก้าวร้าวอะไรไปบ้างเมื่อตะกี้นี้รู้ตัวเองดีเหมือนกันว่ามักจะทําอะไรให้เกิดความกังวลแก่หมู่คณะอยู่เสมอแล้วหล่อนก็ยิ้มให้แก่พี่ชายกลางสิ่งที่น้อยยินดีและอบอุ่นใจที่สุดก็คือในวาระวิกฤตจริงๆแล้วพี่กลางและพวกเราทุกคนล้วนทันต่อเหตุการณ์เสมอไม่มีใครมัวงุ่มง่ามล่าช้าอยู่เลย ในที่สุดสองพี่น้องก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ท่ามกลางความโล่งอกของชั ย, ยาและพี่ชายใหญ่ของคณะดารินกับอนุชาโดยปกติแล้วมักจะมีการขัดแย้งปีนเกลียวกันอยู่เสมอและมักจะปะทะ ก, กันด้วยวาจาอันรุนแรงทะเลาะ ก, กันเป็นประจำอาจเป็นได้ในข้อที่ว่าอนุชานั้นเป็นคนโผงผางขี้โมโหถ้าเท่ากับที่ดารินก็ชอบเอาแต่ใจตัวเอง แต่ทั้งหลายแหลมันก็มาจากความรักความห่วงใยที่มีต่อกันนั่นเองประกอบกับวัยที่ค่อนข้างไล่เลี่ยคบกันเป็นแบบเพื่อนมากกว่าที่จะเคารพยำเกรงแบบพี่ประเดี๋ยวกินอาหารเช้ากันเสร็จเราจะลงไปตรวจสถานที่ข้างล่างนั่นอีกครั้งเชธถาบอกกับทุกคนพร้อมกับแง้มมองดูท้องฟ้าซึ่งสว่างขึ้นเป็นลําดับระหว่างการร่วมรับประทานอาหารชายยันเข้ามานั่งใกล้ๆดารินผู้เงียบขรึมถามว่า ตแต่ตื่นขึ้นมาด้วยการตอนประมาณตีสี่เศษนั่นแล้วเธอไม่ได้กลับเข้ามานอนอีกเลยหรือราชาสกุลสาวสันสิสะฉันไม่ได้นอนอีกเลยมันไม่ง่วงพอเธอเข้าไปนอนแล้วฉันก็นั่งคุยค้าเวลาอยู่กับลุงอินอิครูใหญ่ก่อนที่จะเดินตรวจบริเวณออกไปยืนอยู่ตรงชายเนินพักนั่นก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเกิดบ้าระห่ำเดินลงไปคนมันกําลังอยู่ในภาวะร้อนรุ่มกลุ่มจิต บางทีมันก็อาจทําอะไรที่คนอื่นเห็นว่าบ้าๆออกไปได้เหมือนกันแต่ฉันก็พยายามจะระ ง, งับความรู้สึกชนิดนั้นไว้ให้ได้ชายยันอยากจะล้วงถามอะไรอีกเพราะยังไม่หายข้องใจเรื่องที่หล่อนกล้าเดินลงไปประจันหน้ากับไอ้ศพตายซากคํานวณอายุไม่ได้นั้นได้ก็ระ ง, งับเสียคิดอยู่ในใจเหมือนเชษฐาและอนุชาว่าค่อยๆใช้เวลาจับสังเกตดารินไปเงียบๆดีกว่า เหตุการณ์ที่ผ่านมาตลอดคืนพิสุทธห์ได้เห็นชัดว่ามันตรายและบริวารของมันแม้จะไม่บังอาจกล้ำกลายขึ้นมาราวีก่อกวนอะไรในบริเวณปางพักที่ลงอาคมไว้แต่พวกมันก็หาได้หลีกเลนหลบหนีห่างไกลออกไปไม่คงซุ่มคุมเชิงรายล้อมอยู่ ร, บรอบๆตีนเนินอยู่นั่นเองอย่างเงียบกริบเพื่อรอโอกาสของมันอันเป็นสิ่งที่น่าคิดน่าสยองมากถ้าไม่ใช่เพราะดารินเดินออกนอกเขตปริมณทนออกไป และถ้าไม่ใช่เพราะกระสุนไรเฟิลและระเบิดที่อนุชากับชัยยานช่วยกันยิงถล่มลงไปทั้งคณะจะไม่มีโอกาสรู้ได้เลยว่าพวกมันมาซุ่มล้อมอยู่ข้างล่างเหมือนข้าศึกที่เกาะติดฐานคอยซุ่มโจมตีอยู่ทุกขณะเพียงแต่รอจังหวะเหมาะเท่านั้นเมื่อเสร็จสิ้นอาหารประทังชีพมื้อเช้าซึ่งกินกันในเวลาเช้าตรู่เป็นพิเศษนานอินก็ตะโกนถามมาว่าเอาหรื อ, อยังนายรีบไป ไปกันเสียแต่หัวรุ่งนี่แหละจะได้ไปถึงห้วยเสือร้องก่อนเที่ยงตกลงลุงอินแต่เราอยากจะลงไปดูตรงชายเนินที่นายทหารยิงระเบิดลงไปตรงนั้นก่อนท่านหัวหน้าคณะร้องต่อไปถ้างั้นก็เก็บของไปได้เลยเราจะตัดทางลงทางด้านนั้นอยู่แล้วจะได้ไม่เสียเวลานานอินสั่งการเก็บข้าวของทันทีและอีกชั่วขณะเดียวคณะทั้งหมดก็เคลื่อนขบวนลงจากยอดเนินสักดำ โดยบ่ายหน้าลงมายังตีนเชิงอันเต็มไปด้วยละเมะไม้ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ชายยานถล่ม M79 ลงไปเมื่อได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวของโครงช้างภายหลังเมื่ออนุชา ย, ยิงไรเฟิลไปยังไอ้ผีดิบที่ประจันหน้าอยู่กับดารินสองนัดซ้อนขณะที่ลงมาได้กึ่งทางผ่านตำแหน่งที่ดารินยืนอยู่ใกล้โคหินทั้งขยินนานอินและทุกคนยกเว้นพวกลูกหา ทำการสำรวจบริเวณนั้นก่อนอย่างละเอียดแล้วก็พบเข้ากับร่องรอยที่พวกลูกหาพบไว้ก่อนแล้วขณะที่เกิดเหตุยกุกยกคือเศษกะโหลกของซากเก่าแก่โบราณซึ่งนานมาแล้วได้เคยเป็นกะโหลกของมนุษย์ถูกกระสุนไรเฟิลขนาดหนักของอนุชาผ่านแล้งไว้ซีกขนาดสองฝ่ามือใหญ่ๆลนกลิ้งอยู่กับพื้นติดแง่หินตอนหนึ่งทุกคนดูเหมือนจะเคยชินจะแล้วกับสิ่งประหลาดชนิดนี้ ไมไ่สนใจอะไรมากนักที่จะตรวจสอบเพียงแต่ใช้เท้าเขียดูเท่านั้นก็แปลว่าไอตัวที่ออกมาเผชิญหน้ากับน้อยเมื่อชั่วโมงเศษมานี่หน้าแว่งหายไปซีกหนึ่งแล้วด้วยลูกปุยของแกใช้ยันพืมพำเบาๆแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะกลับมาหาเราอีกไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่หน้าแว่งหายไปครึ่งหนึ่งนี่แหละเพราะมันพาซากที่เหลือของมันหายไปแล้วอนุชาบอกพร้อมกับหัวเราะกลิ่มๆในลําคอ เขาจำได้ติดตามว่านัดที่สองเขายิงไปที่กลางลำตัวของมันพอกระสุนระเบิดโครมมันก็พลิกกลิ้งด้วยแรงกระทุ้งของลูกปืนกลิ้งลงจากเนินไปแต่บัดนี้ไม่พบว่าจะมีซ่าของมันเหลือนอนทิ้งอยู่ให้เห็นยกเว้นเศษกระโหลกที่มันไม่สามารถจะเอาไปด้วยได้เท่านั้นที่หล่นให้เห็นเป็นหลักฐานอยู่นา้นอินกับขยินลงไปถึงบริเวณป่าละมอ ด, ด้านล่างก่อน แล้วชั่วอึดใจเดียวก็ตะโกนบอกขึ้นมาว่าเจรอยระเบิดตกแล้วสองหลุมใกล้ๆกันพงไม้แหลกเป็นแปลงเลยนายมีเลือดสาดกระจายเปรอะไปหมดคงจะเลือดของไอช้างพวกนั้นนั่นแหละแต่ไม่มีตัวไหนล้มอยู่ให้เห็นเลยสักตัวคงจะโดนไม่ถนัดหรือไม่ปืนระเบิดของนายทหารก็ไม่แรงพอที่จะล้มช้างได้แค่ทาให้มันตกใจเจ็บไปเท่านั้น จิงตามที่หนานอินกับขยินร้องบอกขึ้นมาเมื่อฝ่ายเจ้านายทั้งหมดลงไปยังบริเวณอันเป็นตำแหน่งที่ชายยันยิงหยอดระเบิดลงมาก็พบกับหลุมระเบิดตกซึ่งไม่กว้างใหญ่หรือลึกนักอยู่ห่างกันแค่สามวาต่าหลุมเท่านั้นเป็นมุมเยื้องใกล้กันนิดเดียวแสดงว่าชายยันสามารถยิงสุ่มลงมาได้ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงซ้ําจุดเดิมได้มากที่สุดและแวดล้อมรอบด้านอันเป็นพงไม้ แลเห็นกิ่งใบขนาดย่อมๆขาดกระจุยกระจายด้วยระเบิดและตามลำต้นที่เคร่ยงขึ้นมาหน่อยก็มีชิ้นระเบิดเล็กๆฝังอยู่เต็มไปหมดถ้าว่าก็ไม่ปรากฏซากของช้างหรือไอ้พีดิบตนใดนอนทิ้งอยู่ให้เห็นเลยมีแต่รอยเลือดซึ่งคงจะเป็นเลือดของช้างพวกนั้นทิ้งเป็นหย่อมเล็กๆอยู่บนพื้นและกระจายไปถูกกิ่งใบไม้ที่พรุนไปหมดอันุภาพของระเบิดขนาด40มเมตร แบบเ7 9ไม่มีอำนาจรุนแรงพอที่จะใช้สเก็ตเล็กๆของมันเข้าไปสังหารช้างได้ถ้าหัวกระสุนไม่ตกลงไปถูกตัวมันโดยตรงอันเนื่องมาจากชิ้นระเบิดละเอียดย่อยเกินไปมีไว้สำหรับสังหารมนุษย์เสียมากกว่าสัตว์ใหญ่นังหนาขนาดนี้แต่จะยังไรก็ตามอนุภาพของเสียงระเบิดที่กึกก้องกมปนาช่วยขับไล่ให้มันแตกกระเจิงไปได้ยางง่ายดายที่สุด และสามารถจะยิงขับไล่หรือยับยั้งได้ในระยะไกลได้วยความแม่นยำกว่าระเบิดคว้างคงเจ็บๆคันๆกันไปหลายตัวทีเดียวชายยานพูดต่ำๆและหัวเราะอย่างทุเรศในอำนาจของเอ็มเจ็ดสิบเก้ามันให้ผลเหมือนกันแต่ไม่สู้จะมากนักและที่นำติดตัวมาด้วยก็ไม่ได้หมายความว่าจะนำมาโรมรันกับสัตว์หนังหนาเพียงแต่เตรียมไว้ต่อสู้กับบุคคลหรือกองกาลังฝ่ายตรงข้ามถ้าจะมีเท่านั้น กับใช้เป็นเครื่องยิงทําเสียงให้ระเบิดสนานวันไว้เป็นการขับไล่ข่มขวัญกันเสมากกว่ามันก็ไม่เลวนักรอกใช่ยันเพราะอย่างน้อยก็ยังช่วยล่ให้มันเผ่นกระจายออกไปได้ทั้งโคลงเชิดถาว่าแล้วจับแข่น้องสาวไว้เห็นหรื อ, อยังว่ามันมาแอบเงียบชุมนุมกันอยู่ตรงนี้ห่างกันแค่ไม่เกินสี่สิบเมตรเท่านั้นกับตําแหน่งที่น้อยยืนอยู่ตรงหินก้อนนั้น ถ้าน้อยเดินลงมาถึงที่นี่ก็มีอยู่สองในเท่านั้นคือถ้าไม่ขยี่น้อยเละเหลวหาชิ้นส่วนไม่ได้ไอ้มันไตรก็คงจะเอาตัวน้อยไปแล้วประโยคหลังอดีต ท, ท่านทูตทหารโบกกล่าวมาเมือจะอ่านเหตุการณ์ทำนายใจของหล่อนถูกดารินรอบยักหลยนิดหนึ่งคิดต่อพี่ชายอยู่ในใจว่าไม่มีวันใชล่ะที่หล่อนจะหลงกลเดินลงมาจนถึงที่นี่ มีแต่จะล่อให้มันตรายเป็นฝ่ายขึ้นไปหาหล่อนเอซีมากกว่าและระหว่างการต่อรองกันอันหลอนเชื่อว่าน่าจะล่อมันได้นั่นเองอนุชากับชัยยันก็เปิดฉากการยิงขึ้นเสีก่อนแต่หล่อนไม่สามารถที่จะอธิบายให้บุคคลเหล่านั้นเข้าใจได้ท่องแท้หล่อนจะบอกได้หรือว่าไอ้ผีร้ายกล่าวอ้างไปถึงอดีตชาติของหล่อนว่าคือจิตตรางขนางที่เคยสร้างกรรมเป็นนี่มันอยู่บอกได้หรือว่า รพินไพราวานในชาติพบเดียวกันครั้งกระโ น, น้นคือกษัตริย์อัคคีรุตตลอดจนเงื่อนงำที่แฝงซ่อนอยู่สลับซับซ้อนและขณะที่หล่อนเดินลงมานั้นก็เพราะได้ยินเสียงเรียกของมันแว่วเข้ามาทางกระแสจิตหากหล่อนยอมบอกความจริงที่หล่อนรับรู้อยู่คนเดียวให้แก่พรกคพวกฟังพวกนั้นก็จะยิ่งเห็นว่าหล่อนเสียสติบ้าบอคอแตกเข้าไปใหญ่จึงสู้เก็บงำไว้เพียงคนเดียวหล่อนคิดว่า ให้ความจริงทั้งหลายค่อยๆ ค, คลี่คลายตัวของมันออกไปเองตามการเวลาดีกว่าถ้าแม้ว่าการเวลานั้นยังจะพอเหลืออยู่สําหรับหล่อนอีกบ้างโดยไม่แตกดับสูญหายตายจากกลุ่มพวกควางไปซะก่อนตรวจสถานที่ร่องรอยพอให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอีกเพียงครู่เดียวนานอินก็นําออกเดินตัดทางเลาะลัดไปตามพุ่มพงละเมะไม้เรียบตีนเนินนั้นทันที ระหว่างทางมองไม่เห็นวี่แวร์ว่าคณะของระพินจะตัดมาทางด้านนี้และเมื่ อ, อนุชาทวงขึ้นแกก็บอกว่าทางมันใกล้อีกแค่นี้เองเราไม่ต้องเดินทับรอยนายระพินกับพวกนั้นไปรองเพราะรู้แน่ว่าจะต้องมุ่งไปทางห้วยเสือร้องอยู่แล้วให้หนานอินพาลัดทางไปดีกว่าจะได้ย่นเวลาเข้าไปอีกทุกคนไม่มีใครคัดค้านตามเหตุผลของแกถูกแล้ว เส้นทางระยะสั้นจากยอดสักดำไปถึงห้วยเสือร้องแค่นี้เองไม่จำเป็นจะต้องเดินทับรอยกอรรพินไปให้เสียเวลาถ้าหากว่าจะมีทางไปลัดย่นทั้งเวลาและระยะทางได้มากกว่าเชษฐากําชับทั้งอนุชาและหนานอินให้พยายามหาทางเดินในภูมิประเทศที่พอจะสังเกตเห็นอะไรรอบตัวได้ง่ายๆป้องกันการซุ่มโจมตีหรือภายในรูปแบบอื่นๆ อ, อันคาดไม่ไปไม่ถึง อันจะจู่โจมเข้าถึงตัวโดยกระทันหันชนิดป้องกันไว้ไม่ทันทั้งคู่รับคำโดยได้เดินนำเลาะลัดอยู่เบื้องหน้าสำหรับดารินนั้นถูกทำโทษชั่วคราวโดยการบางังคับให้เดินไปพร้อมกับพี่ชายใหญ่และชยยันไม่ให้ไปเดินอยู่เบื้องหน้าหรือฉีกทางค้นหาร่องรอยไปทางอื่นอีกแล้วซึ่งหล่อนก็ปฏิบัติตามโดยดีคนทางเดินอยู่บนซอกเขา สูงสงต่ำๆระหว่างซุ้มรกและไม้ใหญ่ที่ขึ้นปะปนกั้นอยู่ลําแสงแรกของตะวันเพิ่งจะทอดจับหมู่เมฆวนท้องฟ้าเท่านั้นขณะที่เริ่มการเดินทางอย่างแท้จริงนับเป็นการเดินกันเช้าตรู่ที่สุดนับแต่ออกเดินทางมานั้นอินนั้นมีสีหน้าแปลกๆชงนใจอยู่ตลอดเวลาขณะที่แกนนาตัดทางไปนั้นอนุชาอ่านออกมองถามด้วยสายตา แกก็กระซิบบอกว่านายระพินเลือกทางเดินจากยอดศักดิ์ำไปห้วยเสือร้องแปลกมากแกรู้เส้นทางดีอยู่แล้วน่าจะเลือกทางเดินไปในเส้นทางเดียวกับนานนินที่นาอยู่นี่แหละแต่แกกลับไปเดินอ้อมเสียทางอื่นการเดินแบบนี้ไม่น่าจะเป็นการเดินของนายรพินเลยพูดให้ชัดสิลุงอินหมายความว่ายังไงพรานครูพูดเท่าอื้องไปครู่ สายตาที่แก่ชราเสียจนกลับมาเป็นสายตาของคนในวัยหนุ่มอีกครั้งรองการเวลามองสำรวจไปรอบๆตัวอย่างคมวัยก็แปลว่าน่าสงสัยว่าขบวนของพวกที่ไปยังห้วยเสือร้องไม่น่าจะนำทางโดยนายรพินน่ะสิแกอาจแยกไปทางไหนใชก่อนชั่วคราวแล้วปล่อยให้ไอพราณสี่ตัวนั่นนำคณะเจ้านายานาเดินไปเองก็ได้ คงนัดแนะมีจุดนัดพบกันที่ห้วยเสือร้องทีหลังถ้านายรพินนาเองต้องนํามาทางนี้แน่แล้วลุงว่ารพินจะแยกไปไหนใครจะรู้แกตอบสั้นๆทางนี้เสี่ยงเดินลําบากกว่ากระมังเป็นไปได้ไหมทางไหนๆมันก็ลําบากและเสี่ยง พ, พอๆกันทั้งนั้นแหละปราณชดคนคมวัยในเรื่องเส้นทางในป่าและอ่านเหตุการณ์ได้แม่นยาำราวกับตาเห็นนอกจากตัวรพินเองแล้ว เท่าที่อนุชาวราริ์จะรู้จักได้ก็คือพรานเท่าคู่ใจของเขานันอินคนนี้เท่านั้นเพราะถ้าแกสอบแววชะงนถึงกับเปรยให้ฟังออกมาแบบนี้ก็เห็นจะผิดยากมันเป็นสัญชาตญาณพิเศษของพรานผู้เจนป่าชั้นบรมครูทุกคนอันบุคคลที่ยังไม่ถึงชั้นนี้ไม่สามารถที่จะค้นหาได้รวมทั้งไม่รู้ที่มาได้ว่าพรานชั้นยอดเหล่านี้ล่วงรู้ได้อย่างไร มันน่าจะเป็นสาสตร์ลี้ลับอีกชนิดหนึ่งซึ่งตัวเขาเองแม้จะบุกป่าฝ่าดงมากับนานอินเป็นเวลานานก็ยังไม่ล่วงเข้าไปถึงขั้นนั้นได้รหัสหรือร่องรอยชี้เหตุในป่า ม, มันเป็นสาสตร์ที่เร้นลึกนะักระยะเวลาของชั่วโมงบินเท่านั้นที่จะทําให้ล่วงรู้ได้อนุชาเองก็ไม่ใช่คนพูดมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นการตั้งข้อสังเกตข้อนี้ของนานอินที่หารือกันเองเงียบๆโดยเฉพาะ จึงไม่ได้ให้ล่วงรู้ไปถึงเชษฐาดารินและชายันเพราะเห็นว่ายังไม่จาเป็นเอาไว้ถึงห้วยเสือร้องเสียก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกระจ่างแจ้งออกมาเองรวมทั้งข้อสงสัยของนานอินด้วยที่ว่าการเคลื่อนขบวนลงจากยอดสักดำของฝ่ายนายจ้างอเมริกันนั้นระพินเป็นผู้นำทางไปหรือว่าให้คนอื่นนาและตนเองแยกไปไหนในเวลาระหว่างนั้น ไม่มีเสียงกระดึงจากเจ้าด้วนแววมาให้ได้ยินไม่มีร่องรอยว่ามันจะเดินตามมาหรือเดินนำล่วงไปเบื้องหน้าในเส้นทางเดียวกันแต่ดารินวราริศเคยชินกับสัญชาตญาณของช้างป่าผู้เป็นมิตรสนิทกับหล่อนได้ดีแล้วแม้จะคอยเป็นห่วงกังวลอยู่ในใจแต่หล่อนก็ไม่ปริปาพูดบนอะไรออกมามันคงจะแยกทางไปหากินหรือไปตามธรรมชาติวิสัยจำเป็นของมันเอง แต่ก็เชื่อมั่นว่าไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องปรากฏตัวให้เห็นอีจนได้ไม่ว่าจะเคลื่อนกันไปที่ไหนเรื่องจะหลงพลัดหรือหายไปเลยยอมเป็นไปไม่ได้สำหรับเจ้าด้วนคู่บารมีของหล่อนเว้นแต่ประการเดียวคือมันไปประสบเคราะห์วิบัตถึงแก่บาดเจ็บจนเดินไม่ไหวหรือล้มตายลงเสียก่อนเท่านั้น ทุกคนของคณะฝ่ายเดินทางค้นหาตำแหน่งตกของ B-52 ตื่นขึ้นมาในเช้าวันนี้ด้วยบรรยากาศที่ตึงเครียดคอแห้งผากเป็นผงระขาดน้ำและหมดเสบียงเหนือยอดทางด้านซ้ายของภูเขารูปนอกอินซีนั้นเพื่อเป็นการลดน้ำหนักในการแบกหามและพิสูจน์้เห็นถึงความเป็นตายร่วมกันโดยไม่มีการกำหนดขีดขั้นว่าใครจะเป็นฝ่ายลูกจ้างหรือนายจ้างดรสแตนลีย์ สั่งให้เอาเครื่องเรซอนของพวกตนเท่าที่เหลืออยู่เพียงจำกัดแจกจ่ายไปยังบรรดาพวกพรานและลูกหาบ พ, พอประทังชีวิตในทันทีพร้อมทั้งให้ตรวจเพื่อแจกน้ำเคมีอันสกัดเป็นเม็ดไว้อย่างเป็นทางการประจำตัวไว้ทุกคนหากว่าเมื่อบ่ายวันวานนี้ยังมีใครที่ยังไม่ได้รับกันทั่วถึงราพินผู้ตื่นเป็นคนแรกและลงไปสารวจที่บ่อโครนตามลำพังเพิ่งจะกลับขึ้นมา ได้รับรายงานจากคนของเขาว่าพวกนายห้างสั่งให้แจกสเสบียงเขาก็ตรงเข้าไปทันทีพวกเรชนผมคิดว่าเก็บไว้สำหรับพวกคุณจะดีกว่ากระมังครับอดอาหารเพียงมื้อเดียวคนของผมไม่เป็นอะไรหรอกเรากะไว้ว่าวันนี้จะต้องหาเนื้อสดและอาหารจากเส้นทางเดินให้ได้มันสำคัญแค่ตัวยาเคมีที่จะช่วยบรรเทาความกระหายน้าเท่านั้นพวกนี้อดอาหารได้ทนกว่าการอดน้าอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไป เอาเมริกันอาวุโสโบกมือพร้อมกับโยนซุปกับเนื้อกระป๋องมาให้เขาระพินจำเป็นต้องช่วยรับไว้ก่อนจะตกดินเอาส่วนของคุณไปทุกคนมีความจำเป็นเท่ากันทั้งนั้นแหละระพินถ้าพวกเรายังไม่อดพวกนั้นก็ยังไม่อดมีอยู่แค่ไหนก็แบ่งกันไปตามส่วนสัตว์แค่นั้นอย่างน้อยต่อให้ไม่ได้อาหารมาเพิ่มเติมเลย พวกเราทั้งหมดจะประทังตายไปได้ไม่ต่ำกว่าอีก48ชั่วโมงพวกเขาแบกสเสบียงกระป๋องพวกนี้กันหนักมาตลอดแล้วเฉพาะเพื่อกระเพาะของเราเท่านั้นต่อไปนี้เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะใช้ประโยชน์จากมันบ้างในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะหมดนี่แหละสแตนลีย์พูดอย่างอารมณ์ดีซ่อนแบลกังวลไว้อย่างมิชิดบัดนี้ทั้งกลุ่มของฝ่ายนายจ้างเข้ามารวมตัวกันอยู่พร้อมแล้วรวมทั้งเบล ซึ่งไปขออาศัยนอนอยู่กับฝ่ายเขาด้วยเมื่อคืนนี้หลอนกำลังมีภาระยุ่งอยู่กับการเก็บของร่วมกับคริสติน่าและดูจะซุบซิปสนทนากันเองดีเหมือนเดิมไม่มีวี่แววว่าจะบาดหมางคุนเคืองกินในอะไรกันทั้งสิน้นส่วนคีดก็กำลังหน้านิ้วคิ้วขโมดอยู่กับเครื่องรับส่งวิทยุเครื่องใหญ่ที่ใช้ติดต่อกับศูนย์ควบคุมปฏิบัติการเฉพาะกิจสังเกตดูอาการไม่สบายใจเห็นชัด สบดอูอีกระแทกทุกเครื่องมืออันความจริงก็สร้างโดยเทคโนโลยีที่จเจริญก้าวหน้าขีดสุด ข, ของบนุรยชาติอยู่เสียงปึงปังพรานใหญ่รู้ได้ทันทีว่าวิทยุเครื่องนั้นเริ่มรวนทำงานไม่ได้ตามเจตนาซะแล้วซึ่งมันเริ่มเกิดขึ้นทีและบ่อยขึ้นทุกทีนับวันเวลาที่ห่างจุดเริ่มต้นออกมาเชิญวุดกําลังช่วยเปิดโนนปิดนี่ด้วยอีกคนทั้งท้ที่ครั้งแรกนั้น ฝ่ายไทยทุกคนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใกล้วิทยุรับส่งเครื่องนั้นเลยเมื่อเขามองไปทางด้านนั้นพบกับสายตาเชิดวุธซึ่งมือช่วยคิดแต่ตามองมาสบเขาเหมือนจะคอยอยู่แล้วนายทหารหนุ่มทำอาการเบ้ปากนิดหนึ่งเชิงบอกให้ทราบว่าไอ้วิทยุชั้นดีที่คุยว่าสามารถรับส่งจนถึงดาวเทียมหรือโลกอื่นได้นั้นถ้าหากว่าโลกนั้นนั้นมีคลื่นวิทยุรับส่งตอบนะ บัตรนี้มันกลายเป็นของเด็กเล่นไปเส็แล้วถ้าได้ยินก็ตอบลงมาสิเรียกอยู่ตั้ง10กว่านาทีแล้วเขาได้ยินคิดพรุษวาดออกมาในทํานองนั้นท่าทางนายพันเอกผู้เชี่ยวชาญทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สื่อสารโทรค ม, มานาคมแห่ง US a r ส y เป็นเดือดเป็นแครนยิ่งนักที่ไม่ได้ยินเสียงใดๆแววออกมาจา ก, กลาโพงของวิทยุเครื่องนั้นเลย แม้แต่คลื่นอากาศสักโครกมันเงียบหายไปเฉยๆเป็นเป่าซากทั้งที่สัญญาณไฟทุกดวงและจุดตรวจสอบทุกจุดบอกชัดว่าเครื่องยังอยู่ในภาวะทำงานได้ปกติไม่เห็นว่ามีอะไรชำรุดสึกหรอไปเลยระพยนยินมองดูอยู่เงียบๆไม่เอ่ยอะไรสแตนลีบอกมาด้วยเสียงหัวเราะเรื่อยๆของเขาว่าไม่มีเสียงติดต่อลงมาเลย และคิดพยายามเป็นฝ่ายติดต่อไปแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับพิดกับเมื่อวานนี้แม้จะไม่ชัดนักก็ยังพอฟังได้บ้างสงสัยว่าคณะของเราจะขาดลอยจากขอควบคุมซะแล้วอย่าเพิ่งหมดหวังในเรื่องนี้ครับผมคิดว่ามันสุดแล้วแต่สถานที่และเวลามากกว่าช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เราเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆเราอาจติดต่อกับเขาได้อีกก็ได้ สำหรับข้างบนคงไม่มีปัญหาเชื่อว่าเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องพยายามติดต่อกับเราอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าอีก24ชั่วโมงข้างหน้าเรายังติดต่อกับพอควบคุมไม่ได้ก็แปลว่าฝ่ายเราขาดลอยและอยู่ในภาวะแทงบัญชีจำหน่ายสูนจากรัฐบาลสหรัฐแล้วคิดบอกออกมาอย่างเผลอตัวเดี๋ยวนี้เหตุการณ์จำเป็นบีบคั้นต่างๆมันทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างของฝ่ายนั้นซึ่งตามปกติ ถือเป็นความลับสุดยอดเริ่มจะค่อยๆเปิดเผยออกมาระพินไพรวันซ่อนยิ้มอยู่ภายใต้สีหน้าขรึมสงบปกติของเขานึกอยู่ในใจว่าอันว่าเครื่องไม้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของพวกนายที่คุยโอบ ก, กันนักว่ามันสุดแสนจะวิเศษมันจะไปได้สักกี่น้ำในดินแดนมหัศจรรย์นอกเหนือการสำรวจพบแหล่งนี้ถ้าเครื่องมือของพวกนายมันวิเศษจริงเหนือกว่าสิ่งอาถรรพ์ที่มันเหนือโลก พวกนายก็คงจะไม่มาเคี่ยวเข็นว่าจ้างเชิงบีบบางคำให้ฉันต้องนำทางมาในครั้งนี้หรอกนี่ก็แปลว่าเบื้องสูงของฝ่ายนายทุกคนก็คำนึงถึงหลักเกณฑ์นในข้อนี้อยู่แล้วเหมือนกันจึงตกลงใจค้นหาทางภาคพื้นดินแทนที่จะค้นหาทางอากาศยานแต่เขาก็ไม่พูดออกมาได้แต่นึกยิ้มยันมีคำสั่งหรือข้อแนะนาอะไรกันไว้ก่อนหรือไม่ครับ ก่อนที่พวกคุณจะมาปฏิบัติการในครั้งนี้ผมหมายถึงว่าถ้าวิทยุคเครื่องนั้นอันจัดว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในระหว่างพวกคุณกับหอควบคุมเกิดขัดข้องใช้งานไม่ได้ขึ้นมาเขาให้พวกคุณแก้ไขเหตุการณ์อย่างไรคําถามชนิดนี้ถ้าเป็นสมัยยุคเริ่มต้นออกเดินทางเขาจะถูกพิจารณาไปว่าพยายามสืบล้วงความลับแน่แต่ในภาวะเช่นนี้ ฝ่ายอเมริกันทุกคนไม่ได้ฟังไปในความหมายเช่นนั้นแต่ฟังเป็นคำปรึกษาหารือยอย่างเต็มใจเสียมากกว่าเหตุการณ์มันบีบบังคับให้เข้ามาสู่ความเป็นกันเองโดยอัตโนมัติก็ไม่มีคำสั่หรือข้อนัดแนะอะไรเป็นพิเศษในเรื่องนี้ทางด้านหน่วยเหนือของเราไม่เคยมีความคิดว่าเครื่องมือใดๆของเราจะเกิดชำรุดขึ้นเพราะอุปกรณ์การแก้ไขอะไรทุกชนิดก็มีเตรียมสำรองมาพร้อมอยู่แล้ว ผู้ตอบคือดร์สแตนลีย์หัวหน้าคณะเองตรวจสอบดูแน่นอนแล้วหรือเคเนลคิตจากการขนย้ายอาจมีการกระทบกระเทือนทำให้อุปกรณ์สำคัญบางชนิดเสียหายชำรุดไปถ้าค้นให้ละเอียดคุณอาจพบได้และซ่อมหรือเปลี่ยนเสียมันก็น่าจะใช้การได้ตามเดิมเขาแสดงความเห็นใจอย่างเต็มที่ซึ่งก็ไม่ได้เสแสร้งอะไรในคิตโครงหัวดิแทบจะแกะถอดมันออกมาตรวจ ด, ดูทุกชิ้นแล้ว เครื่องมือตรวจสอบนี่ก็มีนายนั่นกระชากเสียงพร้อมทั้งชูงเครื่องตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ดูทุกส่วนของมันแม้แต่ตัวไมโครทานซิสเตอร์ขนาดเล็กกว่าหนวดกุ้งก็ไม่มีตัวไหนแสดงอาการชำรุดเลยแต่มันไม่ทำงานตรงข้ามวิทยุมือถือแต่ละเครื่องของพวกเรานี้ดันใช้ติดต่อกันเองได้อยู่ น, นั่นเป็นเรื่องแปลกมหัศจรรย์ที่แสดงอาการขัดแย้งชัด ระพินทดลองเอาเครื่องของเขาที่ได้รับมอบไว้และขณะ น, นี้ส่วนมากก็เน็บติดเอลอยู่ตลอดเวลาออกมากดคีย์เสียงสัญญาณกดคีย์ของเขาแว่วดังโครกคราเข้าไปยังเครื่องอื่นๆของพรกคพวกซึ่งอยู่ใกล้ๆ ก, กันทุกคนสุดแต่ว่าใครจะเปิดไว้เขาเลิกคิ้วขึ้นนิดหนึ่งกล่าวเป็นเชิงสัพยอคว่าถ้างั้นก็น่าจะแสดงว่าพระเจ้ายัางให้พวกเราสามารถติดต่อใกล้ชิดกันเหมือนเดิม แต่ท่านตัดเฉพาะพวกคุณออกจากโลกภายนอกหรือจากความควบคุมของหอบังคับการเสียแล้วกระมังตลกคลาสสิกที่พวกเราขันไม่ออกหรอกนะคริสติน่าเอ่ยแทกขึ้นมาลอยลอยสะบัดหน้าจากหีพอสัมภาระจนเส้นผมงามปลิวกระจายกลับมามองหน้าเขาจอมพรานหือหือในลำคอ แต่ผมว่าเป็นเรียลลิสติกเสยมากกว่าหรือบางทีก็เคล้าไปกับโรแมนติกด้วยทุกท่านบอกกับผมได้ไหมครับว่าถ้าปราชจากวิทยุติดต่ อ, อ ก, กับหอควบคุมของพวกคุณเครื่องนั้นแล้วการเดินทางจะมีอุปสรรคอะไรขัดข้องไหมทุกคนนิ่งเงียบกันไปหมดภายหลังการไตร่ตรองหนักอยู่ครู่อเมริกันอาวุโสก็กล่าวครึ้มคมขึ้นว่า วิทยุเครื่องนี้เราอ่านความรู้สึกของคุณออกมาแต่แรกแล้วภายวันว่าคุณไม่สู้จะพอใจนะักเพราะมันหมายถึงว่าเราสามารถจะรายงานผลติดต่อกับฝ่ายเราเองได้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะนําเคลื่อนย้ายไปที่ไหนและถ้าจําเป็นก็อาจเรียกกําลังบำรุงกําลังช่วยเหลือให้ส่งมาช่วยได้ทันการและถ้าหากพวกเรามีแผนการสกรปรกอะไรกับฝ่ายคุณภัยอันตรายมันก็อาจเกิดขึ้นกับฝ่ายพวกคุณได้เพราะคล้ายๆกับว่า เรามีกําลังที่เหนือกว่าพร้อมอยู่ในมือตลอดเวลานี่เราพูดในเรื่องความจริงกันก่อนถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายพอคุณต้องยอมรับในข้อนี้ถูกต้องไหมราพินก็ไม่คิดเหมือนกันว่าส t a ลลี่จะพูดอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้ทำเอาเขางานไปเช่นกันแล้วก็พยักหน้ารับถูกต้องมันเป็นสิทธิที่ผมควรจะหวาดระแวงได้เมื่อผมทางานกับพวก CIA ในแผนงานใหญ่และรับสุดยอดชนิดนี้แต่พวกคุณก็ย่อมจะเห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าผมไม่ได้มีแผนการที่จะกลั่นแกล้งหรือทําลายเครื่องมือติดต่อของคุณให้สิ้นสภาพไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเองอย่างที่พวกคุณก็เห็นอยู่ทุกระยะแล้วเขาก็พูดตรงๆเช่นกันเรื่องนี้เราทราบและยังนึกคาระวาในน้ำใจลูกผู้ชายอีกส่วนหนึ่งของคุณโดยเฉพาะในด้านนี้อยู่ตลอดเวลาสแตนลีย์พูดนี่ยังแมน ในประดาความจริงใจทั้งหมดที่เรามีต่อกันมาแล้วก็ขอให้มีความจริงใจอีกชนิดหนึ่งมาเปิดเผยกันอย่างให้หมดเปลือกหมดเงื่อนงำเสียทีฝ่ายผมก็จะได้สบายใจถ้าเท่ากับที่ฝ่ายคุณก็จะได้สบายใจเหมือนกันขอเวลาสักสองถึงสนาทีได้ไหมว่าไปครับดรระพินหย่อนกายลงนั่งบนแง่หินเตียเต้ยๆเบื้องหน้าของกลุ่มนายจ้างเขาดวงตาคมกริบในกระบอกลึกมองไปยังทุกคน เขาหน้ากระด้างเฉียบเย็นเป็นมันละเลือมราวกับอาบไว้ด้วยไขยมันวิทยุรับส่งเครื่องนี้จริงอยู่คนฉลาดและผ่านยุทธวิธีตลอดจนงานของสายรับจารกรรมมาแล้วอย่างคุณย่อมจะต้องไม่พอใจแน่แล้วคอยเฝ้าจับตาพิจารณามันอยู่ด้วยความไม่สบายใจตลอดเวลาเพราะอย่างที่เข้าใจกันดีแล้วว่ามันหมายถึงเครื่องมือสื่อสารสาคัญที่เราจะติดต่อกับหน่วยเนื้อของเราได้ ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตําบลไหนในป่าใหญ่นี้ความไม่สะดวใจของพวกคุณหรือจะพูดให้ตรงก็คือตัวคุณเองนั่นแหละย่อมมีอยู่ในข้อเดียวเท่านั้นเพราะระแวงว่าเราจะหักหลังแต่ถ้าหากคุณขจัดความระแวงข้อนี้ออกไปเสียให้ได้อย่างสนิทคุณคิดไม่ว่ามันจะช่วยพวกเราทุกคนได้อย่างมากมายหลายประการเช่นก<ไ>ารส่งกําลังบํารุงซึ่งแน่ละ่ะ บางขณะเราก็ต้องขาดอะไรเข้าบ้างอาจจะต้องได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างเช่นในขณะ น, นี้พวกภัยฉุกเฉินที่ต้องช่วยชีวิตด่วนอีกประการหนึ่งสมมุติว่าเราไปพบกับตําแหน่งตกของเครื่องและพบระเบิดลูกนั้นเข้าแล้วเราก็จําเป็นอย่างที่สุดที่จะต้องรายงานให้เข้าทราบตําแหน่งเพื่อส่งกําลังมากู้นําขึ้นไปทางอากาศมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะช่วยกันแบกระเบิดนิวเคลียร์ ขนาด1ิเมกะตันเดินกลับออกมาเหมือนแบกเก้งกวางสักตัวหนึ่งและประการสำคัญที่สุดฟังพร้อมทั้งไตรตรองให้ดีนะไรวันประการสำคัญที่สุดนั้นก็คือธทววิทยุเครื่องนี้ยังสามารถใช้การอยู่ได้เราทั้งหมดหมายถึงทั้งฝ่ายผมและฝ่ายคุณจะไม่ถึงกับอับจนหรือสาบสูญไปจากโลกนี้ระหอควบคุมจะรู้เห็นตลอดเวลาว่าเราอยู่ที่ไหน การจะได้ระเบิด ก, กลับคืนไปหรือไม่ยังเป็นเรื่องรองลงไปแต่ชีวิตของพวกเราทุกคนปลอดภัยแน่ถ้าหากว่าเราเกิดหลงหรือกําลังจะตายเข้าตาจนจ ร, จริงๆหน่วยเหนือจะส่งกําลังมาทางอากาศและช่วยเหลือเราได้ทันภายในเวลาเพียงไม่เกินครึ่งชั่วโมงนับตั้งแต่เขรู้ตําแหน่งแน่นอนของเราการลำเลียงกลับจะลำเลียงกลับทางอากาศทันทีถ้าจําเป็นนี่คือความจริงที่ผมเปิดเผยกับคุณ โดยไม่คิดว่าจะต้องเปิดเผยมาก่อนเพราะผมไว้วางใจคุณสนิทแล้วแต่คุณสิยังไม่ไว้วางใจฝ่ายผมจอมพลานส่งมือไปให้หัวหน้าฝ่ายอเมริกันจับบีบโดยแรงขอบคุณเท่ความไว้วางใจและให้ความจริงกับผมในเรื่องนี้แต่ถึงคุณไม่บอกผมก็พอจะเดาจากรูปการเพราะพวกคุณจะไม่เสี่ยงกันโดยปราศจากหลักเกณฑ์รอ วาระสุดท้ายจริงๆค้นพบหรือไม่พบซากเครื่องบินตกกู้ระเบิดได้สำเร็จหรือไม่พวกคุณก็จะต้องได้กลับอย่างสะดวกสบายวันยังค่ำหากไม่เกิดอุปัรวคเหตุร้ายแรงอะไรขึ้นเสก่อนระหว่างการเดินทางแต่ผมก็ไม่เคยบอกไว้ก่อนหรือว่าบางสิ่งบางอย่างในโลกพระเคราะห์ใบนี้มันก็ไม่เป็นไปตามทฤษฎีหรือหลักเกณฑ์ทุกครั้งไปหรอก ใช่คุณเคยบอกและเรากำลังเผชิญอยู่นี่แล้วในหลายๆกรณีสแตนลีย์ยอมรับเครียด เ, เอางี้ดีกว่าด็อกเตอร์เขาเอื้อมือมาเอานิ้วไปสกิดข่าวอเมริกันอาวุโสหัวหน้าคณะจ้องประสานตาไม่กระพริบพวกคุณอย่าเพิ่งไปกังวลสนใจกับวิทยุเครื่องนั้นก่อนเลยเราจะนำมันติดตัวพวกเราไปด้วยอาการประคับประคองเหมือนเดิม มันอาจใช้งานขึ้นมาได้เมื่อไหร่หรือใช้งานไม่ได้ตลอดไปเราก็จะนำติดตัวไปได้เสมอไม่จำเป็นต้องทิ้งมันเพราะลูกหามของเรามีพอที่จะให้การประครับประคองดูแลมันได้ตลอดไปว่าแต่พวกคุณคิดจะเดินทางต่อไปอีกหรือเปล่ า, ถ, าถ้าวิทยุเครื่องนั้นใช้ไม่ได้ภายใต้าการนำของคุณไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะต้องถอยกลับจนกว่าจะจนปัญญา ห ม, หมดความสามารถจริงๆแล้วจากคุณและพวกเราทุกคนหัวหน้าคณะกล่าวช้าๆและหนักแน่นระพินดีดนิ้วโดยแรงนี่สิผมต้องการนายจ้างหรือผู้ร่วมทางที่ใจเด็ดอย่างนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่วิทยุแต่มันอยู่ที่คนนำทางถ้าวิทยุมันสามารถบ่งการชี้นาพวกคุณได้พวกคุณก็คงไม่ต้องลากโครงผมมารอมันใช้ได้เมื่อไหร่เราก็ใช้ประโยชน์จากมันเมื่อนั้น ถ้าใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องงุดงิดอะไรกับมันผมเป็นคนนำทางอยู่แล้วไม่ใช่วิทยุเครื่องนั้นเป็นผู้นำหรือทุกคนมีความเห็นอย่างไรโปรดบอกให้ผมทราบด้วยเขามองกราดไปยังคีตอิสซาเบลและคริสติน่าจนครบฝ่ายอเมริกันเหมือนจะอ่านใจไม่มีใครขลาดหรือท้อแท้ถึงจะคิดกลับรอกใครวันผมตอบแทนให้ได้สแตนลีย์พูดเบาแต่เฉียบขาด คิดขยับตัวเข้ามาใกล้ส่งมือให้จับและเขย่าโดยแรงพูดสั้นๆแต่เพียงว่า you are great คราวนี้พรานใหญ่คำเหมงจ้องเจาะจงไปยังสองสาวโดยเฉพาะเบลยิ้มบอกเรื่อยๆมาว่าดีเหมือนกันฉันเองเมื่อเด็กๆก็เคยฝันไว้ว่าอยากจะเป็น Alice in the wonderful land ฝันมานานแล้วขอไปด้วยคนนะหมายถึงเดินทางต่อ ส่วนคริสติน่าไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่โยนผ้าขุนหนูเล็กๆสีชมพูสะอาดผืนหนึ่งมาให้เขาพร้อมกับบอกเรียบเรียบว่าหน้าคุณตอนนี้เหมือนหินบนหลุมฝังศพที่ใครเอาน้ามันไปฉโลมไว้ใกล้เคียงกับไอพววผีดิบมันตรายเต็มทีแล้วเช็ดเสียผ้าผืนนั้นรับรองว่าสะอาดและใหม่เอี่ยมยังไม่เคยใช้แล้วพินยิ้มออกมานิดหนึ่งรับผ้ามาพับเรียบร้อยใส่เป้หลังเขาไว้ แล้วใช้ผ้าเข่ามาที่เคียนพุงอยู่เช็ดใบหน้าแรงๆคนสุดท้ายที่เขาพูดด้วยกันคือเชิดวุดคุณวุฒมติที่ประชุมลงความเห็นเช่นนี้คือไม่มีการถอยกลับเอากับเขาด้วยนะครับเกิดมาชีวิตหนึ่งอย่างมากที่สุดมันก็แค่ตายเท่านั้นจะตายกลางพงไพรหรือจะตายบนฟูกมันก็ตายเหมือนกันและการผจญภัยในครั้งนี้เป็นกาไรของชีวิตที่ราคาแพงที่สุด จะซื้อหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วถ้าคุณรอดกลับไปได้คุณจะมีเรื่องเล่าให้ลูกหลานฟังไม่มีวันจบสิน้นเชิร์วุฒหัวรอกกากถึงไหนถึงกันยันปากมดลูกเลยพี่จะตายทั้งทีก็ขอให้ตายบนอกข อ, อย่าตกน้ำตายก็แล้วกันอายมัจฉาอารมณ์คนองยังมีในเด็กหนุ่มลูกชายในคนเต็มที่และอดที่จะโลดเล่นด้วยวาจาไม่ได้ มันพิสูจน์ใหเห็นว่าเขาไม่ยันอะไรเลยตราบใดก็ตามที่ยังมีระพินเป็นคนนำทางและมีแม่ผมแดงและผมทองรูปร่างยั่วกิเลตกันไปคนละแบบร่วมเดินทางสร้างความครื้มอารมณ์เขาอยู่ด้วยเช่นนี้ระพินไม่สนใจอะไรกับความขนองปากของเชิดวุธท้ายประโยคประกาศกับทุกคนของฝ่ายนายจ้างว่าถ้างั้นหมดปัญหาแปลว่าวิทยุจะใช้ได้หรือไม่เราก็จะเดินทางสืบค้นหาตาแหน่งตกต่อไป ตามแผนที่ทางอากาศที่ฝ่ายคุณทำมาให้ดูคร่าวๆนี่ผมแน่ใจว่าเราหน่าจะได้ระแคะระคาอะไรบ้างแน่ๆส่วนจะกู้ระเบิดคืนไปได้หรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งขอทราบอีกนิดเดียวเท่านั้นการติดต่อครั้งสุดท้ายที่ว่าพอรับฟังได้แต่ไม่สู้จะถนัดนักเมื่อไรครับเช้าวานหรือหัวค่ำเมื่อคืนที่แล้วคิดมองดูเครื่องวิทยุชั้นดีที่สุดของโลกทมปากปืด หัวข่่มที่แล้วที่คุณบอกว่าข้างบนค้นหาพิกัดแน่นอนของเราไม่ได้นะหรือใช่และถ้ายิ่งเดินทางไกลออกไปเช่นไรและยังติดต่อวิทยุไม่ได้นานเท่าไหร่เราก็จะออกพ้นจากความรู้เห็นของเขาไปเท่านั้นอันนี้อาจเป็นวิชาการทางเทคนิคโดยเฉพาะนะถ้าพวกคุณตอบได้ก็ตอบถ้าเห็นว่าเป็นความลับไม่ต้องตอบก็ได้ระพินบีบบงให้แคบเข้าไปอีกในด้านล้วงความลับ โดยอาศัยเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องช่วยผมอยากทราบประดับความรู้ว่าฝ่ายคั่วคุมมีเครื่องมือพิเศษอะไรอีกหรือเปล่าที่จะทำให้ทราบพิกัดของฝ่ายคุณที่อยู่ข้างล่างได้ผมไม่เชื่อว่าเฉพาะเพียงแค่ติดต่อทางวิทยุ บ, บอกให้รู้กันโดยแผนที่อันประกอบด้วยเส้นและเส้นลองมันจะทาให้ข้างบนรู้ตาแหน่งแน่นอนของพวกคุณได้เลย และตลอดเวลาเขาก็เช็คทราบมาได้ทุกกระยะว่าพวกคุณอยู่ที่ไหนครั้นแลจูจ่ๆเขาก็บอกว่าค้นหาตำแหน่งไม่พบแล้วความเงียบปกกลุ่มไปชั่วขณะในบรรดาทุกคนของฝ่ายนายจ้างอเมริกันของเขาและดูเหมือนทั้งกลุ่มนั่นจะหยุดนิ่งยุติการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นประมาณหนึ่งอึดใจที่สุดหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นขณะที่ป้ายหลังแขนเช็ดหน้าผากที่เป็นริ้วรอย และขนาดนั้นเองคริสติน่าก็แทรกขึ้นในทันทีว่าอาจารย์คะสิ่งที่สำคัญที่สุดเราควรจะพูดถึงกันในขณะนี้ก็คือแผนเดินทางต่ออันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้ามักคู่เทค่ควรจะบอกกับเราว่าวันนี้เขาจะนำทางเราไปในทางด้านทิศไหนนั่นเป็นการตัดบทเปลี่ยนเรื่องอย่างกระทันหัน ระพินไรวันเรียนเสียงดรสแตนลีย์ด้วยคาอุทานคำเดียวกันพร้อมกับลุกขึ้นยืนด้วยอาการปกติธรรมดาของเขาทางด้านมากคุเทศพร้อมแล้วครับมิสกรูบิลผมให้เวลาพวกคุณอีกสนาทีสำหรับจัดเตรียมเคลื่อนย้ายจะไต่เรียบลงจากยอดปีของภูเขาลูกนี้แล้วหาทางลงโดยบ่ายหน้าขึ้นเหนือเฉียงตะวันตก25าดี กลาจบเขาขยับปีกโบกให้แก่ทุกคนแล้วพราดเดินไปวงการกับพวกลูกหาบและพรานของเขาซึ่งกำลังเข้าประจำที่เตรียมแบกหามเคลื่อนย้ายอาการราบเรียบปกติเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยเก็บความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างไว้อย่างมิดชิดพอร่างของจอมพรานพระห่างออกไปฝ่ายอเมริกันทุกคนหันมามองหน้ากันเองอีกครั้งรวมทั้งเชิดวุฒโดยเฉพาะนายพันตรีแห่งกองทัพ บ, บกไทยสีหน้าตึงเครียด จ้องคริสติน่าเขม็งสายตาของคอสแสดงความไม่สบอารมณ์ชัดแต่ก็ไม่ปริปราพูดคำใดเลยเช่นกันคริสนั้นหันไปเวียงเป้หลังขึ้นไหล่ปกติธรรมดาเบลมองตามหลังระพินไปพร้อมกับกัดริมฝีปากเบาๆลักษณะของแม่ผมแดงไม่ซื่อจะปลอดโปร่งสบายใจอย่างไรบอกไม่ถูกส่วนคีดกับสแตนลียังนั่งอึ้งกันอยู่เขาจะไม่พอใจหรือเปล่านี่ที่ไม่ได้รับคาตอบจากเรา หัวหน้าคณะเปลยขึ้นเบาๆอุบอิบรู้สึกไม่สบายใจเช่นกันแต่คริสบอกกับด้วยสีหน้าอาการปกติว่าเขาควรจะรู้หน้าที่ของเขาได้ดีว่าอยู่ในขอบข่ายอย่างไรแค่ไหนรีบกันเถอคะค่ะอา จ, จารย์นายคนนั้นให้เวลาเราไว้แค่สามนาทีเท่านั้นและถ้าทายไม่ผิดเขาจะไม่ย้อนกลับมาที่นี่อีกแต่จะส่งสัญญาณให้เราเดินตาพวกเขาลงไปทันทีถ้าพวกลูกหาพร้อมคิด เก็บวิทยุของเราเครื่องนั้นได้แล้วประเดี๋ยวฉันจะเรียกอูธานและพาโต้ให้เข้ามาทำหน้าที่แบกหามไปบรรจุลงหีบห่อให้มั่นคงปลอดภัยที่สุดแต่ระหว่างทางฉันจะคอยระวังการเคลื่อนย้ายนำพาของวิทยุเครื่องนี้โดยคุมสองคนนั่นไว้เองด o ต t ทอร์สตลลีเชิร์ดวูดกล่าวขึ้นด้วยเสียงห้าวลึกจริงจังผมช่างสงสัยเสียแล้วว่าใครเป็นหัวหน้าคณะในการเดินทางครั้งนี้กันแน่ คุณหรือว่าคริสติน่าทำไมคริสหันขวับมาถามด้วยเสียงห้วนกระด้างพอกันขนาดนี้ดูหล่อนแข็งกร้าวยิ่งนะนายนฐานหนุ่มไม่ตอบอะไรลุกขึ้นโดยเร็วแล้วว่าเอาละสำหรับผมพร้อมแล้วพวกคุณจัดเตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันแล้วน่าจะไปไหนแม่ผมทองร้องถามมาทันทีเมื่อเห็นเชิดวุธเก้าวออกเดินจะตรงไปยังระพินซึ่งกาลังสั่งงานอยู่ในกลุ่มคนของเขา ผมมาด้วยในครั้งนี้ผมก็มีหน้าที่ของผมโดยเฉพาะเหมือนกันเชิดวุฒิตอบกราบตาที่มองประสานหล่อนเป็นประกายวาวจ้าและหน้าที่ของผมก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานเป็นกันชนเป็นตัวเชื่อมกลางระหว่างคณะกรรมาธิกานนทางกับฝ่ายพวกคุณทุกคนเพราะฉะนั้นคุณก็อย่ามายุ่งอะไรกับหน้าที่ของผมจบคําพูดแค่นั้นเชิญวุฒสะบัดหน้าเดินดุมๆตรงเข้าไปที่รพินทันที ขนาด น, นั้นจอมพรานกำลังยืนคลี่แผนที่ออกดูเป็นครั้งสุดท้ายเงิยขึ้นสังเกตดวงตะวันแล้วพับแผนที่นั้นเข้ากระเป๋าเสื้อพอหันกลับมาก็เห็นเชิดวุธมาหยุดยืนอยู่ใกล้ๆแล้วด้วยสีหน้าเครียดๆพี่นายทหารรุ่นน้องเอ่ยขึ้นแผ่วตาไปหน้าตึงไรพินเลิกคิ้วยิ้มให้นิดหนึ่งมีอาการเหมือนจะถามเชิดวุก็กล่าวต่อมาในทันทีว่า ผมเพิ่งจะมาแน่ใจรู้ชัดเอาเดี๋ยวนี้เองว่าคนที่น่ากลัวอันตรายที่สุดและไม่น่าไว้วางใจเลยแท้ที่จริงไม่ใช่คีดไม่ใช่สแตนลีย์หรือเบลหากแต่เป็นนางรูปสวยใจเยี่ยมคนนั้นที่พี่เตือนผมไว้นะไม่มีอะไรผิดสักอย่างสุภาพบุรุษไพรยิ้มกว้างออกไปอีกหยิบกระสุนไรเฟิลในกล่องที่ถือเตรียมอยู่ก่อนแล้ว เสียเพิ่มเติมเข้าไปในรางกระสุนที่เย็บติดไว้บนอกเสื้อทั้งสองข้างทดแทนที่ขาดหายไปผมพิจารณาแต่เพียงว่าหล่อนเป็นคนเด็ดขาดมั่นคงซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และใจเด็ดกว่าทุกคนในคณะที่มาด้วยกันผู้หญิงอย่างนี้หาได้ยากครับคุณเชิดวุธหน่วยเนื้อของเขาคัดตัวมาได้อย่างไม่ผิดแล้วผมเองก็ต้องยอมรับนับถือว่าหลอนแน่จริงบอกตรงๆผมออกจะเกลียดหลอนเสแล้ว จอมพรานสันีรษะเปล่าคุณไม่ได้เกลียดรอกน้องชายแต่คุณเพียงแค่โกรธเท่านั้นที่หล่อนไม่ยอมให้หัวหน้า ง, งานของหล่อนหรือพรรคพวกทุกคนเปิดเผยความลับปกปิดของฝ่ายพวกเขาออกไปผมรู้ว่าความจริงพี่ก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรนักหรอกในเรื่องนั้นก็เพียงแค่ยังเสียงลองใจทดสอบคนพวกนั้นดูเท่านั้นแล้ว อีตัวร้ายที่น่ากลัวที่สุดก็เปิดเผยตัวเองออกมาให้พี่ทราบอย่างแน่ชัดผมเห็นขนาดสแตนลีย์ก็กำลังขยับปาดจะบอกอะไรกับพี่แล้วแต่นางน่าสกัดหน้าตัดเสก่อนหลอนโง่ ก, กว่าพี่ความจริงเรื่องที่พี่ถามนั้นเป็นเรื่องเทคนิคชั้นสูงพวกนั้นจะบอกให้เราควายเขวรหรือโกหกปิดบังยังไงก็ย่อมได้พี่ไม่มีวันรู้ได้หรอกแต่หลอนก็ใจร้อนตกใจ กลวหัวหน้างานของหลอนจะเผลอบอกความจริงที่พี่ถามออกมาเลยชิงตัดบทซะก่อนคนเรามันก็ต้องลองกันอย่างนี้แหละครับไม่งั้นเราจะแยกถูกได้อย่างไรว่าใครเป็นอย่างไรแต่ผมไม่ถือสาระเก็บมาคิดอะไรทั้งสิน้นที่แกล้งถามออกไปก็เพื่อจะดูว่าใครจะมีปฏิกิริยาเช่นไรเท่านั้นในหมู่พวกเขานี่ก็เป็นการพิสูจน์ให้คุณเห็นชัดแล้วว่า ผู้หญิงคนที่คุณลหลงใหลคิดจะผูกพันเสน่หาด้วยจนแทบจะทุ่มหมดทั้งชีวิตจิตใจหล่อนคือสตรีที่ใจเด็ดปากแทงและเฉียบขาดที่สุดต่อไปสำหรับตัวคุณเองจะได้ใช้ความระมัดระวังให้มากกว่านี้สำหรับผมน่ะไม่เป็นไรหรอกเพราะผมทันเกมแล้วก็ไม่ได้หวันไวอะไรทั้งสิน้นถือเป็นเรื่องไร้สาระอ่ออย่าเพิ่งพูดอะไรนะครับกาลังเดินตรงเข้ามาแล้ว เชิดวุฒิำเรืองกลับก็เห็นคริสติน่าในชุดที่พร้อมจะออกเดินทางได้มือถือ M16 แบบคอมมานโดประจำตัวเดินตรงเข้ามายังรวดเร็วยังที่ซึ่งเขายืนพูดกันอยู่กับจอมพรานขัดข้องไหมถ้าฉันจะขอเปลี่ยนคู่หาบเฉพาะ ว, วิทยุเครื่องนั้นโดยกำหนดให้เกรเรียงสองคนอันเป็นลูกหาบใหม่ของเราทำหน้าที่แบกหามแทนลูกหาบกล่าของคุณหลอนพูดเป็นงานเป็นการไม่ขัดข้อง และตะโกนเป็นภาษากระเลี่ยงไปอย่างทั้งสองซึ่งกำลังสารวจนอยู่กับหีบห่อสัมภาระอื่นเจนสองคนที่ยอมเสี่ยงชีวิตมาด้วยพยักหน้างึกอย่างเข้าใจแล้วพระตรงไปยังวิทยุเครื่องนั้นซึ่งคิดจัดการลงหีบหอกันสะเทือนเรียบร้อยแล้วในทันทีโดยว่าง่ายเชิดวูดมองดูหน้าหลอนอีกครั้งด้วยสายตาที่ผิดแปลกไปกว่าเคยแต่หลอนไม่สนใจคงมอง ong, จ้องไปทางระพินด้วยดวงตาเสมือนบ่อน้ำที่มองอย่างไม่ถึงก้น ไม่รู้ขอบเขตความลึกของมันว่ามีอยู่แค่ไหนลอนเอ่ยว่าคุณยังไม่ได้กินอาหารในส่วนที่เราแบ่งให้เลยนะกำลังจะออกเดินทางอยู่เดี๋ยวนี้แล้วชีวิตพรานป่าอย่างผมและพรานป่าทุกคนไม่มีตารางเวลาแน่นอนหรอกว่าจะต้องกินอาหารเวลาไหนส่วนมากหิวเมื่อไหร่เราก็กินเมื่อนั้นหรือไม่มีเราก็ไม่กิน ค, คุณน่าจะรู้มานานแล้ว ว่าแต่พวกคุณเธอพร้อมแล้วยังฉันไม่แคร์เลยนะว่าคุณจะโกรธหรือจะไม่พอใจผมก็ไม่ได้โกรธหรือไม่พอใจอไรคุณนี่เขาเขามวดคิ้วเสียงห้วนเฉียบขึ้นเชิดวุฒมาพูดอะไรกับคุณเด็กหนุ่มผู้น่าสงสารคนนี้นะหรือพรานใหญ่ว่าพร้อมกับมองไปทางเชิดวุฒผู้ยืนหน้าเครียดอยู่ เขาก็มีปัญหาที่จะพูดอยู่กับผมด้วยประโยคซ้ำๆซากๆอยู่นั่นเองเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นคือเขารักคุณรักเป็นชีวิตจิตใจก็คุณละ่ะมีไมตรีจิตในด้านนี้สนองตอบเขาบ้างแค่ไหนเราอย่ามาประทะกันด้วยคารมเลยนะระพินฉันรู้ว่าฉันจะสู้คุณไม่ได้หรอกมันทั้งเชือ่อทั้งเฉือนเลี้ยวลดหลายชั้นหลายเชิงนะฉันอาจพลาดอะไรบางอย่างในเช้าวันนี้เพราะตามคุณไม่ทัน อาจารย์คีธและเบลรู้สึกไม่สบายใจนะทุกคนสั่งให้ฉันมาเป่าความเข้าใจกับคุณก่อนออกเดินทางทุกคนตระหนักได้ดีว่าการทําอะไรให้คุณไม่พอใจนั้นมันไม่เป็นสิ่งดีงามของฝ่ายเราเลยทุกคนดูเหมือนจะแคร์คุณอย่างที่สุดแต่สําหรับฉันบอกตรงๆว่าไม่คุณจะไม่พอใจฉันหรือมีแผนการที่จะกลั่นแกล้งฉันหรือเหยะเราอย่างไรก็ได้เชิญตาสบาย สุภาพบุรุษไพรจุปากเบาๆเอาหลังมือขยี้ปลายจมูกคริสนี่คุณจะมาหาเรื่องตีลูกกรวนอะไรกับผมเช้าวันนี้นะและคุณเห็นผมเป็นคนอย่างไรผมเคยทรยศต่อหน้าที่ของผมงั้นรึและผมก็ไม่ได้มีอะไรที่จะไม่พอใจคุณเลยคุณบังอาจยังไงถึงจะมาล้วงความลับของฝ่ายเราหลอนถามตรงๆน้าเสียงห้วนกระด้างออบเสีร เชิดวุฒสุดที่จะสะกดกลั่นอยู่ได้ต่อไปคำรามออกมาพร้อมทั้งง้างมือขึ้นระพินคว้าข้อมือของนายทหารหนุ่มไว้ได้ในพริบตานั้นก่อนที่เขาจะหวดฝ่ามือลงไปกระชากนายทหารรุ่นน้องพะ ง, งะเซ อ, อกมาแล้วก้าเข้าไปขวางหน้าไว้อย่าครับคุณวุธเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรกันนี่ปล่อยเขาถ้าเขาอยากจะทำอะไรฉันปล่อยเขาเข้ามา คริสยืดอกตรงงานขึ้นรอยยิ้มหยันหยันปรากฏขึ้นบนริมฝีปากบางได้รูปงาม mm hmm. เชิดวุฒอึดอัดสะบดในลำคอจะปราดเข้ามาอีกแต่รพินเอามือยันอกไว้หันมาทางคริสตินา mm hmm. คุณกลับไปดีกว่าคริสเชิดวุฒิกำลังหดหดเต็มที่สำหรับผมคุณสบายใจได้ไม่มีอะไรหรอกผมไม่อยากให้พวกคุณที่มาด้วยกันต้องมาทะเลาะ ก, กันเอง ถามเขาดูสิว่าเขาหงุดหงิดเรื่องอะไรมันไสเต็มทีแล้วเชิดวุดร้องลั่นออกมาพยายามจะเข้าถึงตัวคริสให้ได้แต่ติดระพินผู้ขวางอยู่การวิวาดเป็นปากเสียงระหว่างคริสกับเชิดวุดซึ่งมีระพินกั้นกลางอยู่มองเห็นไปยังฝ่ายอเมริกันทุกคนซึ่งรวมกลุ่มห่างออกไปราว 14-15 ถึงเมตรกำลังจ้องมองอยู่ขณะนั้นเองเสียงของดอรสเตอรลีย์ก็ดังถามมา ระพินนั่นเกิดอะไรขึ้นน่ะเปล่าครับไม่มีอะไรด็อกเตอร์ระพินผมเป็นคนสั่งให้คริสเข้าไปปรับความเข้าใจกับคุณเองนะถ้ายัางไงแล้วคุณไล่เชิดวุฒกลับมานี่ก่อนนายนั่นเลือดร้อนมากและเขาไม่ยอมเชื่อฟังใครหรอกนอกจากคุณคนเดียวเท่านั้นคริสมีเรื่องจะพูดกับคุณเป็นส่วนตัวในฐานะตัวแทนทางฝ่ายเราพรานใหญ่ครั้งจตะตโกนโต้อตอบอะไรกับหัวหน้าคณะหันไปพยักหน้ากับเชิดวุฒ กลับไปรวมกลุ่มกับพวกเขาซะก่อนเถอะครับรับรองว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเองเชื่อผมเถอะเชิญวุฒจ้องหน้าคริสอีกแว บ, บหนึ่ง mm hmm. เห็นหล่อดเลิกคิ้วข้างหนึ่งขึ้น น, น้อยๆขณะมองตอบแล้วเขาก็ปฏิบัติตามคําแนะนําของราพินอย่างว่าง่ายเดินจากไปทิ้งให้ทั้งสองยืนกันอยู่ตามลําพังเอาล่ะมีอะไรหรือมิสกรูบิลเมื่อคุณไม่ชอบคี้หน้าฉันเมื่อไหรคุณจะเรียกฉันเป็นทางการอย่างนี้ทุกทีนะ เป็นสัญญาณรู้กันได้มีอะไรคริสเมื่อคืนนี้มีความสุขดีไหมกับเบลหลอนก็เปลี่ยนไปซะอีกเรื่องจอมพานเกาต้นคอกระกราอดหัวเราออกมาไม่ได้ในที่สุดผู้หญิงก็คือผู้หญิงนั่นแหละไรสาระคุณรู้ดีอยู่แล้วในสัญดาของผมไม่น่าจะมาถามอะไรทำนองนี้เสียเวลาเลยวิทยุรับส่งเครื่องนั้นคริสติน่าหรือไลลา บุ้ยปากไปทางด้านพักพวกเบื้องหลังนอกจกจะเป็นเครื่องรับส่งติดต่อโดยปกติแล้วตัวของมันเองยังมีแร่พิเศษอยู่ตัวหนึ่งติดตั้งไว้เป็นสื่อสัญญาณเพื่อให้ระบบเรดาร์จากสถานีควบคุมอันเป็นดาวเทียมตรวจรู้พิกัดแน่นอนของพวกเราทั้งหมดด้วยว่าขณะนี้ยังอยู่ในตำแหน่งไหนตราบใดที่เรายังนาวิทยุนั้นติดตัวไปด้วยนี่จึงเป็นคาตอบในข้อที่ว่า เหตุใดหอควบคุมจึงสามารถรู้ตำแหน่งที่อยู่ของเราอย่างแม่นยําไม่ว่าจะเคลื่อนย้ายไปยังที่ใดแต่เป็นที่น่าประหลาดว่าเมื่อหัวค่ําวานนี้เครื่องรับยังติดต่อกันได้แม้จะฟังไม่ถนัดนะักแต่เขารายงานลงมาให้เราทราบว่าจุด ท, ที่ปรากฏอยู่บนจอเรดาร์ของฝ่ายเราที่เขารู้เห็นมาตลอดบัดนี้มันหายรับไปจากจอซะแล้วตรวจเท่าไรก็ไม่พบจึงเกิดการวุ่นวายลําบากใจกันขึ้น เราพิญยักไหล่นิดหนึ่งนี่คือคําถามที่เพิ่งจะได้รับคําตอบเดียวนี้แต่ทําไมคุณถึงเอาความลับสุดยอดในเครื่องมือเครื่องใช้ของคุณมาเปิดเผยกับผมในเมื่อหยกหยกตะกี้นี้คุณก็พยายามที่จะปกปิดคริสยักไหล่บ้างยิ้มแคแค่่ทุกคนเกรงใจคุณนอกจากฉันเพราะฉะนั้นโดยหวังไว้จากอาจารย์และพวกนั้นว่ามันอาจทําให้คุณมีความรู้สึกที่สบายใจขึ้น ทุกคนจึงขอร้องแกมบางครั้งให้ฉันเอาเรื่องนี้มาบอกกับคุณทั้งๆที่ฉันปฏิเสธเด็ดขาดไปแล้วแต่หนึ่งเสียงย่อมสู้สามเสียงไม่ได้ฉันจึงต้องจำใจมาบอกเรื่องนี้แก่คุณระพินหัวเราะหื่นในลำคอความจริงมันก็ไม่จำเป็นก่อนถามซึ่งก็เกิดขึ้นจากเจตนาดีไม่ใช่เจตนาจะล้วงความลับอะไรผมก็ได้บอกพวกคุณไว้ก่อนแล้วว่าจะตอบก็ได้หรือไม่ตอบก็ได้ เพราะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับผมรองเนื่องจากทางฝ่ายผมไม่ได้มีแผนการอะไรกับพวกคุณมีแต่จะช่วยเหลือในทุกด้านเกี่ยวกับงานนี้ประการเดียวก็เป็นที่น่าเสียดายนะที่ความเข้มแข็งเฉียบขาดของคุณต้องพ่ายแพ้ต่อเสียงข้างมากของฝ่ายคุณเองอุตส่าห์ให้นําเรื่องนี้มาบอกกับผมโดยที่คุณก็ไม่เต็มใจถูกต้องฉันไม่เต็มใจจะบอกความลับในอุปกรณ์ของร้อยคุณรู้เลยแต่ถูกบงังคับให้มาบอก โดยปกติแล้วกฎของพวกเราที่ทำงานในด้านความรับสำคัญของประเทศก็คือยอมตายดีกว่าจะให้ความรับเปิดเผยออกไปแต่ในที่สุดเหตุการณ์มันก็บีบบังคับพวกเราต้องยอมจำนนต่อคุณคุณเป็นคนพูดตรงได้อย่างกล้าหาญมากคริสผมขอชมเชยจากใจจริงเราต่างคนต่างมีหน้าที่นะระพินคุณมีหน้าที่ของคุณและคุณก็ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่นั่นคือเกียรติยศ ฉันก็มีหน้าที่ของฉันเชี่ยต้องซื่อสัตย์และปฏิบัติให้ถูกต้องเหมือนกันเขาก้มศรีรษะลงนิดหนึ่งข้อนั้นผมเข้าใจการติดต่อวิทยุได้หรือไม่ได้ยังเป็นรองลงไปแต่การที่พวกเราหายไปจากจอเรดาร์ของเบื้องบนที่ควบคุมอยู่เป็นความหนักใจของพวกเรามากเท่าเท่ากับที่หน่วยเหนือเขาก็คงจะวิตกมากเช่นกันเรามันหมายถึงอะไรไม่ต้องอธิบายคุณก็คงรู้ใช่ไหม เขาก้มหัวอีกครั้งโดยไม่ตอบอะไรคริสกล่าวเนิบมเนิบต่อมาว่าอีกเรื่องหนึ่งที่คุณเก็บความสงสัยมานานและคงอยากจะรู้ให้ชัดก็คือฮอร์ควอคุมของเราเป็นอะไรอยู่ที่ไหนคุณไม่จะเป็นต้องบอกไหนไหนบอกแล้วก็จะขอบอกให้หมดเสเลยเพราะมีคำสั่งมาจากอาจารย์อันเป็นหัวหน้าใหญ่ของฉันแล้วให้บอกคุณให้หมด หอควคุมของเราไม่ใช่เครื่องบินจารกรรมเพดานบินสูงแบบไหนหรอกหากแต่เป็นดาวเทียมซึ่งเป็นสถานีอวกาศโดยตรงของเรามีพนักงานประจำอยู่บนนั้นด้วยส่วนจะกี่คนพวกเราไม่รู้ได้วิทยุติดต่อก็ดีสัญญาณตรวจสอบได้จากจอเราดาร์ก็ดีจะไปปรากฏยังสถานีอวกาศหรือดาวเทียมดวงนั้นแล้วจะรายงานข้อมูลที่ได้รับจากเราเข้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษในเรื่องนี้ ภายในทำเนียบขาวโดยตรงถ้าหาจจาเป็นห้ต้องได้รับการช่วยเหลือไม่ว่าจะในกรณีใดๆก็ตามที่จําเป็นคำสั่งด่วนจะไปยังกองเรือที่เจ็ดหรือกองเรือรบลาดตระเวนตําแหน่งอันใกล้กับจุดหมายที่สุดเครื่องบินปีกหมุนขนาดใหญ่หรือเครื่องไอพ่นใช้เส้นทางขึ้นลงในแนวดิ่งได้แบบจานบินจะถูกส่งมายังตาแหน่งที่เราอยู่ทันทีคุณพอจะรู้สมรรถภาพของเครื่องบินพิเศษของเราไม่ใช่หรือว่า มันมีความเร็วเท่าไหร่สมรรถนะสูงเพียงไรไม่ว่าป่าเขากระดานเพียงใดมันสามารถลงมากู้ภัยได้ทั้งสิน้นรวมทั้งกู้ระเบิดขึ้นไปด้วยสมมุติว่าเราค้นพบพวกเรามีความอุ่นใจในด้านการสนับสนุนประสานงานช่วยเหลือถึงเพียงนี้จึงกล้ายุณเดินนามาในป่าแต่เดี๋ยวนี้พวกเขากำลังจะไม่รู้แล้วว่าเราอยู่กันที่ไหนแน่ ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับวิทยุรับส่งเครื่องนั้นเพียงเครื่องเดียวทุกสิ่งทุกอย่างกระจางแจ้งออกไปอย่างเด่นชัดที่สุดแล้วจากคำพูดของคริสซันชาติยานบางอย่างบอกเขาได้ทันทีว่านั่นคือเรื่องจริงที่สอดคล้องกับเหตุผลที่สุดโดยที่หลอนไม่ได้พูดโกหกหรือบิดเบือนให้เป็นอย่างอื่นเพราะความสงสัยของเขาก็อยู่ในทำนองนี้อยู่แล้วเพียงแต่ไม่รู้ในรายละเอียดเท่านั้น ก็เป็นเรื่องประดาบความรู้ของผมเท่านั้นว่าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าในทางทหารและทางจารกรรมของพวกคุณมีเครื่องมือที่เยี่ยมยอดเพียงไรแต่บังเอิญว่าผมไม่ได้เป็นสายลับของจีนแดงโซเวียตหรือประเทศที่จะเป็นอันตรายใดๆต่อประเทศของคุณได้มันจึงผ่านเข้าหูควายออกหูหมาใบหย่างชนิดจะไม่หวนกลับมาเป็นพิษภัยใดๆกับประเทศชาติของคุณหรอกผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่า ฝ่ายคุณจะเกิดความกังวลร้อนตัวจนถึงกับจะต้องมาบอกความจริงอันเป็นความลับทางราชการของคุณให้ผมรู้ละเอียดถึงเพียงนี้ย้ำอีกครั้งว่าที่ถามก็เพื่อหาทางช่วยเหลือแก้ไขไม่ใช่ถามเพราะสอดจะไปรู้ความลับอะไรคริสยกมือขึ้นกอดอกเอียงคอนนิดๆมองประสานตาเขาคุณหมดข้อข้องใจหรื อ, อยังระพินพยักหน้า เมื่อถามก็บอกว่าหมดแต่ความจริงก็ไม่คล่องใจอะไรสักนิดคุณจะบอกก็ได้ไม่บอกก็ได้ผมก็ยังทําหน้าที่เป็นผู้รับใช้พวกคุณอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าจะเป็นฝ่ายถูกบอกเลิกเองหรืองานสําเร็จแต่คริสผมจะบอกอะไรให้คุณคุณเคลาไปหน่อยนะเคลาในข้อไหน ก็ที่คุณมีคําสั่งให้เปลี่ยนคู่หาบวิทยุเครื่องนั้นจากคนของฝ่ายผมกลายเป็นอูทะพาโตเซนซิคุณคงคิดว่าคนของผมนั้นไม่น่าไว้วางใจแล้วอาจแกล้งให้วิทยุของคุณพังพินาศไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่สําหรับอูทะพาโตคู่นั้นพวกคุณเคยช่วยชีวิตสะเอิงพวกเขาไว้เขาคงจะเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งคุณได้มากกว่าฝ่ายผมแต่ความจริงมันยิ่งเลวร้ายหนักกลัวไปอีก ในการไปฝากเครื่องมือสำคัญให้อยู่ในความดูแลของกะเรียงสองคนนั่นทำไมมีเหตุผลอยู่สามประการ 1. ถ้าสองคนซื่อสัตย์สุจริตก็จริงแต่เป็นคนดงโ ง, โง่ง 2. ในด้านการผจญภัยหรือระวังรักษาของที่แบกหามชำนาญเท่าคนของผมไม่ได้และ 3. า้าสองคนพูดได้แต่กะเรียงส่วนพวกคุณไม่มีใครพูดกะเรียงได้เลย จะติดต่อสั่งความอะไรแก่เขาก็ต้องผ่านล่ามคือผมหรือคนฝ่ายผมอยู่ดีเพราะฉะนั้นคิดดูก็แล้วกันว่ามันจะเป็นผลดีหรือผลเสียในการมอบเครื่องมือสำคัญไปให้เขาทั้งสองแบกหามประคับประคองแทนคริสตินาคอแข็งกระดกปลายลิ้นสีชมพูออกมาเกลี่ยริมฝีปากและพึมพำออกมาจริงสินะในป่าแล้วฉันและพวกเราทุกคนโง่งกว่าคุณเสมอมีอะไรให้คุณนึกยิ้มยออยู่ได้ตลอดเวลา ก็ไม่เสมอไปรรองบางอย่างคุณก็ลึกล้อมจนผมตามไม่ทันเหมือนกันหวังว่าคงจะหมดเรื่องแล้วนะเขาตัดบทลงอย่างกระทันหันแล้วหันไปตะโกนร้องสั่งพวกพรานและลูกหาบทุกคนให้เริ่มเคลื่อนย้ายขณะดเดียวกันก็หันไปทางฝ่ายนายจ้างทุกคนโบกมือโอเค Move down Follow us ทั้งหมดเริ่มเคลื่อนที่บุญคาเดินนาหน้าจากบริเวณที่พักลงไปก่อนทันที ลูกหาแบกของตามเป็นขบวนพร้อมๆกับกลุ่มนายจ้างรพินขยับตัวโดวยไม่สนใจใดๆกับคริสอีกแต่แล้วเขาก็ชะงักนิดหนึ่งเมื่อหล่อนเอิรเรียกมาเบาๆเอี้ยวคอมามองก็มองเห็นหลอน่อนก้าวเข้ามายืนเคียงไหล่ถามว่ายังโกรธหรืออาฆาตฉันอยู่อีกไหม <c oughs> เขายิ้มนิดหนึ่งเอาฝ่ามือตบลอนตะโพกหล่อนอย่างสัพยอกถือสนิทเป็นครั้งแรกบอกแล้วว่าไม่มีอะไรไปคริส เราจะลงทางบ่อโคลนเดือด น, นั่นจะได้ตรวจดูร่องรอยของไอตัวมหาปลาลัยที่มันโผล่ขึ้นมาเมื่อคืนนี้ให้เห็นชัดๆอีกครั้งทั้งขบวนโดยการนําหน้าของบุญคําเคลื่อนจากบริเวณอันเป็นตําแหน่งพักนอนบายหน้าตัดช่องทางโคทินอันจะนาไปสู่บริเวณบ่อโคลนเดือดซึ่งอยู่ต่ํากว่าระดับลงไปอีกขั้นหนึ่งรล้พินและคริสติน่าซึ่งแยกจากกลุ่มอยู่อีกทางหนึ่งไปบรรจบพบกับพวกนั้นตรงบริเวณปากทางแคบๆ ที่นำลงสู่เบื้องล่างเขายืนรออยู่ตรงตำแหน่งนั้นจนกระทั่งทุกคนล่วงหน้าลงไปก่อนแล้วจึงสกัดหลังเป็นคนสุดท้ายและทั้งหมดก็มาหยุดยืนพิจารณากันอยู่ยังบริเวณบ่อโคลนเดือดนั่นอีกครั้งท่ามกลางแสงอรุณซึ่งส่องสว่างมองเห็นอะไรได้เด่นชัดเป็นการหยุดดูอย่างไม่ต้องนัดกันไว้เลยลักษณะของบ่อโคลนประหลาดยังมีอาการอยู่เหมือนเดิมคือ เดือดระอุมีพรายผุดขึ้นมาเป็นลูกๆเหมือนจะมีความร้อนหรือใบพัดผลักดันอยู่เบื้องล่างสิ่งที่ทุกคนเห็นด้วยความสยองใจก็คือรอยคลนและรอยเท้าของสัตว์ประหลาดที่เประเลอะเทอะอยู่บริเวณหนึ่งเห็นได้อย่างถนัดนอกเหนือไปจากร่องรอยคลอนอันติดตัวมันขึ้นมาเหล่านั้นแล้วสิ่งที่น่าขนหัวลุกยิ่งขึ้นไปอีกก็คือรอยดาไหมเกรียมของก้อนหิน ตลอดจนเส้นทางที่มันเคลื่อนตัวผ่านลงไปตามหมูซอกโคหินมุ่งหน้าลงเส้นทางเบื้องต่ำกลุ่มอเมริกันและเชิร์ดวูดเข้าไปรวมหมูและพูดอะไรกันเบาๆด้วยสีหน้าไม่เป็นสุขนักคริสตูเหมือนจะทำหน้าที่อธิบายให้พักพวกฟังซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งชี้ตำแหน่งให้ดูว่าระหว่างเกิดเหตุหลอนอยู่ตรงไหนและเคลื่อนย้ายไปที่ไหนและระพินอยู่ที่ใด เพราะบุคคลที่จ ะ, ะเผชิญเหตุการณ์สยองที่ผ่านมาก็มีอยู่เพียงสี่คนเท่านั้นคือพรานใหญ่เองบุญคําจันทร์และตัวหลอนเท่านั้นจอมพรานขณะนี้กําลังยืมเม้มริมฝีปากมองไล่ตามทางรอยไม้เกรียมอันเกิดจากการเคลื่อนตัวของมันไปเหมือนจะตัดสินใจอะไรบางอย่างพวกพรานพื้นเมืองของเขาและพวกลูกขาบก็ยังไม่อาจเคลื่อนที่ต่อไปได้ เนื่องจากรอคอยคำสั่งของเขาว่าจะให้ไปตามเส้นทางไหนแล้วกลุ่มของอเมริกันผู้เดินตรวจดูไปจน ร, บรอบๆตามคาอธิบายของคริสติน่าก็พากันมาสมทบที่เขาคุณลงมาตรวจดูรอยตั้งแต่เช้ามืดก่อนพวกเราจะตื่นแล้วไม่ใช่หรือสแตนลีย์เอ่ยถามขึ้นต่ำๆเขากม้มสีสานนิดหนึ่งแทนคำตอบถ้าพบอีกเราจะทำกันยังไงนี่ อิซาเบลเอ่ยขึ้นแผ่วที่สุดความสะทกสะเทือนปรากฏให้เห็นในแววตาชัดขณะที่มองไปยังร่องรอยดำไม่เกรียมเหล่านั้นภาวนาขออย่าให้พบอีกเลยดีกว่ามันสวดอ้อนวอนพระเจ้าเข้าไว้เบลเราผิดมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณควรจะรู้นะเสียงเหมือนกระซิบของนายจอมรีคิดเข้ามากระซิบกับเขาพระใหญ่เหลือบมองหน้าอะไร คีธหันไปพยักหน้ากับคริสติน่าหรือไลลาซึ่งบัดนี้เขาเห็นหล่อนถือเครื่องมืออะไรชนิดหนึ่งอันเขาไม่เคยเห็นมาก่อนลักษณะมองผัดผาดเหมือนเครื่องมือวัดอุณหภูมิของอากาศแต่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยและมีหน้าปัดมาตรวัดประกอบกับตุ่มสัญญาณคั้วคุมหลายชนิดเต็มไปหมดโดยใช้เครื่องมือนั้นยื่นส่องเข้าไปในบริเวณโขดหินตำแหน่งที่ไม่เกลียบบริเวณที่เขาหลบมุมและหมดสติไปเมื่อคืนนี้ ปรากฏมีเสียงสัญญาณจากเครื่องมือชนิดนั้นดังติ๊กติ๊กขึ้นเบาๆแต่มันก็พอจะได้ยินมาถึงหูเข้าได้พร้อมกันสัญญาณไฟเขียวที่อยู่ใกล้ๆกับมือถือก็สว่างวูบเป็นจังหวะพอหล่อนยกเครื่องมือชนิดนั้นบ่ายเบนออกห่างทั้งสัญญาณเสียงที่ดังอยู่ติ๊กติ๊กและหลอดไฟเล็กๆสีเขียวก็ดับไปด้วยพอจ่อเข้าไปใกล้มันก็ปรากฏขึ้นอีก อะไรครับนั่นที่คริสถืออยู่เขาถามด้วยความฉงน Radiation Survey Meter คริสตอแบแผลบความจริงเราไม่เคยคิดว่าจะต้องนำมันขึ้นมาใช้ก่อนในขนาดนี้เลยเจนกว่าเราจะแน่ใจว่าเข้าใกล้ตำแหน่งตกของเครื่อง B52 ลําลำนั้นแต่บังเอิญมันมีสัญญาณลั่นผิดปกติขึ้นแม้จะเบาสักขนาดไหนก็ตามคริสก็เลยเอาออกมาตรวจสอบดูหมายความว่า แลพินลืมตาโลงร้องออกมาและฉับพลันนั้นเขาก็ก้าวรวดรว ด, รวดตรงเข้าไปยังคริสติน่าผู้กำลังพยายามใช้เครื่องมือชนิดนั้นตรวจสอบกับบริเวณรอยที่ไม่เกรียมเป็นทางนั้นไปอีกสองสามช่วงทุกคนของฝ่ายนายจ้างเดินตามเข้ามาทั้งหมดและทุกคนจ้องแม่นักเคมีฟิสิกส์สาวผมทองเป็นตาเดียวคริสเขาอุทานออกมาแม่ผมทองมีสีหน้าที่ยากจะบรรยาย เรื่องมือตรวจวัดกำมันตรภาพรังสีในมือของหล่อนบันดังดังหยุดหยุดอยู่เช่นนั้นสุดแต่หล่อนจะส่องเข้าไปใกล้ร่องรอยนั้นมากน้อยเท่าใดและในขณะ น, นี้หล่อนกำลังนั่งคุกเข่าสำรวจดูอย่างจริงจังพร้อมทั้งอ่านลงไปบนหน้าปัดวัดเหงื่อเริ่มผุดเป็นเม็ดฟราวขึ้นบนหน้าผากแปลกไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเสียงคริสพามออกมาหัวคิ้วขมวด ยามนี้ดูหล่อนจะไม่ได้สนใจอะไรกับเขาในฐานะพรานนำทางเลยแต่มีเจตนานที่จะพูดหรือปรึกษาหารือ ก, กับฝ่ายของหล่อนเองโดยเฉพาะอาจารย์คะถ้าไม่ใช่เพราะร่องรอยของไอตัวประหลาดนั่นที่เราเห็นอยู่นี่และเครื่องส่งสัญญาณบอกเตือนอยู่อย่างนี้ฉันก็ต้องสรุปแน่ใจได้ทันทีว่าระเบิดลูกนั้นไม่น่าจะตกอยู่ห่างจากตาแหน่งที่พวกเราอยู่เท่าใดนะักและบอกได้ทันทีว่า เปลือกนอกของมันคงมีรอยชํารุดรั่วมีรังสีรั่วเร็ดรอดออกมาให้เราตรวจพบได้เบาบางแต่นี่มันน่าจะเกิดขึ้นจากร่องรอยของไอตัวมหาประไล่นั่นใช่มากกว่าเพราะทุกแห่งที่มันทิ้งรอยไหม้เกรียมไว้มาดวัดชี่บอกปริมาณกรมมันภาพรังสีอย่างแน่ชัดแม้จะเป็นส่วนน้อยนิดสักเพียงไหนก็ตามมาดวัดได้เท่าไหร่สเตอลี่ร้องเร็วปรือ แม่นักเคมีฟิสิกส์สาวประจำคณะกัดริมฝิปากบางแห่ง35อาและบางแห่งก็40อาค่ะยังไม่ปรากฏผลในด้านอันตรายหลอนบอกแค่นั้นแล้วก็หุดลุกขึ้นเดินตรวจวัดต่อไปอีกตามแนวทางนั้นระพินหันขวับไปทางหัวหน้าคณะกับคิดทันทีทำไมพวกคุณไม่บอกให้ผมเข้าใจบ้างว่ามันหมายถึงอะไรอย่างไรเขาถามห้วน สเตอลีป้ายแขนเสื้อเช็ดหน้าผากอันเต็มไปด้วยริ้วรอยคิดหนักแล้วยกมือขึ้นทำอาเมนซึ่งระพินเพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกจากคุณหน้าคณะเดินทางรพินสัตว์ประหลาด ท, ที่โผล่ขึ้นมาจากบอกโคลนประจันหน้ากับพวกคุณเมื่อคืนนี้มีกำมันตภาพรังสีอยู่ในตัวของมันด้วยคริสตรวจพบด้วยเครื่องวัดเรเดชันเซอร์เวของเราตามเส้นทางที่มันเลือ้อยผ่าน วัดได้ระหว่าง 35-40 เรนเกนซึ่งอัตราขนาดนี้ยังไม่ถึงกับเป็นอันตรายต่อสัตว์หรือมนุษย์แต่ถ้ามันเกิน80เรนเกนขึ้นไปเมื่อไหร่แล้วก็เห็นจะยุ่งทีเดียวแหละสัตว์พิสดารตัวนั้นมีต่อนิวเคลียร์อยู่ในตัวของมันคล้ายๆกระแสะไฟฟ้าจากพวกปลาไหลไฟฟ้าแต่นี่มันไม่ใช่ไฟฟ้ามันเป็นกรรมตะภาพรังสีประโยคลัง เขาพูดเบาที่สุดระพินไพรวันยืนตัวแข็งไปชั่วขณะในใจของเขาดูเหมือนจะภาวนาว่าชินานุภาเวนะชิตูปัตถะโวหวนคิดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนเขาตัดสินใจถูกแล้วที่ใช้วิธีสวดภาวนาแผ่เมตตาให้แก่สัตว์มหัสจรร์นตนนั้นถ้าหากว่าเขาหรือใครลั่นกระสุนขึ้นแม้แต่นัดเดียว หรือทำอะไรให้มันเกลี้ยวกล่ํโกรธแค้นอย่าว่าแต่จะจู่โจมเข้าทําอันตรายโดยตรงเลยเพียงแค่มันปล่อยสารหรือกรดในตัวออกมาเท่านั้นทุกคนคงจะไม่มีโอกาสได้เห็นแสงตะวันเช้าของวันนี้เลยคงจะตายกันหมดเกลี้ยงแม้แต่พวกที่นอนอยู่บนแคมป์เพราะหลีกไม่พ้นรัศมีของมันได้แน่นอน <c oughs> เชิดวุอ้าปากค้างมือกําลวงพ่อทวดที่ห้อยคออยู่แน่น เบลและคีดสาวเทาว้าตามหลังคริสผู้กำลังพยายามตรวจสอบไปเรื่อยๆและคนทั้งสมเหล่านั้นก็พูดอะไรกันซุบซิบอย่างเคร่งเครียดจริงจังคงมีแต่จอมพรานหัวหน้าคณะและเชิดวุษธเท่านั้นที่ยังยืนนิ่งอยู่ที่เดิมส่วนพวกลูกหาบไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอะไรทั้งสิน้นเพียงแต่หยุดรออยู่เมื่อยังเห็นคณะนายจ้างพากันอยู่ชะงักตรวจสอบอะไรกันอยู่พี่เอายังไงดีนี่ ร้อยหมื่นภายที่เราเผชิญหน้าอยู่มันก็เทียบไม่ได้แล้วกับไอตัวมหาประลัยที่โผล่ขึ้นมาจากใต้บาดาล น, นั่นถ้าเจออีกชิบหายแน่ตายเกลี้ยงไม่มีทางสกัดกั้นป้องกันอะไรได้เลยเลพินยิ้มเยือกเย็นเหนือฟ้ามีฟ้าครับคุณเชิดวุธเหนือจั ก, กรวานก็ยังมีจั ก, กรวานครอบคลุมอยู่ประพฤติชอบปฏิบัติชอบและมั่นคงในสัจจะเข้าไวเ้เถิด ไม่มีอะไรมาทําอันตรายเราได้หรอกถ้าหากว่าเขาคิดจะทาอะไรเราป่านนี้ผมคริสบุนคามหรือจันก็มอดไหม้เป็นขี้เท่าไปก่อนแล้วตั้งแต่เมื่อคืนทำใจดีๆไว้ครับคุณวุฒิเขากล่าวจบประโยคก็พยักหน้ากับทั้งสองแล้วเดินตรงเข้าไปที่คริสขณะนั้นหล่อนลุกขึ้นยืนแล้วสีหน้าขาวเหมือนศพ แต่ก็ยังดูสงบไม่ส่ออะไรให้เห็นชัดนะคริสคุณต้องรู้ดีกว่าผมบอกมาตามตรงว่ามีตำแหน่งหรือบริเวณไหนบ้างไหมที่คุณตรวจพบกรมมันตภาพที่มันอยู่ในเกณฑ์อันตรายสำหรับพวกเราเพราะผมตัดสินใจเด็ดขาดแล้วที่จะเดินลงจากยอดข่าวลูกนี้โดยตามเส้นทางเลื้อยของสัตว์ประหลาด ต, ตัวนี้ไปเขาพูดเคร่งขรึมจริงจังจ้องตาขมิงมาดวัดบอกอัตราไม่เกินห้าสิบอาทุกแห่งเท่าที่ตรวจบริเวณนี้ หลอนบอกพยายามทำเสียงให้เป็นปกติและถ้ามันไม่เกินไปกว่า น, นี้ก็ไม่มีอันตรายอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่มันบอกให้เรารู้เท่านั้นว่ามันทิ้งร่องรอยของกรรมตรภาพรังสีเอาไว้ตามเส้นทางที่เลือ้อยผ่านไปว่าแต่คุณมีเหตุผลอะไรที่จะต้องเดินตามรอยของมันไปเราควรจะแยกให้ห่างไกลออกไปให้มากที่สุดไม่ใช่หรือถ้าจะพิจารณาการถึงด้านความปลอดภยัย เมื่อทุกคนเชื่อผมมาแล้วก็ขอให้เชื่อตลอดไปดีกว่าความเป็นความตายของทุกคนอยู่ในความรับผิดชอบของผมอย่างเต็มที่เหตุผลที่ผมต้องการเดินตามรอยของเขาไปก็เพราะผมมีสังหารว่าเขาไม่ได้เป็นศัตรู ก, กับเราและเขาน้าจะนำเราไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่ใช่นำไปสู่ทางหายยนะเอางั้นเหรอฝ่ายบริการทุกคนร้องถามเขาเราวกับจะนัดกันไว้ รับพินพยักหน้าเอาอย่างที่ผมว่านี่แหละเพียงแต่ขอให้คริสคอยตรวจสอบขนาดของกรมันตราภาพรังสีไว้ทุกระยะก็แล้วกันถ้ามันยังไม่อยู่ในเกณฑ์จะเกิดอันตรายขึ้นเราก็จะตามรอยเส้นทางเลื้อยไปนี้เรื่อยๆในระยะแรกจนกว่าจะพบแหล่งน้ำและอาหารแต่ถ้ามาดวัดบอกถึงขีดอันตรายเมื่อไหร่ก็ให้บอกผมทันทีเราจะได้เปลี่ยนเส้นทางใหม่อาจารย์ว่ายังไงคะ คริสหันไปทางหัวหน้าของหลอนอย่าไม่ต้องคิดอะไรมากเลยดอกเตอร์สแตนลีย์เข้าสู่การตัดสินใจทันทีอย่างคนจริงเช่นกันเอาอย่างระพินว่าตราบใดก็ตามที่เรายังถือว่าเขาคือผู้นำทางของเราตกลงไปคริสพูดง่ายเหมือนกันตบไหลยเขาโดยแรงบุญคำเดินตามรอยเลื้อยของพยานนาคบอกทุกคนด้วยว่าอย่าดา่าอย่าสบัอย่าพูดคาหยาบโลน เขาหันไปร้องสั่งตะพรานเท่ามือขวาที่ยืนรอรับคำสั่งอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำลงไปแกก็หมุนตัวกลับออกเดินต่อทันทีขนทางนั้นสะดวกง่ายได้ที่สุดแม้จะมีทางด่านแยกสายอยู่มากมายตามแนวที่จะบ่ายหน้าลงอันเต็มไปด้วยแก่งแง่โคดหินนั้นแต่รอยเลื้อยผ่านไปของสัตว์ประหลาดซึ่งทิ้งรอยไม้เกรียมไว้ตามพื้นหินสังเกตได้ง่ายที่สุด บนคำนำเลาะลัดไปตามเส้นทางนั้นทันทีอย่างไม่มีการลังเลเพราะรู้มือเจ้านายดีอยู่แล้วทั้งคณะเดินเข้าขาบวนกันไปอย่างสงบและเงียบกริบบนยอดเขาที่ล้วนแล้วไปด้วยป่าหินสุดจะแห้งแล้งกันดานและเดินข้อตกลงกันไปแล้วล่วงหน้ากับระพินคริสขึ้นไปเดินเคียงคู่อยู่กับตาเท่าเพราะหล่อนมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบปริมาณของกำมันตภาพรังสีอยู่ตลอดเวลา ว่าตำแหน่งไหนบริเวณใดโดยเส้นทางที่เลื้อยไปของสัตว์ประหลาดอันกำลังเดินสาวรอยตามหลังกันอยู่นี้จะมีอัตราสูงขึ้นสู่ความไม่ปลอดภัยหรือไม่แต่ก็ไม่พบว่าจะมีตำแหน่งใดอยู่ในเกณฑ์อันตรายเลยตลอดหนึ่งชั่วโมงแรกรวพินเดินคุมไปเป็นคนที่สมถัดจากคริสลงมาเพื่อจะแก้ไขสถานการณ์ได้ทันทีหากเกิดอะไรขึ้นต่อมาจึงเป็นกลุ่มลูกหาเชิดวุ คีธสแตนลี่และเบลปิดหลังพวกลูกหาบอีกทีหนึ่งโดยมีจัน์เกิดและเสยระวังอยู่ท้ายขบวนการติดต่อจะใช้วิทยุสอบถามกันในบางครั้งเท่านั้นทิศทางตามการเลื้อป่ายของสัตว์ประหลาดนำลงสู่เบื้องต่ำทุกขณะและเป็นเส้นทางที่เดินกันไปได้อย่างสะดวกพอสำควรไม่มีตำแหน่งไหนที่ยากต่อการเดินหรือต้องเสี่ยงต่อการปีนป่ายเลยผิดกับวันวานนี้มาก เพียงแต่เลาะลัดซอกซอนไปตามหมู่หินน้อยใหญ่เท่านั้นและโดยเข็มทิศของฝ่ายนายจ้างที่หัวหน้าคณะมันตรวจสอบอยู่เสมอปรากฏว่ามันตรงกับที่จอมมักุเทศบอกเจตนาเขาไว้แต่แรกแล้วทุกประการนั่นคือบ่ายหน้าไปทางเหนือเฉียงตะวันตกเล็กน้อยแดดวันนี้ไม่แรงจัดนักและมีลมพัดโ ช, ชยริ้วอยู่ตลอดเวลา ดูจะเป็นเรื่องของการเดินทางที่ดีอยู่ไม่ชิดน้อยและนานๆครั้งจะได้พบเส้นทางที่เดินได้อย่างสบายเช่นนี้เพียงแต่ว่าจิตใจของฝ่ายนายจ้างและลูกหาบทุกคนอดไม่ได้ที่จะระทึกไหววาดวันเพราะผ่ามาเดินตามเส้นทางของไอ้ตัวมหาประไลเหมือนจะแกะรอยมันฉะนั้นสเตลลี่คอยเรียกวิทยุถามคริสอยู่แทบทุกๆ20สนาทีถึงอัตรามาตรวัดกรรมตภาพรังสี ซึ่งก็ได้รับการยืนยันมาว่ายัางอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยเพราะอย่างสูงสุดบริเวณที่คล้ายๆมันจะหยุดเสียดสีตัวอยู่กับโคทินใหญ่ก็มีอยู่ไม่เกินห0บหน่วยอ่าและบางบริเวณแม้จะมีรอยดำไหมเกรียมอันแสดงถึงความร้อนแรงในขณะที่มันผ่านไปกลับปรากฏว่าไม่มีขนาดของกำมันตภาพปรากฏขึ้นเลยอัตราภาพเห็นศูนย์ คล้ายๆกับว่ามันขึ้นอยู่กับเคมีธาตุพิเศษของตัวมันจะปล่อยทิ้งไว้หรือไม่เท่านั้นฉันไม่ชอบการเดินแบบเกือบจะเป็นแถวเรียงเดี่ยวตามกันไปแบบนี้เลยทําไมเราถึงไม่เดินเป็นกลุ่มไปพร้อมๆกันตอนหนึ่งเบลเอ่อยขึ้นอย่างละเหียการเดินป่าในเส้นทางอันตรายและจะต้องระมัดระวังตัวทุกฝีก้าวเราก็ต้องเดินกันไปแบบนี้แหละเบลจะมามัวเดินจับ ก, กลุ่มกันอยู่ไม่ได้หรอก เราจะต้องระวังหน้าระวังกลางและระวังหลังทุกระยะจนกว่าจะเข้าสู่เส้นทางที่พอจะไว้วางใจได้และภูมิประเทศอํานวยเชิญวูดเป็นคนตอบและตั้งใจจะให้สแตนลีย์กับคีดพลอยเข้าใจด้วยน้ำเคมีของหน่วยปฏิบัติการพิเศษซึ่งแจกโดยคณะอเมริกันสําแดงคุณภาพไฮรพินและพวกปลาลูกน้องของเขาตลอดจนลูกเผาทุกคนได้ประจักษ์แล้ว จิงอยู่มันอาจไม่ชุ่มชื่นชำคอเหมือนได้ดื่มน้ำสะอาดบริสุทธิ์แต่ทุกคนที่เดินกันอย่างหนักสำหรับเช้ามาตลอดจนสายวันนี้ไม่มีใครรู้สึกกระหายน้ำเลยมันช่วยชดเชยการขาดน้ำได้อย่างมหัศจรรย์และไม่ทําให้คอแห้งซ้ำยังทาให้กระชุ่มกระชวยมีพลังงานเพิ่มเป็นพิเศษด้วยฤทธิ์ของกลูกโคสและแร่ธาตุวิตามินบางชนิดในด้านเสริมสร้างพลังที่สึกหรอไปชาติมหาอานาจ มหาเศรษฐีมันก็อย่างนี้แหละอุปกรณ์เครื่องช่วยเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมมูลทุกชนิดซึ่งเป็นความเบาใจของราฟินขึ้นอีกเป็นอย่างมากขึ้นชั่วโมงที่3ของการเดินการอย่างไม่มีการหยุดเลยและไม่ได้แยกทางจากรอยที่เลื้อยเหมือนจะนำทางไปให้ใหโดยสัตว์พิสดารตนนั้นป่าหินอันแห้งแลง้งเริ่มจะมีร่องรอยของพันไม้เขียวปรากฏให้เห็นประเภทสนภูเขาและวัชพืชบางชนิด ซึ่งเริ่มจะทีหนาตาขึ้นตามลำดับเพียงแต่ว่าตลอดระยะทางมานั้นนอกจากหินหินและหินแล้วมอไม่เห็นวิ่แววของสิ่งมีชีวิตอะไรเลยแม้แต่นกบนอากาศสักตัวเดียวไม่พบแม้แต่พวกมแมลงหรือสัตว์เลื้อยคลานดุดจะเดินอยู่ในโลกร้างสายลมที่พัดผ่านอยู่ไปมาเท่านั้นที่ทุกคนสัมผัสได้นอกนั้นคือความสงัดวิเวกนั่นแทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรกันเลยว่า เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเพราะตลอดเส้นทางที่เดินตามรอยของสัตว์ซึ่งมีอานาจมห า, หาการอยู่ในตัวของมันเช่นนั้นจะมีสัตว์อื่นใดเข้ามาป้วนเปี้ยนแผ่วพานให้เห็นได้เพียงกระสากลินอายของมันเท่านั้นทุกสรรพสัตว์ก็ย่อมจะต้องหลีกเล้นเป็นธรรมดาเพราะมันหมายถึงการเคลื่อนผ่านไปของพญามัจจุราชผู้ยิ่งใหญ่ก็คงมีมนุษย์กลุ่มนี้เท่านั้นที่กล้าเวยโอกาสเดินตามแกะรอยมา ภายใต้การนำของพรานนำทางผู้มีสัญชาติยานพิเศษประจำตัวและทุกคนที่ร่วมคณะก็เห็นแล้วว่าเขาไม่ผิดพลาดเลยจากสภาพของภูมิประเทศที่เริ่มจะเห็นชุ่มชื่นขึ้นตามลำดับจากความแห้งแล้งขีดสุดเนินหญ้าเขียวชะอุ่มและละเมาะไม้พันธุ์ที่ขึ้นบนยอดเขาก็เริ่มจะปรากฏขึ้นกับสายตาอีกแล้วบางส่วนแลดูเหมือนกรีนของสนามกอล์ ที่ใครมาสรรสร้างไว้ให้เพียงแต่ไม่ได้มีหลุมไว้เท่านั้นความแช่มชื่นเริ่มปรากฏขึ้นบนสีหน้าและแววตาของฝ่ายอเมริกันทุกคนบราโวคิดตะโกนออกมาดังๆอย่างยินดีเมื่อมองเห็นความฉ่มสดชื่นอันสวยสดตะการตานั้นสแตนลี่เองก็ยิ้มออกมาได้เดินคอกอดเปเลวไปพร้อมกับพึมพำยิ้มๆออกมาว่าเออเอากระหม่อมสิ เราไม่คิดเลยว่าเพียงแค่สามชั่วโมงเท่านั้นที่เขาตัดสินใจเดินตามเส้นทางไอตัวสัตว์นิวเคลียนั่นมาเราจะพบกับความหวังที่ดีขึ้นแบบนี้เชิร์ตวุดหัวร้ออ ย, ย่างดีใจเข้ามาร่วมกอดคอเบลไว้อีกคนกลายเป็นเดินเรียงหน้ากระดานไปสามคนดอตเตอร์คุณพูดเหมือนจะเพิ่งรู้จักกระพินไพรวันเอาในวันนี้งั้นแหละผมน่ไว้ใจเขาร้อยปเซนมานานแล้วคนคนนี้ไม่มีวันผิดพลาดรอง สำหรับเส้นทางในป่าเบลปลดวิทยุออกมาจากเอวกรอกเสียงสายลงไป Congratulations Mr. Hunter เราพบสั ญ, ญลักษณ์แห่งชีวิตแล้วคุณเลือกทางไม่ผิดขาเสียงของเบลก็มีเสียงเรียบๆของจอมพรานดังออกมาจา ก, กลำโพงของวิทยุจิ๋วของกลุ่มบุคคลเบื้องหลังว่าอย่าเพิ่งดีใจกันนะครับผมอาจนำทางมาผิดก็ได้ พูดให้ชัดซิหมายความว่ายังไงคิดร้องถามไปเพราะต่างฝ่ายต่างยังมองไม่เห็นตัวกันเนื่องมาจากเนินหินบางส่วนและฉากของลำเมาะอไม้เขียวขจีบางไว้ทางด้านระพินเงียบไปครู่ก็ตอบมาในน้ำเสียงต่ำลึกเช่นเดิมว่าไอตัวที่เราตามมาดูเหมือนจะหมอบดูพวกเราอยู่บนชะ ง, งนหินฝั่งขวามือห่างขึ้นไปไม่เกินหนึ่งร้อยหลานนี่เอง หงหญ้าเขียวสดที่เราเห็นไม่เกลียยเป็นทางราวกับใครมาลากท่อนสูงติดไฟขึ้นไปบางตำแหน่งยังลุกเป็นไฟอยู่เลยมาตรวัดกำมัตาภาพรังสีของคริสชี้บอกอัตรา ข, ขึ้นถึงหนึ่งร้อยเรนเกิลแล้วคีตสแตอลี่และเชิร์ดวูดอุทานออกมาพร้อมๆกันเอาอยัางไงบอกเร็วระพินสแตอลี่ระลำ่ำระลพูดวิทยุออกไป ความชื่นชมยิดีต่อภูมิประเทศบัดนี้หมดสิ้นประลาศนาการไปราวกับใครมากระชากวู้บไปหัวใจแทบจะหลุดไปอยู่ที่เท้าทุกคนหยุดอยู่กับที่ก่อนอย่าวเพิ่งเคลื่อนไหวสั่งหยุดลูกหาบและเรียกจันให้เข้ามาพูดวิธิยุกับผมด่วนเดี๋ยวนี้คราวนี้เขาพูดเร็วปรือเชิดวุดร้องบอกไปทางหัวหน้าลูกหาบที่กำลังเดินหงุดหงดกันอยู่ให้หยุดทันที ส่วนสตนลีย์หันไปกวากมือเรียกกลุ่มของเกิดเสรยและจันที่เดินคุมอยู่เบื้องหลังห่างออกไปราสิบหลาด้วยอาการร้อนรนพวกนั้นพอเห็นอาการเข้าก็เล่นปลาขึ้นมาทันทีหน้าตื่นยังไม่รู้เรื่องอะไรอะไรเร้อนายห้างมีอะไรหัวหน้าเดินทางส่งวิทยุให้จันทันทีรานใหญ่ต้องการพูด ก, กับจันด่วนพูด ก, กับเขาเร็วจันทำหน้าเลิกหลัก พอเชิดวุฒกระชากคอตวาดมาเบาๆอีกคนหนึ่งสมุนซ้ายของรัฟินจึงพูดกรอกลงไปในวิทยุมือถือนายนี่จันพูดจันเสียงหนักๆแต่ค่อนข้างเบาของรัฟินดังมานำพวกนายห้างและลูกหาาทั้งหมดตัดทางทางด้านซ้ายเดี๋ยวนี้เร็วที่สุดไม่ต้องเดินตามรอยฉันมาให้ตรงไปยังป่าสนตรงที่เห็นก้อนหินยอดแหลมๆเหมือนเจดีโอยู่3ยอดนั่นนะ่ะมองเห็นไหม จันหันมองและตอบว่าเห็นแล้วนายมีอะไรเหรอทางมันชันจะตายเดินลำบากไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นทางชันยังไงก็ลงไปให้ได้เดินไม่ได้ก็กลิ้งกันลงไปทำตามคำสั่งเดี๋ยวนี้พ่อนอนยืนขวางหน้าอยู่โน่นตัวแดงอย่างกระฐานไฟจันร้องออกมาคำหนึ่งอย่างตกใจสุดขีดเพราะสำเนีกในกระแ ส, สเสียงของเจ้านายได้ด้วยความคุ้นเคย รีบโบกมือต้อนพวกลูกหาให้ไต่ทางอันลาชันแต่ก็อุดมไปด้วยแก่งแง่หินโดยเร็วพร้อมทั้งร้องเร่งพวกเจ้านาให้ลงไปด้วยเรวเร็วเข้านห้างนแมมท่านาระพินบอกมาอย่างนี้ก็ช้าไม่ได้แล้วมีหวังตายโหงกันหมดเร็วเร็วเรวทุกคนขยับตัวพรึบทันทีบรรยากาศมันเปลี่ยนไปซะแล้วเสรยเกิดและจันตรงเข้าประกอบตัวคีเชิร์ดวูดและอิซาเบลคนละคน ช่วยประคองให้ตายลงข้างทางอย่างรีบด่วนเบลนั้นขณะที่ปีนป่ายลงก็ระล่าระลักถามออกไปอีกด้วยความเป็นห่วงว่าคุณอยู่ที่ไหนระพินแล้วคริสกับบุญคำละ่ะทั้งสองคนกำลังอาเจียนและวิงเวียนแต่ก็ยังพอมีกำลังที่จะตกตายลงไปได้ไม่ต้องห่วงทางด้านนี้ผมดูแลเองพวกคุณลงไปให้เร็วที่สุดก็แล้วกันตะวันใกล้เที่ยง ซึ่งสำหรับเช้าวันนี้ฉายแสงอ่อนเรืองผิดสภาพไปกว่าความแผดจ้าของทุกวันดูเหมือนจะหรีโรยแสงโลบไปอีกและแล้วบรรยากาศก็กลายเป็นร่มสลัวในฉับพลันเมื่อเมฆสีดำก้อนใหญ่เคลื่อนเข้ามาบดบงังกระแสลมเริ่มพัดแรงขึ้นและมีเสียงคล้ายๆฟ้าร้องมาแต่ไกลเหมือนฝนจะตกอยู่ยังอีกฝ้าของลูกขาสูงตระหง่านทิ่มขึ้นไปบนก้อนเมฆจันเกิดและเสย ทำหน้าที่ตามคําสั่งของพรานใหญ่อย่างดีที่สุดทั้งสาคุมขบวนลูกหาบและคณะเจ้านายทั้งสี่คนแยกตัดลงเนินล่าชันฝั่งซ้ายมือทันทีแต่เกียกตะกายเกาะแง่หินกันลงมาชนิดแข่งกับเวลาเดียไม่ฟังเสียงอะไรอีกทั้งสิน้นเพราะถือว่าคําสั่งคือคําสั่งทั้งหมดถลายลื่นบ้างกลิ้งลงไปตามเส้นทางอันลึกชันนั้นบ้างอยู่ในสภาพที่เรียกว่าชุลมุนทีเดียว แต่ก็ไม่ถึงกับมีอันตรายใดๆนักหรอกจากอาการถลอกปอกเปิงบ้างคนละเล็กคนละน้อยความเคยชินต่อสถานการณ์ทำให้แต่ละคนมีความคล่องตัวสูงและสามารถคุมขบวนช่วยเหลือกันได้เป็นอย่างดีประกอบกับสภาพของพื้นที่แม้จะล่าชันก็จริงแต่ก็ไม่อยู่ในลักษณะที่เสี่ยงอันตรายเกินไปนะักเพราะมีแก่งแง่ชะ ง, งอนตะพักให้เกาะไต่ลงมาตามลาดับชั้น รวมทั้งมีต้นไม้ประเภทสนขึ้นเป็นหลักสำหรับเกาะยึดไปทุกช่วงแม้ใครจะเสียหลักบ้างก็ยังพอจะถลาเข้าไปเกาะยึดเนียวพยุงตัวไว้ได้ชุดดึงลากจูงและประคองการลงมาจนกระทั่งถึงบริเวณโคกสูงของพื้นที่ปกกลุ่มไปด้วยพื้นหญ้าเขียวชะอุ่มราวกับปูลาดไว้ได้พรมในระยะเวลาอันรวดเร็วฉับไวที่สุดเสียงเหมือนฟ้าร้องนั่น แววสะเทือนตามคลื่นอากาศมาเป็นระยะระยะกลุ่มนายจ้างทั้ง4เพราะวัตภวังเมื่อลงมาถึงเนินหญ้านั้นพยายามจะแงนมองค้นหาขึ้นไปทางด้านบนและมีอาการเหมือนต้องการจะติดต่อวิทยุกับรพินหรือคริสอีกแต่จัน์ไม่ยอมให้เสียเวลาเลยไล่ตอนผลักสายให้กลุ่มนายจ้างทั้งสี่ไต่ลงเนินหญ้านั้นต่อไปเพื่อมุ่งลงหาไหล่เขาบริเวณป่าสนที่ค่อนข้างทึบ อันมีก้อนหินสีขาวลัสนาเป็นยอดปลายแหลมโผล่งอกสูงเด่นขึ้นมาสังเกตได้ชัดสามยอดอันเป็นตำแหน่งที่ระพินสั่งไว้เป็นครั้งสุดท้ายให้ทุกคนไปรวมกันอยู่ที่นั่นปากของจันก็ร้องเร่งอยู่ตลอดเวลาว่าโกโกซึ่งดูเหมือนเขาจะรู้ความหมายอยู่คำเดียวส่วนเกิดกับเซยททำหน้าที่ต้อนลูกหาโดยไม่ยอมให้ใครมัวล่าช้าอยู่เลยคู่ของอูธะและพระโต แม้จะเป็นกระเรียงดงแท้ๆแต่ความคล่องตัวก็ยังน้อยกว่าพวกลูกหาบของราพินที่นำมาจากหนองน้ำแห้งถูกทั้งสองผลักบ้างถีบบ้างกลิ้งลุ่นๆล้มลุกคลุกคลานไปพร้อมกับหีบลังวิทยุที่แบกอยู่ตามพื้นย่านอ่อนนุ่มนั้นและอย่าว่าแต่พวกลูกหาบที่แบกของเลยแม้สแตนลีย์คีตและอิซาเบลหรือเชิดบุตรเองก็ยังล้มกลิ้งกันคนละสองสาครั้ง ในขณะที่วิ่งหัวปักหัวปําลงมาตามเนินหญ้าลงไปสู่ไหล่เขานั้นโชคดีที่เป็นพื้นนุ่มและมีเนินซ้อนเนินเป็นที่คอยดักรับไว้เป็นระยะ ะ, ยะไม่ได้ลาดชันตลอดจึงไม่กลิ้งกันลงมาไกลนะสองสามทอดก็พอจะพยุงตัวลุกขึ้นมาใหม่ได้ข้าวของอะไรของใครพลัดตกหล่นก็เป็นหน้าที่ของปรานของรับฟินทั้งสช่วยตามเก็บติดมือมาให้ คนทั้งสามปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมแม้จะไม่มีระพินคุมอยู่ด้วยก็ตามเสียงอิซาเบลและคีตร้องรุ่นานอยู่ตลอดเวลาขณะที่แล่นหัวสุนลงมาประทะใครต่อใครที่ล่วงหน้าโลไปก่อนแล้วพากันล้มระเนระนาครั้งแล้วครั้งเล่ามันเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวให้เร็วที่สุดแข่งกับความตายซึ่งทุกคนย่อมสํานึกได้เป็นอย่างดีรายงานข่าวครั้งสุดท้ายของระพิน แม้จะฟังว่าเกือบจะปกติราบเรียบที่สุดแต่ความหมายของมันบ่งชัดถึงอะไรระดับกรมันตภาพรังสีที่เพิ่มขึ้นไปหน่วยหนึ่งร้อยอายางกระทานหันอาการอาจียนวิงเวียนที่เกิดขึ้นกับคริสและบุญคำลักษณะที่พรานใหญ่บอกว่าเห็นตัวพญามัจจุราชที่ไปดักรอหน้าอยู่ในระยะที่ไม่ห่างนะักนั่นคือวิกฤตการณ์ที่บ่งความหมายชัดเกินกว่าที่จะต้องมาเสียเวลาอธิบายอะไรกันมาก ยิ่งช้าเท่าไหร่ความหวังในการรอดก็น้อยลงแค่นั้นและยามนี้ขณะที่ทุกคนแล่นเตลดเิดเปิดเปิงแย่เส้นทางหนีกันลงมาก็ไม่มีอะไรบอกได้ว่าสามคนที่เดินไปเผชิญล่วงหน้าแล้วคือระพินบุญคำและคริสติน่าจะตกอยู่ในสภาวะเช่นไรและไอตัวไฟประลายกันซึ่งมีตอมนิวเคลียร์อยู่ในตัวของมัน จแล่นติดตามลงมาหยิบยืน่นมรณการให้แก่คณะหรือไม่ทุกคนอยู่ในลักษณะกระหืดกระหอบลนลานส่วนทางด้านระพินซึ่งก็มองไม่เห็นตัวกันเลยภายหลังเมื่อสั่งความกับจันแล้วก็ไม่มีเสียงของเขาหรือคริสแม้แต่บญคำแววออกมาจากเครื่องรับส่งวิทยุของพักพวกคนใดเบื้องหลังอีกเลยระหว่างที่กระเจิดกระเจินกันลงมานั้น ทั้งหมดเต็มไปด้วยความวิตกเป็นห่วงบุคคลทั้งสามจนบอกไม่ถูกคิดว่าอาจจะได้ยินเสียงไรเฟิลของราพินกะบุญคำหรือปืนยิงเร็วของคริสดังกึกกล้องขึ้นในวินาทีใดวินาทีหนึ่งอันหมายถึงความจำเป็นสุดยอดได้มาถึงแล้วแต่ก็ยังไม่ปรากฏว่าจะมีเสียงปืนลั่นขึ้นแม้แต่นัดเดียวระหว่างที่สมซานกันลงมานั้นมันมีแต่ความเงียบอันน่าพิศวงและเต็มไปด้วยปริศนา นอกจากเสียงลมแรงที่พัดอู้จนยอดสนภูเขาลู่รันเนนและเสียงฟ้าร้องคลางคลืนมาใกล้แสนไกลเท่านั้นครั้นแล้วชั่วไม่นานทั้งคณะโดยการนำของจันเกิดและเสยก็ตะลีตะเหลือกลงมาถึงป่าสนตำแหน่งหินลักษณะเหมือนเจดีสยอดนั้นจนได้ในลักษณะที่ต่างหอบกันจนตัวยโยนทุกคนอ้า ป, ปากหายใจแรง พวกลูกหาบถึงกับลงสุดนั่งแผ่รา้าแต่ฝ่ายนายจ้างคือหัวหน้าคณะคีธอิสซาเบลและเชิร์ดวุธกับพรานทั้งสามของราพินยืนพิงก้อนหินบ้างต้นสนบ้างหันหน้ากลับขึ้นไปยังยอดเนินอันแลเห็นเป็นทิวเหมือนมีกำแพงหินกั้นยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาซึ่งตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแน่นอนบนนั้นจะต้องเป็นบริเวณที่ทั้ง3คนประสบเหตุการณ์ เพียงแต่ยังกะบริเวณไม่ได้ชัดเท่านั้นว่าควรจะเป็นตรงไหนแน่สูงกว่าระดับนั้นขึ้นไปอีกก็เป็นชังนของเชิงภูเขาหินทมึนระเกะระกะไปหมดขณะที่หอบอยู่สแตนลี่ยกวิทยุขึ้นกดคีย์เรียกทีๆแล้วกระหืดกระหอบลงไปในไม้ประจำเครื่องเรียกระพินคริสบุญคำใครก็ได้ทั้งสิ้นได้ยินตอบด่วนเงียบกริบ อเมริกันอาวุโสกัดริมฝีปากแน่นเขาทวนประโยคนั้นในลนักษณะเกือบเป็นตะโกนอีกสองถึงสมครั้งผลก็ยังเป็นอยู่เช่นเดิมไม่มีเสียงของคนใดคนหนึ่งซึ่งล้วนมีวิทยุประจำตัวอยู่ทั้งสิ้นในขณะ น, นี้ตอบลงมาเลยมันเหมือนกับพวกเรานี่เอาตัวรอดมาตาลําพังป่านนี้สาคนนั่นเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไม่รู้สแตนลี่ลดวิทยุลงข่คมความเหนื่อยแทบจะหมดเรี่ยวแรงในขณะนี้ลง แล้วหันไปประกาศกับทุกคนที่แวดล้อมอยู่คีตตัดสินใจทันทีนั้นบอกเร็วปรืดว่าบ๊อกแกชันและจันสามคนย้อนกลับขึ้นไปดูพวกนั้นเถอะข้างล่างนี้ให้วุฒเบลและพรานอีกสองคนและพวกลูกหาบรออยู่ตรงนี้ก่อนบ้าถ้าจะขึ้นไปดูทั้งสามคนนั่นฉันต้องขึ้นไปด้วยเชิดวุฒร้องแทรกขึ้นมาบัดนี้ความเป็นห่วงระพินและคริสทาให้เขาลืมแม้กระทั่งความตาย ไม่มีเวลาที่จะมาต่อรองถกเถียงอะไรกันอีกแล้วสแตลลี่ร้องสั่งจันให้นำทางทันทีเพียงแต่สัญญาณชี้มือไปยังแนวโขดหินด้านที่สงสัยว่าฝ่ายของรากินควรจะอยู่บริเวณนั้นจันก็เข้าใจได้ฉวยไรเฟิลที่พิงต้นสนอยู่ขึ้นมาแล้วก้าวออกไตเนินตัดเฉียงขึ้นตามแนวซีกซ้ายมือโดยหลีกเลี่ยงทิศทางที่ใตแง่หินกันมาโดยตลอดไปเสีย เพราะมันคนละองคสา ก, กันกับที่ตกายลงมาต่กี้นี้สแตลลี่เชิร์ดวูดและคิดก็ไต่าทางตามหลังขึ้นไปยังท่อรหดอิ a เบลลนั้นขยับตัวจะตามขึ้นไปด้วยแต่ความเหนื่อยอ่อนหมดแรงทำให้หลอนครู่ตัวลงไปนั่งแปะอยู่กับพื้นหายใจทางปากแม้แต่เสียงที่จะร้องเรียกพักพวกก็ไม่อาจเปล่งผ่านลำคอออกมาได้เกิดกับเซยตรงเข้ามาประคองไว้แมมเบลเหนื่อยมาก ไม่ต้องขึ้นไปอีกแล้วคอยฟังข่าวพูดนั้นก็แล้วกันอยู่กับเกิดกับเสยตรงนี้แหละพรานเด็กหนุ่มทั้งสองช่วยกันปลุกปลอบใจและรั้งตัวไว้เมื่อเห็นว่าหล่อนพยายามจะยืนขึ้นให้ได้ขณะที่เห็นทั้งสามคนโดยการนําของจันทร์กําลังย้อนใต่เดินขึ้นไปอีกครั้งอย่างรีบเร่งท่านใดนั่นเองทุกคนก็สะดุง้งประสาททุกส่วนโชนชันขึ้นอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงตะโกนล่านของจันทเกิด ก, ก้องขึ้นว่า โน่นพี่คําประคองแมมคริสเดินลงมาโน่นแล้วฝ่ายที่กำลังไต่เนินยากาขึ้นไปทั้งหมดยุ่งงักเงยหน้าขึ้นทันทีระยะห่างสูงขึ้นไปประมาณ250รยห้าสิบหลาขนาดมองเห็นกันได้ถนัดภาพของคนสองคนกำลังเกาะแขนเดินโซเซกันลงมาตามแนวลาดของเนินหญ้าคนหนึ่งคือบุญคํามือขวาของระพินอีกคนที่มีแขนข้างหนึ่งกอดคอแกไว ใลักษณะพยุงกายอ่น อ, อนๆเปรีย้ยคือคริสติน่าคนทั้งคู่กําลังเดินตรงบ่ายหน้าเข้ามายังตําแหน่งพักของพักพวกทุกคนในขณะนี้ในสภาพที่แม้จะมองเห็นแต่ไกลก็รู้ว่าสะบักสะบอมอิดโรยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสซึ่งมีอาการเหมือนคนป่วยดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะมองเห็นพักพวกที่กําลังนั่งพักกันอยู่และกําลังจะวิ่งสวนขึ้นไปเช่นกัน บุญคำทำอาการโบกมือครั้งหนึ่งเหมือนจะบอกให้พวกนั้นรออยู่ตรงนั้นเพราะกำลังเดินลงไปอยู่แล้วแต่สแตนลีย์เชิร์ดวูดคีตและจันกลับยิ่งเร่งฝีเท้าขึ้นไปพร้อมทั้งตะโกนสุดเสียงทั้งทางปากเปล่าทั้งทางวิทยุว่าเป็นยังไงบ้างระพินอยู่ไหนโดยปกติแล้วถ้ามีวิทยุอยู่ในตัวซึ่งน่าจะมีเพราะทั้งบุญคำและคริสก็ติดตัวกันอยู่คนละเครื่อง ก็น่าจะตอบลงมาแล้วส่วนการจะใช้เสียงตะโกนนั้นระยะขนาดนี้ไม่ได้ยินแน่และเสียงวิทยุจากทั้งสองก็ไม่ได้แววลงมาเลยคงเห็นแต่อาการของบุญคําที่โบกไม้โบกมือทําสัญญาณให้สงบรอกันอยู่ที่เดิมวิทยุของทั้งสองคนนั่นอยู่ไหนทําไมถึงไม่ใช้วิทยุตอบเราขณะที่ยังวิ่งตะกายกันขึ้นไปเท่าที่กําลังจะมีอยู่ได้สแตลลี่ร้องเสียงหลงทุกคนเต็ไมไปด้วยความแปลกใจ ชั่วไม่เกี่อืดใจและโดยครึ่งทางฝ่ายหนึ่งถลายลื่นตุปัดตุเป๊กันลงมากับอีกฝ่ายที่พลูกันขึ้นไปทั้งสองฝ่ายก็เข้าถึงตัวกันคริส ป, ปล่อยแขนที่เกาะลหลบุญคำไว้ถลายอย่างหมดแรงเข้าไปที่คีดซึ่งกางแขนออกประคองรับไว้ได้ลักษณะของหล่อนเหมือนคนกำลังเป็นลมส่วนบุญคำพอพบ ก, กับพักพวกครึ่งทางแกก็หมดกาลังหัวสุวนลงทาท่าจะกลิ้งลงมาตามพื้หญ้า เธอรุดดักไว้ได้เหมือนดักลูกรักบี้แล้วทั้งสองก็ถูกประคองให้นอนแผ่อยู่บนเนินหญ้าตรงนั้นชั่วขณะพร้อมกับเสียงร้องถามฟังไม่เป็นสับเร็วปรือจาก พ, กพวกที่ขึ้นไปรับคริสนั้นยังพูดอะไรไม่ออกหน้าของหลอนซี่จนเขียวริฟิปากแห้งผากพลิกตัวจากอ้อมแขนประคองของคิดคว่ำหน้าลงกับพื้นหญ้าแล้วอาเจียน ข, ขยักขย่อนไม่มีอะไรออกมาอีกแล้วนอกจากลม ส่วนบุญคำนอนหงายแผ่ร้ายอยู่ในวงแขนของเชิดวุฒิหน้าของแกดูเหมือนคนถูกผีหลอกเสียงอุบอับอุบอับอยู่ในลําคอฟังไม่เป็นภาษาคนไม่สามารถจะเค้นออกมาได้ในขณะนี้ว่าระพินไพรวันอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างและสภาพของทั้งสองก็บอกไม่ได้ว่าเป็นเช่นไรสองสามครั้งที่แต่เท่าบุญคำพยายามจะลุกขึ้นมาคลานแต่แล้วก็หัวทิ่มลงอีก เมือนคนเมาเหล้าขนาดหนักเวียนหัวอยากอ้วกแกอุทานกระท่อนกระแท่นออกมาได้แค่นั้นก็เม้มปากหลับตาลงเอามือกุมหน้าท้อนที่ขย่อนเป็นระลอกสแตนลีย์ปลดวิทยวออกมาจากเอวอีกครั้งเรียกลงไปข้างล่างทันทีเบลได้ยินค่ะอาจารย์เตรียมเครื่องปฐมพยาบาลด่วนเดี๋ยวนี้เกี่ยวกับกำมัตราภาพรังสีโดยเฉพาะออกซิเจนด้วย จัดการเดี๋ยวนี้เอาทั้งสองคนลงมาทันทีเร็วที่สุดเสียงเบลล์ระรําระลักมาเร็วปรือเดินไม่ต้องนัดกันไว้เลยเชิร์ดวุฒกับจานเข้ามาหาาบุญคำร่องแร่งพากระเดินลงไปส่วนคีสซึ่งรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงอยู่แล้วอุ้มคริสตินาไว้ในอ้อมแขนนำเดินไต่ตามลงมาทันทีเหลือแต่เพียงดตรสเตนลีย์ซึ่งยังตัดสินใจอย่างไรไม่ถูกง้นมองขึ้นไปด้านบน เพราะเขายังไม่ได้ขาดใดๆของราพินเลยจากบุคคลทั้งสองแต่แล้วก็ตัดสินใจเด็ดขาดที่จะไต่ขึ้นไปตามลำพังคนเดียวขณะนั้นเสียงเบลก็วิทยุกล้องขึ้นมาอาจารย์อย่าขึ้นไปลงมาเดี๋ยวนี้ฉันจะขึ้นไปดูราพินเขาตอบลงไปอย่างมั่นคงในน้ำเสียงที่สุดอาจารย์จะขึ้นไปยังไงคนเดียวเราช่วยคนที่รอดลงมาได้ก่อนเถอะถามได้ความหมายว่าระพินอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าสองคนนั่นยังพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยสักอย่างฉันคิดว่าเขาคงได้รับอันตรายกว่าสองคนนี้มากทีเดียวถ้างั้นรอเกิดกับเสยก่อนฉันจะส่งพรานเด็กหนุ่มสองคนขึ้นไปเป็นเพื่อนอาจารย์ขึ้นไปคนเดียวโดยไม่รู้อะไรมาก่อนแบบนี้ไม่ได้เสียงของเบลดังกล้องและเฉียบขาดออกมาจากลําโพงวิทยุเล็กในมือของหัวหน้าคณะนะเป็นผลให้สแตนลีย์ช่างใจคิดหันกลับลงมาทางเบื้องหลังเห็นทั้งบุญคําและคริส กำลังถูกลำเลียงตามเนินภูเขายญ้าตรงไปยังที่พักชั่วคราวของคณะและตามลงใบเบื้องล่างก็เห็นเกิดกับเสยกกำลังไต่เดียะตามเนินหญ้าเขียวขึ้นมาอีกคู่หนึ่งจึงทำให้ต้องรีรออยู่ก่อนบุญคำนั้นพอเชิดวุฒกับจานช่วยกันหามร่องแรงลงมาได้หน่อยนึงแกก็พลิกตัวดิ้นแรงแสดงว่ายังพอมีกาลังอยู่่อห้คาเหอะไอคายังพอมีแรง นายทหารไปช่วยดูแมมคริสดีกว่าแกอ้วกจนไม่มีอะไรจะอ้วกแล้วแล้วแกก็ดิ้นหลุดจากการหามหัวหามท้ายของเชิดวุดและจันทร์หลนตูบลงกับพื้นมาคลานสี่ขาเชิดวุร้องบอกให้จันร์ช่วยดูแลด้วยตัวเขาแล่นทลาเข้าไปที่คิดซึ่งกำลังอุ้มคริสติน่าเซหลุนหลุนลงมาเนื่องจากที่เทลาดและหลักไม่มั่นพอจึงช่วยประทะยันรับไว้อีกคน คีตช่วยกันหามลงไปก็แล้วกันสองคนนายกับฉันขืน อ, อุ้มลงไปแบบนี้เดี๋ยวได้ล้มกลิ้งไปคอหากเลยกันทั้งคู่หรอกนายพันตรีแห่งกองทัพบกไทยร้องบอกคีตเองก็เหนื่อยจนตาปริ้นวางร่างกายส่วนล่างของคริสลงเชิดวูดเข้ามาควาข้อเท้าทั้งสองไว้และวทั้งสองก็ช่วยกันหามแม่ผมทองตุปัดตุเป๊ ก, กันลงมาซึ่งก็ยังดีกว่าที่จะให้คีตอุ้มลงมาคนเดียวในที่ลาดชันและค่อนข้างลื่นนั้น ส่วนบุญคำตอนนี้พยุงตัวขึ้นมายืนได้แล้วกอดคอจันไว้ยึดเป็นหลักเดินกระย่องกระแย่งลงมาแก้อ้าปากหายใจห้าภาคแล้วสายหน้าไปมาเชิงบอกไม่ให้จันซักถามอะไรแก่ก่อนทั้งสิ้นเนื่องจากยังพูดไม่ออกทุกสิ่งทุกอย่างในสายตาและความรู้สึกของพวรพวกทุกคนไม่ว่าจะฝ่ายที่วิ่งสวยขึ้นไปรับหรือฝ่ายที่จับกลุ่มจ้องเขม่งมองกันอยู่ข้างล่าง ล้วนเต็มไปด้วยปริศนาไปหมดอันเนื่องจากยังสอบถามไม่ได้ความเลยว่าขณะนี้ระพินอยู่ที่ไหนและเหตุใดทั้งสองจึงโซซัสโซเซกันลงมาเพียงแค่สองคนวิทยุและปืนประจำมือหล่นหายไปหมดและ 99% ปเซน์ทุกคนคิดไปในทางร้ายทั้งสิน้นสแตนลีย์เองขณะนี้ก็แทบบ้าเพราะไม่สามารถเข้าใจะอะไรได้เนื่องจากถึงจะพบแล้วสองคนรอดชีวิตมาได้ ก็ยังถามอะไรไม่รู้เรื่องท่าทางย่ำแย่ด้วยกันทั้งคู่เกิดกับเซยรวดเร็วฉับวายสมกับความหนุ่มชะกันบัดนี้ทั้งคู่พุ่งปราดปลายขึ้นมาราวกับเสือดาวแล่นขึ้นที่ราบสูงสวนตรงเข้าไปหาด็อเตอร์สแตนลีย์ตาคำสั่งของเบลในช่วงไม่กี่อึดใจอเมริกันอาวุโสกำลังนั่งคุกเข่ารออยู่ก่อนแล้วตาสีฟ้าจ้องแนวนิ่งขึ้นไปด้านบน มันเป็นบริเวณทุ่งหญ้าป่าสนอีกระดับชั้นหนึ่งที่มีระดับสูงขึ้นไปโดยมีแนวหินขึ้นเป็นทิวกั้นไว้ระหว่างที่พรานหนุ่มทั้งสองของรอฟฟีมาซุดตัวอยู่ใกล้ๆนายห้างกลับลงไปดีกว่าให้เกิดกับเสรีสองคนขึ้นไปดูพรานใหญ่เองเกิดพูดขึ้นหอบๆสเตอร์ลีสันส่นศีรษะมือตบหลังเด็กหนุ่มทั้งสองทุกคนไม่มีใครอยากเสี่ยงชีวิตทำไมจาเป็น แต่ครั้งนี้จําเป็นมากราพินกําลังอยู่ในระหว่างอันตรายฉันจะต้องขึ้นไปค้นหาเขาด้วยตัวเองเพราะอย่างน้อยฉันก็ยังพอรู้วิธีที่จะช่วยเขาเฉพาะในเรื่องนี้ได้ดีกว่าเกิดกับเสยออาล่ะสองคนชํานาญทางดีกว่าฉันนําขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาใดๆสําหรับพรานหนุ่มคู่ใจของราพินทั้งสองไต่นําหน้าขึ้นไปก่อนทันทีสแตนลีย์ตามติดๆทั้งสเดินขึ้นไปในลักษณะโน้มกายไปเบื้องหน้า เพื่อฝืนต่อความเท ล, ลาดของสถานที่และแรงดึงดูดของโลกบริเวณนั้นมันไม่เอียงชันจนเกินไปนะและห่างขึ้นไปอีกเพียงไม่เกิน20สบหลาก็จะถึงไหล่ทางด้านบนอันจะทำให้มองเห็นภูมิประเทศบนนั้นได้ถนัดตาขึ้นรู้สึกว่าจะมีกลิ่นหญ้าและใบไมส้สดๆถูกไฟเผาโชยมาสัมผัสจมูกและบนท้องฟ้าที่สูงขึ้นไปยังตาแหน่งด้านบนนั้น ก็สังเกตเห็นกลุ่มควันบางส่วนลอยขึ้นเบื้องบนแต่ถูกกลมพัดกระจัดกระจายไปทั่วเหมือนมีใครเผาต้นไม้ใบหญ้าแม้จะไม่หนาทึบมากมายนักก็ตามเกิดและเสยชี้ให้หัวหน้าคณะดูทันทีมีต้นหญ้าต้นไม้ถูกไฟไหม้อยู่ข้างบนในห้างสแตนลีย์มีสีหน้าวิตกเห็นชัดหน้าผาของเขาย่นและเครียดเต็มที่ แล้วพินคงไม่เผาญาติล่ไอตัวนั้นแน่ๆใช่ไหมทั้งสองคนรู้สึกยังไงบ้างร้อนผิดปกติไหมทั้งคู่สั่นศีรษะก็ธรรมดานายห้างไม่รู้สึกร้อนผิดปกติอะไรเกิดและเสยตอบตามความรู้สึกแท้จริงไม่รู้คริสเอาเครื่องวัดไปทิ้งไว้ซที่ไหนแล้วตอนสวนลงมากับบุญคำสองคนเมื่อครู่นี้ก็ไม่เห็นติดมืออยู่ด้วย เขาพืมพรมเหมือนจะกล่าวกับตนเองและไต่สูงใกล้ไหลเนินขึ้นไปเป็นลำดับด้วยสติสัมปชัญญะที่พร้อมมูลสำหรับพรานเด็บหนุ่มของราพินทั้งคู่ไม่มีอะไรจะต้องลังเลเลยพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับภัยพิบัติได้เสมอทุกรูปแบบแม้แต่ความตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเจ้านายของเขาซึ่งกลายเป็นปริศนาอยู่ในขณะนี้ ทางด้านล่างริมป่าสนใต้ก้อนหินอันเป็นตำแหน่งพักชั่วคราวของคณะเชิดวุฒิคีตและจันนำเอาคริสติน่าและบุญคำลงมาถึงแล้วอย่างเร่งด่วนที่สุดเบลเองก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วอาการเหน็ดเหนื่อยของแพทย์สาวประจําคณะแทบจะสลายไปหมดสิน้นเมื่อถึงนาทีวิกฤต จ, จําเป็นเร่งด่วนเข้ามาแทรกซ้อนรอนสั่งให้คีตกับเชิดวุฒิทาหน้าที่ผายปอดให้บุญคำและบอกให้แกนอนสงบนิ่ ง, งอยู่ก่อน โดยให้สูดลมหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าออกลึกๆเพราะสังเกตเห็นว่าบุญคำมีอาการไม่น่าวิตกกเท่าไรนะส่วนแม่เพื่อนสาวผมทองซึ่งเห็นชัดว่าปวกเปียกอิดโรยผิดปกติไปมากหลอนปลาดตรงเข้าไปตรวจ ด, ดูด้วยตนเองพร้อมเครื่องมือทันทีคริสหรือไลล่าอามิเต็ดขณะนี้นอนหายใจระรวยดวงตารีโรยหน้ายังซีดปราสจากสีเลือดอยู่เช่นนั้น อัตราชีพจรเต้นทีเร็วกระสับกระส่ายเหมือนจะหายใจไม่สะดวกก่อนอื่นเบลเอลฟาครอบพลาสติกของเครื่องช่วยหายใจขนาดจิ๋วสําหรับใช้ในยามฉุกเฉินครอบที่จมูกทันทีหายใจลึกๆที่รักเธอเหนื่อยและตกใจมากคงไม่เป็นอะไรมากหรอกฉันตรวจดูแล้วไม่มีร่องรอยอันตรายใดๆจากสภาพผิวหนังภายนอกเลยหล่อนกระซิบบอกเร็วปรือ คริสหลับตาลงหายใจอยู่ในครอบหน้ากากของออสเดนมือทั้งสองซึ่งมีสภาพคล้ายๆเป็นตะคริวอยู่ในลันกษณะกำแน่นเกือบจะเกรง็งเบลเตรียมฉีดยาพิเศษไปก่อนแล้วดูเหมือนจะเกี่ยวกับในเรื่องนี้โดยตรงใช้สำลีชุบกอฮอ์เช็ดปราดปราดไปที่ท้องแขนข้างหนึ่งแล้วเสือกปลายเข็มค่อยๆเดินตัวยาขนาดไม่เกิน 3-4 สซีซีเข้าไปอย่างช้าๆ พอถอดออกก็ก้มลงกระซิบว่าเอาละ่ะนอนพักนิ่งๆก่อนเดี๋ยวคงดีขึ้นเองแล้วเบลก็พลาหันขวับไปทางบุญคำซึ่งยังนอนท้องขแมวลืมตาพลงหายใจสิโครงบานอยู่อาการของแกดูจะไม่เป็นอะไรมากนะแต่หลอนก็จะ ก, การฉีดยาชนิดเดียวกับที่ให้กับคริสให้เช่นกันการช่วยเหลือคนเจ็บทั้งสองชุลมูลแข่งกับเวลาโดยมีเชิญวุดและคีิเป็นผู้ช่วย แต่ก็ดำเนินไปได้อย่างไม่มีอะไรคลุกคลักหรือมัวแต่งเง้เงาอยู่มันหมายถึงทีมงานที่สามารถประสานร่วมมือกันได้เป็นอย่างดีจากประสบการณ์เคยชินระหว่างปล่อยให้นอนพักเพื่อรอดูอาการของทั้งสองอยู่เบลสั่งไม่ให้คีดหรือเชิดวูดเข้าไปรบกวนสอบถามอะไรบุญคาหรือคริสตินาก่อนทั้งสิน้นทุกคนต่างมองขึ้นไปด้านบนซึ่งเห็นหัวหน้าคณะและพรานเด็กหนุ่มทั้งคู่พากันไต่ขึ้นไปยัง สักพักของเดินชั้นบนที่ห่อกันลงมานั้นแล้วก็รับมุมทิวโคทินหายขึ้นไปด้วยใจอันเต้นระทึกเปิดเครื่องวิทยุรับส่งไว้พร้อมที่จะสะดับฟังข่าวขณะนั้นเองคริสตินาผู้นอนดมออสเตนอยู่ก็ถอดที่ครอบพลาสติกบนจมูกออกค่อยๆ ย, ยันกายขึ้นมานั่งเบลคีดและเชิร์ดวุฒ์ก็ทลานเข้าไปล้อมรอบกายทันทีเขาอยู่บนนั้นไม่รู้เป็นยังไงบ้าง ระหว่างสั่งให้บุญคำเอาฉันวิ่งหนีลงมาแม่นักเคมีฟิสิกส์สาวพูดออกมาได้เป็นประโยคแรกเสียงแหบแห้งคริสตอนนี้เธอรู้สึกเป็นยังไงบ้างทั้งสามถามขึ้นเป็นเสียงเดียวโดยเฉพาะเบ ล, ลจับไหลไว้ยังเพลียๆอยู่แต่ดีขึ้นมากแล้วเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายเป็นยังไงก่อนที่เธอกับบุญคำจะพากันวิ่งลงมาคริสถามอย่างกระวนกระวาย เราพบมันกระทันหันเรือเกินไม่ทันรู้ตัวเลยหล่อนบอกอยังยากเย็นทีแรกก็เดินตามรอยของมันไปตามปกติมาดวัดก็บอกอัตราปกติไม่เกิน50าอาตลอดพอรับมุมของโขดหินก้อนใหญ่เท่านั้นรู้สึกเวียนหัวคลื่นไส้ขึ้นมาอย่างกระทันหันมาตรวัดขึ้นเป็น100่อามองออกไปทางด้านทุ่งหญ้าขวามือเราเห็นพื้นหญ้าเขียวสดดำกลิ่นเป็นทาง ห่างออกไปเล็กน้อยมีไฟลุกติดเป็นแนวออกไปบางช่วงเหมือนใครเอาเบนซินไปราดแล้วจุดไฟให้ลุกเผาหญ้าสดเปลวไฟไม่มากนะักแต่มันก็เป็นเปลวลุกใกล้ออกไปอีกบนเชิงน่อนหินที่เรามองตามแนวทางนั้นยืมฝั่งขวามือของเราเราเห็นมันชะเง้อคอมองเรานิ่งๆอยู่ในระหว่างซอกหินบริเวณ น, นั้นระยะไม่ห่างนักตอนนั้นแหละที่ฉันเริ่มอาเจียน เขาวิทิวออกไปยังพวกราธิตามมาข้างหลังแล้วก็ให้บุญคำเอาฉันวิ่งตัดเข้าหาไหลทางซีกซ้ายมือให้เร็วที่สุดฉันวิ่งไปอาเจียนไปอากาศตรงนั้นเหมือนไม่มีพอจะหายใจได้ปืนกับเรดิเอชันเซอร์เว e ร์มิเตอร์พลัดตกจากมือฉันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้บุญคำเองก็ปืนหลุดมือเสียงเขาตะโกนไล่มาไม่ให้เราทั้งสองคนสนใจอะไรอีกให้หนีโดยเร็วที่สุด ไม่ยอมให้เราเสียเวลาแม้แต่จะเก็บของที่หล่นอยู่คริสหยุดเอามือกุมขมับอาการคลื่นเหียนวิงเวียนดูเหมือนจะมีร่องรอยเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยแล้วเขาล่ะระพินเชิร์ดวูดถามเกือบจะเป็นเสียงตะโกนคริสสั่งศีสะฉันไม่รู้บอกแล้วว่าเห็นเขาครั้งสุดท้ายยืนอยู่ริมทางเลื้อยไปของมันตรงที่กอหญ้าลุกเป็นไฟย่อมหนึ่งแล้วตะโกนไล่มา บุญคำเป็นคนกระชากฉันจนเกือบทุกอย่างที่ติดตัวอยู่หล่นหมดหลอนหลุดปากออกมาด้วยกาการเหมือนสำลักมาดวันครั้งล่าสุดก่อนที่เขาจะสั่งให้หนีเธอสังเกตรหรือเปล่ามันขยับมากขึ้นไปกว่าหนึ่งรเริ่นเก้นหรือเปล่าเบลซักเร็วปรี๊มันอยู่ในระหว่าง8 0ถึงร้อยนี่แหละไม่ได้มากไปกว่านั้น แต่อันตรายขนาดนั้นทั้งฉันและบุญคำก็แทบล้มทั้งยืนแล้วจากรังสีกัมมันตภาพสังเกตไหมเขามีอาการอย่างเธอหรือบุญคำหรือเปล่าคิดยิงคำถามซ้อนมาชนิดแทบไม่ยอมให้หลอนทันหายใจฉันไม่รู้ตอนนี้ดูเหมือนคริสติน่าจะตอบได้ซ้ำๆแค่ประโยคเดียวนายพันเอกแห่ง U.S.Army ช่วียววิทยุที่ตั้งอยู่ตรงขึ้นมากรอกคำพูดลงไปเกือบจะตะโกนว่า บ๊อบระวังกัมมันตภาพถ้าพบระพินใกล้ๆพอจะเอาตัวลงมาได้ก็เอาลงมาเร็วที่สุดแต่ถ้ายังไม่พบไม่ต้องค้นกลับลงมาก่อนแกต้องสวมชุดป้องกันรังสีอันตรายก่อนที่จะค้นหาเขาห่างไกลออกไปได้ยินไหมได้ยินตอบมาด้วยทุกคนที่อยู่เบื้องล่างเริ่มใจหายอีกครั้งเมื่อไม่มีเสียงตอบใดๆลงมาจากอเมริกันหัวหน้าคณะนะที่หายขึ้นไปด้านบนนั้นมาให้ได้ยิน ต่างหันมองหน้ากันลอกแลกแต่แล้วอึดใจใหญ่ต่อมาทั้งหมดก็พวากขึ้นด้วยอาการตื่นเต้นเมื่อมีเสียงชัดเจนแต่เล่าร้อยของสเตนลีย์ดังก้องออกมาจากลําโพงจิ๋วของวิทยุมือถือว่าเราพบปืนวิทยุมือถือของคริสกับบุญคําที่ตกอยู่แล้วและพบมาตรวัดรังสีที่ตกอยู่ใกล้ๆกันด้วยแต่ยังมองไม่เห็นเลยว่าระพินอยู่ที่ไหนคริสติน่าและเบล รวดเข้ามาที่คีดผู้กำลังถือวิทยุอยู่ในขณะนี้ทันทีในขณะที่บุญคำผู้นอนประสานมือนิ่งอยู่บนหน้าอกก็ผวาลุกขึ้นหน้าตื่นเลิกลักทั้งสองฝ่ายใช้ภาษาของพวกตนเองในการพูดติดต่อแกจึงฟังไม่รู้เรื่องเชิดวุฒอธิบายให้ทราบโดยเร็วแกคลานเข้ามาล้อมวงอยู่ด้วยได้ยินที่ฉันพูดขึ้นไปก่อนเมื่อตกี้นี้ไหมบ๊อคีดถามเร็วปรือต่อไป ได้ยินแต่กำลังเดินตามเก็บของอยู่เลยยังไม่ได้ตอบมาในทันทีเสียงวิทยุติด ต, ต่อทำงานได้ดีมากชัดเจนปกติเหมือนเดิมเสียงตอบลงมาในสภาพเดียวกันพบ r ร d i a t i o n Survey m ม t e ตอร์แล้วใช่พบของทั้งหมดที่ทั้งคริสและบุญคำทำตกไว้บริเวณนั้นก่อนอื่นให้ตรวจสอบมาดวัดเดี๋ยวนี้รังสีกัมมันตภาพอยู่ในระดับไหน คีดกรอกคำพูดลงไปชนิดแทบไม่หายใจเงียบไปครู่ใหญ่ด็อคเตอร์สแตนลี่ก็ตอบลงมาด้วยน้ำเสียงยังเต็มไปได้วยความตื่นเต้นประหลาดใจว่าแปลกที่สุดมาตรวัดตัวเลขเป็นศูนย์ไม่มีแรงสีกัมมันตาภาพเหลืออยู่อีกเลยมาตรวัดก็ไม่ไดสีอะไรทดสอบแล้วยังสามารถทำงานได้ปกติทุกอย่าง what มันจะเป็นไปได้ยังไง คริสร้องแหลมกระชากวิทยุจากมือของคิดไปทันทีอาการของหล่อนขนาดนี้แทบจะเป็นปกติแล้วจากสภาพที่รอดแรกใกล้จะสลบอยู่เมื่อครู่นี้เสียงของหล่อนรัวเร็วว่าอาจารย์แน่ใจหรือเ้าว่าเครื่องไม่เกิดอาการชํำรุดขึ้นแน่ใจไม่ชํำรุดเราตรวจสอบเครื่องมือได้และกาลังตรวจสอบอยู่เดี๋ยวนี้ไฟสัญญาณทุกประเภทมาตรวัดอัตราอื่นทางานปกติ แต่ไม่ชี้บอกในด้านรังสีของกรรมันตาภาพเลยเป็นศูนย์จริงๆและบรรยากาศบนนี้ขนาดนี้ก็ไม่มีความรู้สึกว่าจะเป็นพิษใดทั้งสิน้นเพียงแต่ว่ามีกระแสลมพัดเย็นแรงและมีสภาพเหมือนจะเป็นลมหมุนขาดประโยชน์สุดท้ายของหัวหน้าคณะทางด้านล่างก็สัมผัสได้กับเสียงวีดวิวของลมประหลาดลาักษณะทำท่าคล้ายจะเป็นพายุม้วนตัวหมุนลงมา สัมผัสผิวกายเย็นเฉียผิดปกติทิวสนแม้แต่ยอดหญ้าม้วนหมุนไปหมดตามกระแสลมหมุนในลักษณะม้วนตัวนั้นเมฆดำจากเบื้องบนเองก็ปรากฏให้เห็นชัดถึงอาการหมุนชนิดนี้ปิดบังแสงตะวันไว้หมดสิน้นอากาศครึ้มสลัวลงไปอีกราวกับเป็นเวลาใกล้ค่ำทั้งทางที่ขนาดนั้นมันเที่ยงตรงฟ้ายัางคงลั่นคืนครานอยู่เช่นนั้น แต่ก็ยังแววมาแต่ไกลสังเกตเห็นรอยทางเลื้อยไหม้ไปในทุ่งหญ้าไหมคะบางแห่งมันมีเปลวไฟติดอยู่ตอนที่เราพบกันในครั้งแรกเมื่อ1ิบนาทีที่ผ่านมาหล่อนถามโดยเร็วต่อไปทุกคนเงี่ยหูฟังคำตอบและบุญคำซึ่งตอนนี้ก็เกือบจะปกติเรียบร้อยดีแล้วเท่าๆกับคริสชะโงกหน้าเข้ามาใกล้คอยสกิดให้เชิดวุแปลให้แกฟังตลอดเวลาว่า ถ้าสองฝ่ายโต้อตอบกันอย่างไรเห็นเห็นชัดทีเดียวแต่เปลวที่ว่าลุกติดนั้นตอนนี้ดับหมดแล้วมีแต่รอยไหม้ดำเป็นขี้เท่าเท่านั้นแต่เราไม่เห็นระพินเลยแม้แต่ร่องรอยของเขาสักนิดเดียวสําหรับเป้าหมายตัวการสําคัญที่ระพินกับเธอและบุญคําเห็นอยู่ตรงไหนเบอร์เชงก้อนหินไม่สูงมากนะักเยื้งประมาณ30บ องศาซ้ายมือของริมทางที่เดินกันมาใช่ไหมเป็นลักษณะชั ง, งอนแรกของภูเขาหินล้วนถูกต้องค่ะตำแหน่งนั้นแหละที่มันขึ้นไปหมอบอยู่พอเราหันไปพบก็เชเงื้อคอขึ้นการโต้อตอบอย่างฉับไวระหว่างนี้เป็นระหว่างคริสกับสเตนลี่เท่านั้นถ้างั้นถูกต้องเรามองเห็นได้ง่ายอยู่แล้วจากรอยไหมเป็นทางเห็นชัดไปที่นั่นหางไม่มากเลย ขอเวลาสักอึดใจฉันกำลังใช้กล้องสองทางไกลสำรวจอยู่ทุกคนข้างล่างเงียบกริบรอคอยอยู่อย่างกระวนกระวายใจประมาณ2อถึงอึดใจเสียงสแตนลีย์ก็ดังออกมาจากเครื่องรับส่งชนิดมือถืออีกเห็นแน่นอนแล้วว่าตำแหน่งนั้นแน่จากรอยไม้เป็นเส้นทางขึ้นไปที่นั่นแต่ตอนนี้เราไม่เห็นอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป้าหมายอันตรายนั้นหรือตัวพรานใหญ่ของเรา เราสามคนตัดสินใจกันว่าจะเดินตามรอยเข้าไปยังตำแหน่งนั้นและใช้มาตรวัดกำมันตาภาพตรวจสอบรังสีอันตรายพร้อมไปด้วยทุกระยะทุกคนรออยู่ก่อนและฟังข่าวมีอะไรคืบหน้าจะบอกมาทุกระยะคริสหันขวบมามองพภาคขั่วที่รวมกลุ่มกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นคีดเบลเชิร์ดวุฒจันท์และบุญคำอันเป็นกลุ่มที่เข้ามารุมล้อมเครื่องวิทยุรับส่งอยู่ในขณะนี้ ส่วนพวกลูกหาบนั่งหูพึ่งจับเจ้ากันอยู่เป็นกระจุกซีหน้าของแต่ละคนไม่อาจบรรยายได้ถูกมันเต็มไปด้วยความพร่านใจวาดสยองและพิศวงสงสัยก็ไปหมดนอกเนือไปกว่า น, นั้นก็คือความกระสับกระส่ายบุญคำพอจะมีแรงไหมเราย้อนกลับขึ้นไปสมทบกับพวกนั้นอีกครั้งเอถอดตาทะพรานเท้าเฮียกหน้าขยับจะลุกขึ้นยืนอย่างว่องไวแต่ทั้งคีตและเบล ตกครุบไหลบุคคลทั้งสองไว้คนละคนกดให้นั่งลงตามเดิมโน no. หมอเบลร้องลั่นเฉียบขาดสั่นศีษะทั้งสองคนไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับขึ้นไปเป็นอันขาดนอกจากพักอยู่ที่นี่ไม่ตายลุกขึ้นมานั่งได้นี่นะโชคดีเท่าไหร่แล้วยังจะย้อนกลับขึ้นไปอีกหรือและอาจารย์ก็ไม่ได้สั่งให้ใครตามขึ้นไปเลยถึงเชิดวกับคีดก็เหมือนกันไม่ต้องตามขึ้นไปรอฟังข่าวอยู่ที่นี่แหละ อาจารย์รู้ดีว่าควรจะตามไปได้แค่ไหนอย่างไรเขาเป็นหัวหน้าเราและทุกอย่างเขาก็ชำนาญกว่าพวกเราทั้งนั้นในเรื่องกรรมนิภาพรังสีบทจะถึงคราวคับขันจำเป็นขึ้นมาจริงๆออสเซเบลก็เป็นคนมีเหตุผลและตัดสินใจได้ดีเยี่ยมคนหนึ่งคำพูดของหลอนทำให้ทุกคนแม้กระทั่งเชิดวุฒคีตและจันที่กาลังมีความคิดว่าจะย้อนกลับขึ้นไปสมทบกับฝ่ายของแตลีย์ ต้องระ ง, งับชะ ง, งักงานอยู่แค่นั้นแต่ก็อยู่ในสภาพกระสับกระสายเต็มที่เบลสั่งให้คริสติน่าดมออสเทนต่อไปและลงนอนนิ่งๆไปก่อนแต่ฝ่ายไม่ยอมบอกว่าบัดนี้ตัวเองบรรเทาลงเกือบจะเป็นปกติดีแล้วเหลือไว้แต่ความเป็นห่วงบุคคลทั้งสามที่บุกตามขึ้นไปและพรานนำทางสำคัญซึ่งสภาพของเขาบัดนี้เหมือนจะสูญหายไปจากโลกนี้แล้วอย่างอัศจรรย์ที่สุด ขณะ น, นี้เรากำลังเดินตามเส้นทางเลื้อยของสัตว์ประหลาดไปเสียงด็อร์สแตนลีย์รายงานมาเป็นระยะระดับน้ำเสียงห้าวต่ำเป็นปกติลงแสดงว่าระ ง, งับจิตใจไว้ได้ไม่ลุกรนเหมือนแต่แรกเกิดกับเสซยยืนยันว่ามีร่องรอยของเราพินเดินไปตามเส้นทางเลื้อยนี้สวนเข้าหาเป้าหมายเป็นรอยเท้าเคลื่อนไหวไปอย่างมั่นคงที่สุด และไม่มีวัตถุสิ่งของใดของเขาตกหล่นอยู่เลยระวังตัวขีดสุดบ๊อบและมันสังเกตมากวัดไว้ทุกเริยอถ้ามันขึ้นตัวเลขบอกอัตรากรรมตาภาพอันตรายขึ้นแม้แต่นิดเดียวให้หยุดทันทีขีดบอกขึ้นไปและเบลก็บอกไปอีกคนว่าและให้สังเกตอาการของตัวเองด้วยถ้ารู้สึกผิดปกติเกิดอาการคลื่นเหียนวิงเวียนหรืออ่อนเปรีย้ยผิดปกติดกใดๆก็หยุดแค่นั้นและถอยเร็วที่สุด ไม่ต้องห่วงเสียงสแตนลีย์บอกมาบุญคำทนความทุกข์รนทุรายร้อนใจอยู่ไม่ไหวขออนุญาตพูดวิทยุบ้างเบลจึงบอกให้คีสซึ่งกรรมวิทยุอยู่ในมือส่งไปให้แต่เท่าพูดทันทีว่านายห้างบ็อบนี่บุญคำพูดนะได้ยินว่ายังไงบุญคำขอบุญคำพูดกับไอ้สองคนนั่นหน่อยเกิดหรือเสยก็ได้โอเคเสียงหัวหน้าคณะตอบ แล้วไม่ถึงอืดใจก็มีเสียงของเกิดแแววออกมาว่ายังไงลุงคําเกิดพูดเองสองคนกําลังเอาในห้างบ๊อบเดินตามรอยไม้เป็นทางเข้าไปเหรอใช่แล้วลุงกําลังเดินสวนรอยเข้าไปรอยของนายเดินเข้าไปก่อนแล้วคงจะหลังจากที่ลุงพาแหม่มคริสแล่นลงเดินไปนั่นแหละคลื่นไส้เวียนหัวมั่งหรือเปล่าวะไม่มีอะไรเลยนี่ลุงสบายมาก ลมเย็นดีซะอีกชุ่มชาเหลือเกินไม่ร้อนเลยแต่ลมแรงขึ้นทุกทีฟังข้านะทั้งสองคนแกสั่งช้าๆถ้าเห็นตัวพญานาคเฉยไว้อย่าวิ่งอย่ายิงถ้าเห็นนายที่ไหนในลักษณะไหนก็ตามให้ดูเฉยๆก่อนห่างสักสามถึงสี่ว่าอย่าเพิ่งเรียกอย่าเพิ่งทักดูนายเงียบๆไว้ก่อนไม่ต้องเข้าไปแตะต้องตัวทั้งนั้น ตกลงลุงแต่ถ้าไม่พบนายหรือไม่พบพยานนาคเลยล่ะจะให้ทำยังไงถ้าไม่พบอะไรเลยให้พาในห้างบ๊อบกลับลงมาก่อนแลหารือกันอีกทีจะเอายังไงค่อยว่ากันทีหลังแต่เชื่อข้าเถอะเข้าไปถึงชะง่อนหินนั่นน่าจะพบนายเองนายต้องอยู่ แ, แถวนั้นแหละการติดต่อผู้จาง ก, กันโดยวิยุยุติลงชั่วขณะแค่นั้นบัดนี้พักพวกทุกคนฝ่ายข้างล่าง พากันนั่งกอดเข่ามองหน้ากันเองไปมาไม่มีอะไรจะทำได้มากไปกว่านี้นอกจากรอฟังข่าวเท่านั้นเชิญวุฒิกิจข่าวบุญคำกระซิบถามว่าทำไมลุงเรียกไอตัวไฟนั่นว่าพญา น, นาคสมุนขวาของระพินซึ่งยังหน้าเซียวเผือดเหมือนศพกระเดือกน้ําลายฝืดๆลงคอกระซิแบแผบๆตอบว่าถ้าไม่ใช่พญา น, นาคแล้วจะตัวอะไรล่ะนายทหาร รูปร่างหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงตามที่เราเห็นก็สุดแล้วแต่เถอะแต่ฤทธิ์เด็กขนาดนี้ไม่ใช่พญานาคแล้วจะตัวอะไรเราถือเคล็ดกันตามหลักของพรานป่าว่าเรียกเขาไว้ในทางดีก่อนจะเป็นมงคลกับตัวเราเองขนาดนายยังเรียกพญานาคเลยแม้ว่าพระธูดงที่มีชานสูงจะเรียกสางหาก็เถอะที่เรากำลังพบอยู่นี่ไม่ใช่ศาสตร์แล้วละนาย แต่เป็นอิทธิฤทธิ์ของสิ่งที่มันเหนือชั้นโลกธรรมดาที่เราอาศัยกันอยู่นายทหารไม่เคยผ่านเส้นทางมืดบริเวณนี้มาก่อนก็ไม่เข้าใจอะไรหรอกมันสวดมนต์ภาวนาเข้าไว้เถอะมากันคราวก่อนนี้พวกวุ่นํายังไม่เคยพบก็เพิ่งจะมาพบครั้งนี้แหละถ้าไม่โชคดีที่สุดก็สวยที่สุดเสียงสุดท้ายของแกแหบหายเข้าไปในลาคอแทบจะฟังไม่ได้สับฉันเป็นห่วงและพิดเหลือเกิน เชิดวุ้นครางแผวเบาภายหลังจากเอาสร้อยพระเครื่องขึ้นมาจบบูชาเนื้อศีรษะอาราธนาเสร็จดีย๋ยว่าแต่นายทหารเลยไอ้คำก็ห่วงแต่บุญคำแน่ใจเกินครึ่งว่านายจะต้องแก้ตกนายเป็นคนมีวิชามีสัจจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นคอยอุปถัมภ์คุ้มครองอยู่ขณะที่เครื่องมืออะไรของแม่มคริสดังลั่นออนออสไปหมด ไฟบนหน้าปัดแทนที่จะกระพริบเป็นสีเขียวกลับกลายเป็นสีส้มสว่างอยู่วู่วตัวบุญคํากับแม่มคริสเองแสบร้อนไปหมดทั้งตัวเวียนหัวอ้วกกันแทบตายยังเห็นแก่ยืนเฉยแล้วสั่งให้บุญคําเอาแม่มคริสแล่นหนีลงเดินมานี่ยังแสบแสบร้อนๆ้อนผิวอยู่เลยแกชี้ไปที่แขนและใบหน้าตัวเองแต่ยังชั่วขึ้นมามากแล้ว ตอนที่แม่มเบลฉีดยาให้ฉันสงสัยว่าทําไมเขาถึงไม่วิทยุส่งข่าวอะไรมาที่เราเลยเชิดวุฒครางออกมาเหมือนรำพึงมันคงกําลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่นายคงจะต้องใช้สมาธิอํานาจจิตและสา ย, ยเว่ที่แกร่ําเรียนมาอย่างเต็มที่จะมามัวพูดวิทยุอยู่ไม่ได้หรอกแบบนี้ถ้าจิตไม่เที่ยงวอกแวกแม้แต่นิดเดียวมีแต่ตายอย่างเดียวเท่านั้น ตายอย่างชนิดที่เราอาจค้นไม่พบศพด้วยนายทหารหนุ่มนั่งคอตกในลักษณะตะลึงเหมือนตกอยู่ในสภาพความฝันคิดกลายเป็นใบ้ไปชั่วขณะจ้องตาเบิกโพลงอย่างปราชจากจุดหมายขึ้นไปบนท้องฟ้าที่ม่านเมฆสีดำกำลังหมุนราวกับหมอกพระการและดูน่าสะพรึงกลัวยิ่งพร้อมกับพายุที่พัดทือเย็นเยอือกเบลนั้นรือค้นหีบเครื่องเวชภัณฑ์ง่วนอยู่คนเดียว ตเตรียมสำหรับงานเยียวยาโดยวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าในขั้นมนุษย์ก้าวขึ้นสู่โลกแห่งอวกาศได้แล้วส่วนคริสติน่าเองหลังพิงต้นสนมือทั้งสองประสานกันอยู่บนทรวงอกดวงตาหลับสนิทริมฟีปากขมุบขมิบเหมือนจะสวดท่องคำพีทางศาสนาของหล่อนซึ่งในชีวิตหล่อนคงไม่ทาบ่อยนะ